เจารย์พรท่านพู้ที่มีจิตศรัทธามีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อการกำจัดความทุกขต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจคืนนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งที่เก่าเวลาเดิมคนแรกก็คือคุณสาธกาแฟนไฟนับคนแรก พระอาจารย์เอาเลยนะวันนี้เอเ อ, อเอเ อ, อ, อคือว่าตอนที่ว่าคําถามเนาะเดี๋ยวเขียนไว้เดี๋ยวเดี๋ย๋ยนั่งไปอะค่ะพระอาจารย์อีอีอาทิตย์ก่อนอะค่ะพอหลังจะกลับมาเนี่ยนั่งไปอ่ะค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบปกติอะที่นั่งเนี่ยนี่เคยเจอเนาะมันก็คือแบบเหมือนว่าความร้อนบ้างอะอันนั้นมี ที่เคยเจอนะคะแต่ว่าอีกครั้งอีกครั้งที่หลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์นั่งแล้วมันเหมือนว่าร้อนในอกมันเหมือนไฟอ่ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วสักพักหนึ่งมันก็หายนะแล้วก็อีกวันหนึ่งได้กิ่นได้กิ่นทู่แต่คืนที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไหวไม่ได้แบบจุดทู่ไม่ได้อะไรนะพระอาจารย์แต่ลูกก็เฉยเฉยเพราะอาจารย์บอกว่าให้สักแต่ว่ารู้เออไม่ทํำไมสนใจมันมันเป็นตาย<อ>ัดงนะั้น อไม่มีคุความหมายอะไรควสนใจมันก็จะหลงทางเล่าหมายของเราคือความนิ่งสงบของใจเราแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะพระอาจารย์ที่บอกพระอาจารย์อะอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเข้าง่ายเข้าง่ายเข้างา่ า, งายแล้วพออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเอ้ยเมื่อวานนี้เลยคือนั่งยังไงก็นั่งไม่ได้สี่รอบก็นั่งไม่ได้นั่งไม่เข้าไม่สงบ แต่ลูกก็เฉยมันไม่มีสติมันละประหยาดเข้ามันไดไหมเข้าไม่ได้อย่าปรยัดเข้ามันก็มันก็คือลูกก็รู้ว่าลูกไม่มีสติลูกก็เดินออกไปแล้วก็ลูกก็เข้ามาใหม่เดินออกไปเข้ามาใหม่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจก็พอสี่รอบแล้วก็ก็ไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นอนนอนไม่รับกับฟังอะไรไปเรื่อยอ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรอะค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ตั้งแต่ทํามา ทุกอย่างเลยอ่ะมันคืออนัตตาก็คืออาไปมาจับหมดอันนี้จังมันไม่เที่ยงอนัตตาก็คือทุกๆครั้งเนี่ยก็คือคิดไปอย่างนี้หมดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาวันเนี้ยค่ะนั่งเข้าได้ยังไงก็เหมือนเดิมอะคะ่ะเข้าได้ง่ายไม่ไม่มีแบบภาวะแทรกอะไรค่ะมันก็เข้าแล้วก็นิ่งเข้าแล้วก็นิ่งเออลูก แล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าเอ่อเคยถามอะค่ะว่าสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางที่ลูกบอกว่าที่ลูกเข้ามาตอนแรกเลยอะค่ะที่เข้ามาครั้งแรกเลยอะที่ลูกคิดกับแฟนอะลูกขอแฟนไว้เพราะว่าลูกเข้ามาเซฟเซฟตอนแรกของพระอาจารย์เนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่าลูกก็ขอเวลาก็ไว้ว่าลูกอาจจะฝึกนั่งมิปัสนาสมาธิแต่ลูกก็ไม่คิดว่าลูกจะนั่งได้เหมือนเรามาฝึกนะคะพระอาจารย์ ก็ขอเขาว่าเดี๋ยวจะลองฝึกเจ็ดเดือนเอาแค่นั่งสมาธิตามที่ว่าอาจารย์ชวนเชื่อเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ลูกก็ไม่ได้คิดอะไรลูกขอแค่นั่งสมาธิเพราะว่าตอนแรกเลยนะที่ใจลูกคิดคือแม่ลูกตายที่ลูกเห็นนะคืออันนั้นน่ะคือมันมันเข้ามาที่ลูกกลัวที่ลูกบอกว่าอาจารย์นะว่าถ้าตายอ่ะมีกลัวแต่กลัวเรื่องที่ว่าทุ ก, กเวทนาเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนแต่ทีเนี้ยลูกก็ได้หนังสือที่คุณหลาค่ะส่งมาให้อ่ะค่ะเป็นของหลวงตามอาหารบัวแล้วก็ที่พระอาจารย์เทพทั้งหมดอ่ะค่ะก็จะเกี่ยวกับปวดอย่างเงี้ยคือลูกจํายนจําได้และเลขท่าทั้งหกอะไรคือมันง่ายมันจาได้พระอาจารย์แต่ลูกผู้ศัพท์ไม่เป็นแต่คือรู้หมดอ่ะไอท้ที่ไปรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกพระอาจารย์ว่า ที่สําคัญเลยอะ่ะก็คือที่ให้ทําก็คือที่พระอาจารย์สอนก็คือมักน้อยสันโดษอันนี้ลูกลูกเกี่ยวแล้วเพราะว่าฟังฟังฟังพระอาจารย์เกี่ยวมากคือรู้ละแนวทางปฏิบัติชีวิตจะไปยังไงแล้วทีนี้พอมาถึงที่พระอาจารย์บอกว่าทางที่จะไปที่นิพพานได้อะ่ะอันนั้นอะ่ะลูกก็รู้แล้วแค่รูกก้แค่ว่ามักน้อยสันโดษแล้วก็มีเรื่องใจรักนะแล้วก็มีเรื่อง เอ อ, อะไรนะอันนี้จำทุกฐอนะตาประจำแล้วก็อีกอันหนึ่งน่ะอะไรยักษ์ละสี่แล้วทีนี้ก็มาฝึกที่มัดแปดมัดแปดเนี่ยมันก็จะไปที่มัดสี่ขนสี่นี้วขันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ลูกเข้าใจหมดแล้วเออไม่ต้องไปสนใจตอนนี้เอาเอาสติให้ได้ห่อยเอออันนี้รู้เข้าใจเอาสมาธิให้ได้ เออแต่ลูกแค่คือลูกอ่ะวันนี้ยลูกมาฟังแล้วลูกก็ต้องการแค่อนี้สุดท้ายนะพระอาจารย์ที่ลูกตั้งใจอ่ะก็คือลูกอับน้อมนำตรงที่ว่าลูกรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงอะค่ะทีนี้ตอนนี้ลูกอ่ะสามารถที่จะเดินเหินได้ลูกก็เลยจะมาฝึกสมาธิแค่นั้นแล้วก็ต่อไปอนาคตลูกเนี่ยลูกแค่ว่าถ้าลูกแบบว่าโชคร้ายเหมือนเป็นไข้ หรือว่าแบบเจ็บป่วยเป็นมะเร็งตายเนี่ยขอให้ลูกแค่นั่งสมาธิแล้วก็สงบแค่นั้นเองเออลูกขอให้มีความสงบฝึกไปเยอะๆปัญญาเรารู้กันมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเรายังทําใจให้สงบไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยที่ที่ที่พระอาจารย์บอกอ่ะตอนเนี้ยลูกมาฟังพระอาจารย์เรื่องอยู่กับความว่าลูกคิดว่าลูกก็น่าจะพอได้อยู่เพราะปกติอะลูกเป็นคนไม่สูงสิ่สคนอยู่แล้วอะค่ะ ลูกจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ลูกแบบไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วดลูกก็ถือว่าลูกลูกก็น่ามันก็เหมือนแบบแล้วลูกไม่ค่อยแบบเรียกว่าตอนเนี้ยที่พระอาจารย์บอกว่าที่ยังอะไรที่คุกคี้กับลูกเลยก็มีแค่พ่อกับแฟนแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยลูกแทบจะไม่ไม่ค่อยอะไรนอกจากมาตูมพระอาจารย์นี่แหละลูกก็ว่าลูกน่าจะอยู่ได้แล้วก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเพื่ออาจจะแบบไปไปตรวจก็เรื่องที่คอค่ะที่ลูกต้องฟื้นรอดตลอดก็คือเรื่องที่คอโตแล้วก็หมอกระนาดอันก็สาวแต่ลูกก็เฉยเฉยนะว่าอาจารย์อ๋อเดี๋อันกสาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผลเอีกทีที่ใใทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราใจเฉยเฉยลูกเฉยเฉยเ่ยมันเป็นธรรดาไงคะอาจารย์เพราะว่าเรารู้แต่ว่าเดี๋ยวรอผลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาบอกอาจารย์ว่า รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ตายเดี๋ยวก็ตายกันหมดทุกคนไม่มีใครอยู่ไม่กลัวหรือไม่กลัวก็พอแล้วดีแล้วเอาแล้วนะเอาเท่นี้ก่อนนะตลบที่ความสงบอย่างเดียวเป็นการที่ธรรมดาเราเข้ามาเราไม่ยกมือขึ้นนะยกมือแล้วคุณจะไปอยู่หัวคิวแต่เราจะไม่ได้เดี๋ยวคุณจะต้องรอยนานถ้าคุณยกมือเนี่ยก็คราวหน้าอย่ายกมือนะฮะ เดี๋ย ว, ว เ, ออเอามือเอามือข้าลงกันครับจะได้อยู่ในคิวครับคุณก a l a ็กซี่เอาเลยตอนนี้วันนี้เปรริดโอกาสให้เขาหน้ายยใหญ่ยกมือนะว่ามันจะต้องเข้าคิวกันแลบคุณก a l ล x กซี่มีอะไรว่ามาเลยมีอะไรหรือเปล่าเปิดเปไมค์ก่อนอ่ปาปิดไดแล้วอ่ า, า<ะ>พูดได้แนละ้วได้ยินแนละ้วค่ะทำสการ์เจ้าค่ะหนูพอดีหนูอยากถามนิดนึงค่ะเจ้าค่ะว่า หนู่เป็นสัตวแพทย์แล้วทีนี้มันก็ต้องแบบมีเหตุให้ต้องแบบทํามันกับตัวสัตว์อยู่เรื่อยๆค่ะหนูอยากถามว่า อ, อ๋อไม่ผิดนะหมันทํามันไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันได้ไม่ได้เป็นการตัดกําเกิดของไม่ไม่ไม่ามาช่วยช่วยไ <ๆ S 2> ม่ใหม <า S 2> ันเกิดดีเกิดแล้วมันทุกข์อ๋อต้องขาวของคุณค่ะหนูขอโทษขนมไม่เคยเข้ามาหนูม ไ, มไม่รู้ว่าทำยกมืออะถ้ายกมือแล้วมันไปอยู่ว่าคิวแล้วแต่ รเราไล่ไปตามคิวตามจอเนี่ยอย่างถ้าคุณอยู่ข้างบนเนี่ย<ข>คุณอาจจะต้องรองเป็นคนสุดท้ายถ้าคุณอยู่ข้างล่างผานหน้าก็ไม่ต้องยกมือเข้ามาตามคิวแล้วก็จะได้นะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วนะเข้าใจรึทํามันอย่างสบายใจอ่าสบายใจไม่เป็นไรขอ <âm> บคุณค่ะสาธุไปคนที่สมพัจ้สมพัส นามสการครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินชาจชรยใช่โอเคครับ เ, ออเกี่ยวกับการทำสมาธิก็เรื่อยๆครับออได้บ้างเสียได้บ้างไปได้บ้างกับว่าปยายามที่จะทำสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็พยายามตั้งหลักเกณฑ์กับตัวเองเือว่าในขณะที่เราเนึกถึงพุโทโธทำสมาธินเนี่ยเราจะไม่ไม่เอาเรื่องอื่นเข้ามาเลย ก็คือพยายามจะทําเรื่องนี้ให้ให้ให้ใ ห, ให้ให้อยู่แต่ในกรอบอันนี้นะฮะก็ก็กําลังฝึกทำอยู่เหมือนกัน ต, ต้องทาทั้งวันไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาที่นั่งอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเรื่อยๆมันก็เข้ามาอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ย้ายไม่ให้มันเข้ามามันก็จะเข้ามาเราต้องคอยกั น, นไว้ก่อนกันไว้ตลอดเวลาทั้งวันคือ <c oughs> ในตลอดเวลาทั้งวันนี้ยังยังทําไม่ได้เพียงแต่ว่า มันมีกิจวัตรประจําวันที่เราต้องทําอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะเอาพุโทโธเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเช่นเราเรามีโอกาสที่จะเดินเดินเดินประมาณสักวันละประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อออกกําลังกายเนี่ยเราก็สิ่งคนนี้กับพุโทโธเข้าไปเลยอันนี้ก็คล้ายๆกับก็ได้ได้ที่เราทรํภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้ำนั่งหน้าไปไปไปแลปลงไฟกับพุทโธไปก็ไปก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้ามาให้ให้มากขึ้นมากขึ้นตามลําดัครับ ก็เวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่มีอะไรเข้ามาสอดแทรกเข้ามาครับคับตอนนี้มีคำถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับขันห้าเนี่ยะขันห้าที่รูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยเอ่อไม่มีคำอยู่คำหนึ่งที่ที่ไปไปอ่านมาแล้วก็ไม่เคยจะมีใครพูดถึงนะก็คือคำว่าเจตสิกนะเจตสิกก็คือมันก็เกิดเกิดพร้อมกับจิตจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ นะแล้วกระดับไปเหมือนกันนะแต่เจสิกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดค่อนข้างละเอียดมากซึ่งมีอยู่สามกลุ่มด้วยกันก็กลุ่มกลุ่มที่เป็นกลางกลกลุ่มที่เป็นอกุศนแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่เป็นกุศลนะก็ก็เท่าเท่าที่ศึกษาดูก็ไม่เคยมีใครพูดถึงตรงจุดนี้เท่าไหร่จะไม่พูดถึงผลลัพธ์เลยก็คือปัญหาซึ่งมีการมาตัญหาเพราะวตัญหาวิปวตนาอะไรเนี่ย แต่จุดนี้มักจะไม่เคยพูดถึงแล้วก็แต่แต่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นแมคโคร i ิซึมที่มันไปสู่ตัญหาตรงนี้นี่ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำว่าเจตสิกซึ่งมีอยู่ห้าสิบสองตัวนี่ครับไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ได้สนใจสนใจดัดกันตันหาสามตัวก็พออ๋อแต่แต่ที่มาที่จะมาถึงตัญหานี้ก็ ก, ก็ก็ไม่ไม่ต้องไปคำนึงถึงใช่ใช่มันมา ตามช่องทางห้าช่องทางหกช่องทางตาหูจมหกนิ้วนิ้วการใจคบที่ืออปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเหล่านี้ปัญหาอยู่ที่ตันหาสามตัวซึ่งซึ่งตันหาสามตัวนี่ก็อวิชานี่เป็นตัวส่งเสริมใช่ไหมที่เกิดเป็นเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมันก็ตัวอวิชาเป็นตัวส่งเสริมทั้งนั้นโอ้ครับครับไปดูรูปมันก็สร้างเจตสิกขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงมันก็ได้มันก็ ทงขึ้นมาแล้วครับคือคือคื อ, คอที่คําถามนี้ก็คือลักษณะเหมือนกับว่าอยากอยากจะรู้ว่า ic, อะไที่ที่เป็นอกุศลเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันมาเนี่ยเราจะทำไงกับมันอะไรเงี้ยก็ก็ rina, คือใช้สติอย่างเดียวใช่ไหมที่ที่ก็ก็มันอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอต้องต้องอกุศลได้อกุศลไม่ได้เราเราอยากไปยึดไปติดมันเราวางเฉยได้เลยคค่ะ หรือให้ใช้ปัญญาแยกแยะอันไหนเป็นกุศลแล้วก็แล้วก็เจริญหนึ่งไปอันไหนเป็นอกุศลแล้วก็ละหนไปครับคับก็คือสรุปว่าเราเราไม่ต้องไปคำนึงถึงถึงจุดนี้มากเพราะว่ามันจะลบสมองกเปล่าใช่ไหมเอาคำนึงถึงใช่รช่มันไม่ได้เกี่ยวกับการอบำบัดความทุกข์ความทุกข์ก่อนจะตันหาความอยากที่ไปยุ่งกับไอ้เจตสิ์นี้ทั้งหมโอครับ ครับโอเคก็งั้นก็สบายใจผมจะได้ไม่ไ ม, ไม่ต้องไปมุ่งหมายถึงว่าเอ๊ะทาไมาเราเห็นรู ป, ปบางคนถ้าเกิดตัณหาความอยากเห็นรูปอาหารจานเด่นแล้วเกิดความอยากขึ้นมากรารมาตัณหาขึ้นมาอยากจะกินขึ้นมาให้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะครับครับโอเคท่านั้นในวันนี้ก็ขอนรัฐบารมีมีเดินถามเพียงแค่นี้ครับได้สาธุ คุณนั น, พ น, นพทพัฒน์นันทพัฒนจากกรุงเทพตามนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามากราบอาจารย์เจ้ า, า, านนคา่ะจาทีอ า, า, าจารย์พรเวลาให้เชิญสบายดีตับน้มาสการเจาค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะวันนี้มีเรื่องอยากจะเรียนหนึ่เรื่องค่ะว่าเคยได้เรียนพระอาจารย์ยพระอาจารย์รรยด้วครับ กำลนง่อนค่ะว่าอยากจะทำหนังสือเรื่องธาตรู้ของพระอาจารย์น่ะนะคะอาจารย์ให้ติดต่อที่โรงพิมพ์ตอนนี้ได้สั่งพิมพ์ไปแล้วนะคะพันสองร้อยเล่มใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะไปส่งที่วัดในหลังหลังจุกจีนนะคะโรงพิมพ์จะไปอยู่แล้วใชโรงพรี้เขาเขา ส, งส่งหนังสือมาอยู่เรื่ๆค่ะจะส่งไปแปดร้อยเล่มใครสี่ร้อยเล่มเนี่ยก็จะขออนุญาต เออแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆกรุปประนะคะที่ร่วมทำบุญแล้วก็ครอบครัวแล้วก็จะเป็นวันเกิดในปีนี้ก็จะจะแจกไปเป็นธรรมทานนะที่ต่างๆด้วยค่ะใ่คอณนโมธนาครับเรื่องนี้เหรอชอบค่ะชอบค่ะทำให้เข้าใจเลยย้อนหลัทั้งหมดแล้วก็มาลงที่หบท่า น, นใช่ไหมคะเขาเข้าใจค่ะอ่านแล้วก็ก็อชอบเป็นตอนๆก็สามารถเปิดแล้วก็แบบ เพื่อนที่ศึกษาทยกันบอกขอแค่นี้เราก็ทําทําได้เราก็เก่งแล้วอะไรออเขอให้ทำได้เพราเราเราเป็นท่าทัองบทนี้่ในตัวตอนตมีนกระชันไฟเป็นท่านรู้มารว ก, กันค่ะก็ขอบคุณเอคณะศิษย์ที่รวบรวมเล่มนี้มานะคะมีะมีความกระจ่างอยู่ในตัวชัดเจนมากรู้สึกครั้ที่รวบรวมนี่เป็นหมอ หมอเพลิพัดอ่ะหมอก็ตอนแรกจะพิมพ์อะค่ะพอดีทางโรงพยาบาถามมาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะคะก็เลยจัดพิมพ์ให้ก็จะแล้วเสร็จใกล้ใกล้เนี่ยราะทำศัลยกรรมหัวใจเด็กมีมูลนิธิเด็มีมูลนิธิเอ่อมีมูลนิธิเพราะว่าบางทีเด็กไม่เมีเงินมูลนิธิก็จ่ายให้ทำอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีมันจริงอยู่ที่ราชวิถี ไดที่ถี่ใช่ไหมคะก็สนใจไงงั้นก็สนใจด้วยเราชอบอยากทำคุณมอแกบางทีก็แกก็เข้ามาสนทนาทมในช่องนี้ค่นะแล้วค่ะเพราะว่าก็เคยทำเอ่อลิ้นหัวใจเด็กไปที่โรงพยาบาลที่ที่เชียงใหม่ก็น่าสนใจสำหรับทำต่อชีวิตเด็กเล็กๆกันนะคะใช่ใช่มอแกก็ทําเกี่ยวกับรหัวใจสัญญกรรมหัวใจเด็ก แล้วก็มีมูลนิธิด้วยของที่โรงพยาบาลราชวิถีของของคุณหมอคุณหมอตั้งขึ้นมาไม่แน่ใจเพื่อคุณหมอฟังอยู่เผื่อจะได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ดีค่ะเดี๋ยวเราถ้าจะลเราถามอยู่ราาจจะฟอร์เวดไปให้ค่ะขอบพระคุณค่ะถึงในเท่นี้เลยสำหรับวันนี้วันนี้เท่านี้ค่ะก็อยากจะรายงานของคมไม่ได้ไป คณะเพื่อนที่เป็นฟังอะค่ะก็ เ, ะเลยร่วมํามูล ด, ด, ด้วยกัน ด, ด, ด้วยนะีบอนาอาจาร ย, ย, ย์สายที่สารคามหรือขอแก่นสารคามตามน้มาสักการ์อาจารย์ต้องค่ะเสียงหายอยู่ขอนแก่นต้องค่ะขอแก่น ว, วันนี้มามาอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพอาจารย์ต้อมากราบอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังค่ะ ปฏิบัติอยู่นะไม่ที้งค่ะพร อ, อาจาร์ถามไม่พูดถึงอะไรสติไม่ค่อยมีเลยค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้งานเยอะแล้วก็จะ อ, อ่อนแอลงค่ะยากงานก็โดยจะอ่อนแอร์ลงด้วยมค่ะพระอาจารย์อย่าทิ้งนะทิ้งเดี๋ยวกลับมา มันจะลําบากและยากใช่ใช่ค่ะเมื่อเมื่อวานพยายามนั่งแต่พระอาจารย์ปรากฏว่าได้แค่ครึ่งชั่วโมงพอเราพอเราห่างอีกรอบแล้วเราเหมือนแบบอ้านั่งไหนสิอะไรเงี้ยค่ะปกติเคยนั่งได้หนึงชั่วโมงนี่คือคือคื อ, คอแล้วมันค่อยออกแต่คราวนี้พอห่างแล้วก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยรู้ว่าพอไม่มีสติแล้วมันมันไม่ค่อยได้เลยค่ะพระอาจารย์พยายามทําเรื่อยๆแล้วมันจะมันจะ <c oughs> ค่ะ อ, อนะ อย่าทิ้งนะเดี๋ยวจะเสียดายเนาะเมื่อก่อนเข้าได้แย่นี้เข้าไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์แบบเอ๊เข้าคือถึงไม่ลิดมันก็ยังเข้าได้มันก็ยังรู้สึกแต่ทำไมช่วงนี้แบบไม่ได้เลยค่ะหมายถึงว่าแม้แต่กสิที่มันแบบเปลี่ยนปลี่ยนสมาธิอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เข้าไม่ได้จนแบบเออแต่ก็รู้ตัวอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติค่ะพระอาจารย์ เราไปกับโลกมากไปหน่อยค่ะจะนาบารนามุสติบ้าอืกจะได้อยู่ได้ทำไบอย่างมากก็แค่ตายตายก็จบไม่ได้อะไรลบหมดบารนามุสติเป็นเหมืนางลบเนี่ยลบของทุกอย่างที่เราวุ่นวายกันทํากันมาแค่เป็นแค่ตายอืมันทําพอกินพออยู่ก็พอออะไรมากเลย เอสงสัยจะหลงไปกับการงานอีกแล้วค่ะพรนะอาจารยนะ์มีช่วงหนึ่งที่แบบปล่อยแล้วก็สบายแล้วก็ก็ทําสมาธิได้ดีคราวนี้ เ, นะเราเหมือนมาเอาทางทางงานมากขึ้นนะพองานมากขึ้นร่างกายก็แย่ลงค่ะพระอาจารย์เหมือนเหนื่อยง่ายใช่ค่ะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็สมาธิก็ไปด้วยกันมันเหมือนแบบพอตั้งใจทํางานแล้วเราก็แบบเ อ, อสมาธิหรือสติมัน มันคิดคิดเรื่องงานค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก<ด>เลยทําให้ถอยออกมาทาสมาธิไม่ได้ค่ะนะเหมือนอย่าอย่าไปหลงกับงานมากเกินไ ป, ไปทำเพื่อใล้ปากเล่งทองนั่นค่ะเพื่อ <c oughs> ให้เข้าใจเงนเดือนแล้วก็พอไม่ต้องไปทําอะไรมากไป น, นะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ติด บางนึงค่ะพระอาจารย์ต้องทำไอ้นี้เขาเขาเหมือนแบบตให้เราทำทำตาแหน่งวิชาการต่อก่ะพระอาจารย์อันน่ะเข้ามาล่อเราใช่ไหมหรือว่าเราทําให้มันแล้วแล้วเราก็ริบลิบรื้อรีบรืไม่ทําดีให้รอสอบเดี๋ยวให้เป็นสอบค่ะทํารอสออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเข้าไงทีน้กค่ะอน้ามุขสารเส้นสุดเป็นโลกประธรรมไม่เที่ยงนะมีเจริญแล้วก็เสื่อมเน เดี๋ยวพออายุหกสิบก็จบระสาี<ช>แล้วก็หมดไปใช่ ใ, ช ใ, ชให้เราเลิก<ช>ถึงความเสื่อมบ้างแล้วลถึงความตายบ้างแล้วมันจะได้สติขึ้นมาค่ะวันนี้วันนี้นึกว่าเราจะทำยังไงที่จะทำทำงานโดยใช้ชั่วโมงที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพแล้วมีเวลาไปมาปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์กำลังพบดตวนอยู่ว่าทายังไงเราใช้เวลาได้นิน ทำน้อยสิยังไม่เอางานมากเอางานน้อยมันก็ทาน้อยงานมากมันก็ต้องทามากอย่าไปรับเยอะใช่ไหมครับอาจารย์อืมอย่าไปรับอือมาับอยาไปรับอือย่าไเรับอืมย่าไรมย่าีรัอืย่าไรัมอ่ไรับอืม่ไรับอืมอย่ไรับอมย่าไับอืมอย่าไัมอย่าไรับอืมอย่าไปรับอืมอย่าไรับอมอ่าไปอือ่าไปรับอกมยาไอม่าไอืาไปรับอือย่าไปรับอือ่าบือ่าอืม่ารอืมยาร <inte brothers> เนี่ยเน <pl ains> <reco Christ> okay, okay. ี่ยก็มีมีเรื่องเรื่องงานอื่นมามาเล่าต่อแล้วหมดงานที่เอางานที่ต่ออืมมีเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะคุณสมพรนัฐพนคุณสมพรครับครับน้อมสักการพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรไหมอยู่ที่ไหนอ่าอ่าอยู่ปัตตานีครับอาจารย์ครับ มีอะไรหรือเปล่ามีคําถามหรือเปล่าเอ่อโยมนั่งสมาโยมนั่งสมาธิแล้วก็เอ่อเอ่อในช่วงแรกก็จะในช่วงแรกก็ยังฟุง้งก็ยังจิตก็ยังส่ายอยู่พระอาจารย์แต่แต่พอใช้เวลานั่งไปได้สักพักหนึ่งก็ก็มันก็จะเข้าสู่สมาธิแล้วก็มันก็จะ ตัวเบาได้อย่างนี้อาจารย์ก็ดีดีแต่ให้มันเข้าได้เร็วขึ้นจริงด้ครับอาจารย์ก็ต้องฝึกสติบ่อยๆตอนนี้ไม่ได้นั่งก็ต้องฝึกสติเรื่อยๆครับอาจารย์ต้องฝึกยังไงครับอาจารย์ตอนที่ไม่ได้ทําอะไรก็ทาไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธ หมายถึงในช่วงที่เราไม่<ำ>ไม่ได้อ่ทำงานกินอาหารล้างจานล้างถ้วยอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดนะให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธครับครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเวลานั่งมานจะมีสติมากมันจะเข้าได้ได้เร็วครับอาจารย์โยมไม<ำ>ล่ลองลลองทําครับอาจารย์ครับครับครับได้ครั บ, ร บ, ร บ, รบอาจารย์อันนี้แล้ว ครับครับอาจารย์ครับน้ำมันสกัดน้อพระศาสนาเชิญน้อพระศาสนาน้ำมันสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็มีสิ่งที่ทําเพิ่มอย่างหน่อยนะพี่ดังหน่อยนะอ๋อได้ค่ะมีสิ่งที่ทําเพิ่มอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็คือสวดมนต์ตอนเย็นเพิ่มมากขึ้นเป็นสี่บทแต่ว่าสวดบาลีแล้วก็คําแปลเพราะว่าสวดมาจากที่วัดนะคะรู้สึกว่าวันแรกที่ไปสวดสมชั่วโมงใช่ไหมพอตื่นขึ้นมามันเข้าสมาธิได้ลึกแล้วก็ แป บ, บเดียวเองไงมันสองชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีผลหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยกลับมาก็เลยลองทําดูก็ก็ก็สวดแค่แบบทํามาจากกับยาณฑาสูตรแล้วก็อนนา น, านาันทคสูตรอาทิตยปริยาญาสูตรแล้วก็สติประธานสี่ของพระอาจารย์นะคะก็แต่ว่าสวดแค่วันแรงบดนะคะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆแล้วภาษาไทยด้วยแปลสุดท้ายมันก็เป็นการเจริญสติไปเจริญสติแล้วก็ได้ได้ดูข้อความด้วยก็รู้สึกดีแล้ว สวดเพลาะเดือนฐานที่วัด น, นั้นสุดนรอแล้วทําน้องผ<ร><ร>ัดท่องไม่มเห็นจะได้ไม่ต้องเปิดดูเสียดอกเลยถ้าท่องเก่าว่าจะท่องสักบทเดียวได้ไหมคะว่าอาจารย์ก็แล้วแต่เราจริงๆนั้นท่องสมชั่วโมงหุยนานหุยท่านเก่งกันมากเลยสามชั่วโมงยาวมากเลยแต่กลับว่าเดี๋ยวท่องสุดหนึ่งก่อนคะ่ะเพราะเพราะว่าเพลาะดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าฟังแล้วมันสงบแล้วจริงๆแล้วกลับมามันติกอยู่ในหูเลยนะว่าอาจารย์อย่าเพลิดลมาก <ห>เป้าหมายมันเป็นเพียงขั้นบันไดนะขั้นบันไดเพื่อให้เราเข้าสู่อานาปานสติให้ได้แต่รู้สึกว่าเข้าได้เร็วแล้วก็ได้ลึกแล้วก็ได้ ม, มันแบบนั่งได้สบายมากเลยแบบปั๊บเดียวเองอ่ะคือสองชั่วโมงแหละค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวจะลองท่องนะพระอาจารย์แตสถิตประธานสูตรเนี่ยท่องอยู่แล้วทุกๆเช้าเนี่ยแต่ท่องภาษาไทยทุกเชานะ้าอ่าดีค่ะแล้วก็คําถามนะพระอาจารย์นัคือว่ากันบ้านที่ไปถานก็คือว่าเราตอนนี้ก็คือใช้ใช้ดูดูไอเวลาเราดูเนี่ยอไยสนะ เวลาอาจารย์ภายนอกกระทบกับภายในปุ๊บเนี่ยก็เราใช้สติใช่ไหมคะมันก็จะทําให้มันทําให้เราเราเห็นจริงๆแล้วใจรักข้างนอกมันเห็นอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยมันก็เลยทำมันจริงๆมันก็คือยังคุมได้ใจมันก็ยังสงบระหว่างระหว่างวันนะคะอ า, าจารย์แล้วก็รู้สึกว่าความอยากยุ่งเหง่อคนอื่นน่ยมันน้อยลงเพราะสมัยก่อนตัวเองเป็นคนชอบอาสาทํางานแล้วก็ชอบคนน่ยชอบสนุกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบมันมันสงบแล้วมันรู้สึกว่าเอออยากทําตรงนี้เพิ่มแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเพื่อดูเรื่องจิตนะคะ คราวนี้เนี่ยมันมีอันหนึ่งอ่ะพระอาจารย์คือพอเราดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่เราคุมสติอยู่ระหว่างวันเนี่ยมันจะมันจะมันจะใจมันจะไม่ค่อยกระเพื่อมคือเราดูตอนนี้เราดูใจมันไม่กระเพื่อมนะพระอาจารย์แต่ว่าถ้ามันมีเสียงแบบรัชเข้ามาอย่างเช่นโทรศัพท์ดังอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้เราก็คือควรจะต้องปิดโทรศัพท์ใช่ไหมครพระอ า, าจารย์เพราะว่า คือมันทําให้มันเหมือนกับว่าพอมันมีโทรศัพท์ดังมาหรือว่าต้องรับเนี่ยมันยังมันยังมีนิดนึงแต่ว่ามันหายไปได้นะคะอาจารย์แต่ว่ามันคือมันยังมีแบบมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่โอเคโทรศัพท์มันดังเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ใช่ไหมมันต้องโทรศัพท์ดังก็ยังต้องสงบใช่ไหมพระอาจารย์นั่นคือคําถามแล้วมันดังก็ปล่อยมันดังไปแล้วก็แล้วก็ทําอะไรของเราต่อไปยังต้องสงบอยู่ใช่ไหมยังไม่ใช่ต้องมาหลนลานรับใช่ไหมคะอาจารย์แสดงว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ผ่านอ ถ้าเราดีอยู่น่าคแสดงว่ามันมันไวกับเรา <S <S ใช่เราตอนแรกกะว่าจะปิดโทรศัพท์เอาไม่ควรปิดใช่ไหมคะว่าควรจะเปิดแล้วก็ทดสอบดูว่าเราจะต้องไม่รับใช่ไหมคะเพราะถ้าปฏิ<ะ>บัติจริงไม่ไม่เปิดอันนี้กับปิดไม่ปิดอไม่เปิดดี่กับปิดเอ่ไม่เปิดดีก่กับเปิดเพราะแล้วเดี๋ยวมันก็มาทําให้เรารบกวนสมาธิของเราแต่ถ้าเรายังทํางานอยู่ยังเกี่ยวข้องกับคนอยู่วันนก็เป็น เหตุที่ต้องวิเคราะห์เอาเองว่าจําเป็นไม่สาคัญไม่ต้องเปิดไม่ได้จะได้คืออยากจะสร้างแค่ว่าเราต้องผ่านยังไงกับมันเพราะว่าบางทีมันละเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่อเงเร่งดว่วนหรอกพระอาจารย์ค่ะก็ใช้เปิดเสียงเอาเราต้องการจะนั่งสมาธินิ่งๆไม่ให้อะไรมารบกวนแล้วก็ปิดมันไปก่อนอ๋อไม่ได้นั่งนะพระอาจารย์คือหมายถึงว่าอันนี้คือเดินอันนี้คือระหว่างวันที่ดูดูดูใจตัวเองอ่ะพราะอาจารย์คือเดินแล้วก็ใช้สติสัมปัญญะดูอะ คือปกติมันถ้าใช้สติสมัณฑยาทั้งตลอดวันเนี่ยมันสงบค่อนข้างจะสงบได้เพราะเราเราเราเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวรับพร้อมอยู่แล้วว่าสิ่งที่มากระทบภา ย, นนายนาในหกภายนอกภายในอ่ะมันเป็นไตรลักษณ์มันจะมีปัญหาตอนที่ว่ามันมีโทร ศ, ร, รศัพท์ดังเท่านั้นเองดังก็ค่อคิดก่อนคุณถามเลยรับไหมมีฟันมจะเป็นระบาดดูเช็กดูว่าใครอะไรเพราบอกอะไรก็คือว่า ม, <น>มีเป็นเสียงหยักนะเป็นรูปอย่างแต่ก็ยังไม่ผ่านเป็นเสียงหยากนึนง ก็เมื่จะผ่านตรงไหนมันมันไม่มันอยู่ที่เราไปทุกกับมันหรือเปล่าถ้าไม่ทุกกับมันนะครับถ้าเป็นเสียงเราก็สั่์แต่ว่ารุ่มไปส่วนเราจะตอบรับหรือไม่รับเราต้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ห่าเป็นใครอ๋อมันอยู่ใจอยู่ที่ว่ามันทุกข์ไหมใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่ารังคาหรือว่าทุกมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยมันคือรู้แล้วก็รับแต่ว่าไม่ทุกอันนี้คือ ถือว่าได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็รู้ว่ามันต้องเป็นมันต้องมันต้องดังถ้าฟ้าเปินมันมันก็ต้องดังใช่ไหมเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะต้องร้องอ่ะฟ้าใช่ค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะงั้นก็ทำต่อเพรอ่านอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเยอะแล้วก็พยายามดูตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวพิจามันเป็นไใจละมันก็อนัตมันก็อนัตตาเราห้ามมันได้ยังไงถ้ามันจะเข้ามามันก็เข้ามา ก็ไม่มีอะไรเรากำลังคุมตรงนี้อยู่ว่าจ้ะแต่เราคุมคุมมันได้เราถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ปิดเครื่องได้มันก็มันก็เข้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราช่วงไหนที่ต้องการจะปิดก็ปิดไปการทํางานดีอย่างหนึ่งคือมันดูอารมณ์ตัวเองได้เวลาทํางานเพราะตัวเองทำงานมันนี้เสียอะไรเงี้ยมันดูอารมณ์ตัวเองได้ขอให้หัวยาหัเสียแล้วเผื่อับอะไรก็ตามงนี่กันใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้ไม่ใช้ไม่หัวเสีย ใจจะพูดใจจะทำเลยถูกผิดก็เรื่องของเขาเราก็ทำของเราไปจะต้องไปแก้เขาพูดได้ก็พูดบอกได้ก็บอกถ้าไม่ไม่ใช่หน้าที่ก็ไปพูดไม่บอกมันนั่งแต่เหตุผลทำด้วยเหตุผลไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ทำด้วยเหตุผลแล้วก็ปัญญา <c oughs> อ่านได เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปอุดร น, นะคะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไปจัดการให้เรียบร้อยไปอุดรไปสองวัดเลยไปขอะธรมเต่า ไ, ไม่รู้จักพระารรมเตากับกับหลวงพ่อบุญมีกับวัดภูสังโคพระอาจารย์ก็คือจะไปเลยเพราะว่ามันมันไม่รู้จะติดต่อที่ไหนก็เหมือนกับวัดป่าสารน้อยพะอาจารย์ก็คือไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปคุย <ไป S 2> กันไปช่วงเช้าช่วงที่พระนรวชัยก็จะไปสามวันพระอาจารย์ใช่ค่ะไปคร้างก่อนแล้วก็ตอนเช้าก็ไปใส่บาตแล้วก็ได้คุยกับท่าน ไม่ชรว่าัดท่านปิดหรือเปล่าไม่ใชปิดรือปใช่ไมล้องวัดก็ปิดคือดูในเฟ e b o o กเขาไม่ได้ปิดนะครับอาจารย์ไม่ปิดไม่ไม่ใน a ฟ e b o o กมันไม่เขียนว่าปิดก็เลยเดี๋ยวลองคือถ้าไม่ไปมันก็จะไม่รู้อะครัอาจารย์มันไปเถอะไปไปด้วยไปด้วยพระละฮะไปด้วยแบบที่ศรัทธาที่พระอาจารย์ไปแบบเนี้ยไปเผื่อได้คุยคุยด้วยจก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรเจอก็ไม่เป็นไรใช่ถือว่าเราไปตั้งใจไปเตรียมคาถามไว อาจารย์เปัจจุบ okay. okay. ันไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ก <N> ็ค <N> ือพยายามทำอย่างที่พระอาจารย์แนะนําต่ออยู่คเรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเดย์นะถืคุณเอกปิดสกรคุณเอกปิดสกรอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับนมัสการครับพอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคำถามครับก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับเพิ่มสติเพิ่มความเพียรครับพระอาจาย์ ดีเข้ามากราบระจันทอ่าถึงแลงทําให้มากมากได้ผลมากเห็นก็ต้องมาก เ, เนี่ยคุณแนนสุบดอนเนี่ยถ้าไปหาคุณแนนนั่นนะ่ะให้คุณแนนเป็นไกล์กนะ็ได้ได้ค่ะถ้าถ้าพี่เขานั่งเครื่องบินมาเนนไปรับได้นะคะอเราติดต่ อ, อ, อกันเราแชทกันอยูได้ค่ะคกลับในพิธีการค่ะพิธีการเนี่ยมีเพื่อนซุ้มก็ดียงเนี้ยนะค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีนะ ค, ค่ะเดี๋ยวคุณนานกับคุณหมอลองชัดกันดูว่ลกันมา้าได้ติดต่ออะไรเี้ค่ะมันยินดีอยู่ที่โรงพักใกล้ๆพัทยานี่ยังไม่ได้เปิดไม่ดีเปิดไม่ก่อนไม่ไม่อะไรร้อเถ ท่าอาจารย์ท่านอาน<ใ>นจารย์ได้ยินคะได้ยินแล้วค่ะลูกไม่มีคำถามค่ะเข้ามากราบค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงค่ะแล้วก็บอสต้องเต้นเหมือนเดิมค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์ขอบครับมซี่บูค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ที่เป็นลพบมรล้มไซค่ะโอเคสาคทุกนคุณแมนแชร์แมน ก็อยู่ประทามาใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งครับว่าเอนั่งไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็มันก็เรียกว่าฟุ้งก็ได้ครับมันไปเผลอคิดเรื่องงานนะครับแต่คิดแล้วมันมันได้ประโยชน์ที่ว่าคิดแล้วมันแก้ปัญหาได้แล้วหลังๆก็เลยชอบนั่งแล้วเออมันเผลอคิดไปมันมันช่วยกันในการทํางานให้มันดีขึ้นแต่มันในทาง ทางธรรมมันอาจจะไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ก<ๆ>็ไม่ได้ผลจากทางธรรมพทางทรร ม, มนังการความสงบความนิ่งครับบางทีถ้ า, ถา <ๆ S 2> เร า, าหลงอาจจะหลงต่อไปก็อาจจะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาต่างๆเวลามีปัญหาก็มานั่งสมาธิ <aleg ria. S 2> <ๆ>ทําใจให้เย็นแล้วก็นั่งคิด้นได้มันก็แก้ได้ทางโลกแต่มันจะทําให้เราไม่ก้าวหน้าทางธรรมครับ แห้เราต้องรู้จักวาระมาสวาระี้เราต้องการผลอะไรวาระนี้เราต้องการทําจิตให้เร่งให้สงบไม่คิดอะไรไม่ทำภาพคิดครับแต่ถ้าเราคิดวานนั่งนั่งนั่งให้สงบแล้วคิดแก้ปัญหาก็วาดไปต้อง้จงก็แยกให้ชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็มีแค่นี้ครับก็เร่งปฏิบัติต่อครับ ก็อบคุรัครับครับแต่ประโยชน์ทางธรรมมันดีกว่าประโยชน์ทางโลกใทางโลกมันแก้ไม่แก้ไม่มีวันจบหมดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องใหม่มาให้แก่อยู่รับถ้าแก้ทางธรรมแล้วมันมันมันมันแก้หมดเลยถ้าแก้ทางธรรมแล้วมันปล่อยปัญหาทางโลกเลยครับกลับไปจานครับเดี๋ยวน้องไปปฏิบัติครับคครับุณน้อมจากบอวิน การค่ะไม่มีคำถามค่ะไม่มีอำถามนะจองที่ฟ้ายจองแล้วค่ะจองแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ะลาวันนะลาวันหนึ่งค่ะพระอาจารย์เอาเลยขึ้นไปทีฮะค่ะไปช่วยกีร่ิหน่อยค่ะเดี๋ยวรอบนี้ต้องเก็บเกี่ยวให้มากกว่าเดิมโอเคนะระว่างวันนอกก็แล้วกันนะทาเล่นดีสติค่ะร เอาไปปุ๊บก็นั่มาพุทโธพุทโธเลยตั้งใจให้ก่อน่ะโอเคดาทูคนชนะดาอยู่ที่ไหนคุณชนะดาสูตรปาการเจ้าค่ะนมัสการปาการไปมาแล้วสามวันใช่ไหมไปมาแล้วค่ะก็เมธทีแล้วเป็นยังไงถูกนับไปยเขาเขาหน้ามัเรื่องเราวหน้รขบ ได้ค่ะพรอาจารย์พออยู่ได้ค่ะ okay, แต่ <yeah. S 2> ว, วันวันแรกเอ่อคืนแรกนะคะเปิดไฟเยอะไปนิดนึงอะคะ mm ่ะ hmm. ก็เป็นจังวนก็เลยเปิดเปิดหมดเลยอะค่ะพรอาจารย <laughs> ์ไฟไฟันช่วยเราได้แล้วก็ <laughs> แต่เอ่อก็ตอนตีห้าของเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็พอเอ่อแล้ว ก็แอบมองบ้านอื่นเนี้ยคะ่ะว่าเขาทํำยังไงกันอะไเงี้ยคะ่ะแล้วพอตอนคืนวันที่สอง mm. ก็ก็เอ่อกล้าออกมาจากห้องตอนกลางคืนก็เห็นห้องห้องอื่นเขาปิดไฟกันหมดเลยคะ่ะ mm. แล้วก็รู้สึกว่าที่ตัวเองอยู่มันสว่างมากเลยคะ่ะพระจารย์เลยรู้สึกว่าเกรงใจคนอื่นเนือรีบเข้าไปปิดเลยคะ่ะพระจารย์ yeah. mm hmm. ก็ก็เลยเปิดแค่ในห้องน้ําลีแบบในห้องน้ําอย่างเดียวอะคะ่ะค่ะ ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าวันนั้นรบกวนใครหรือเปล่าอ่ะค่ะเลยต้องขอโหสิกรรมผ่านช่องทางนี้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็คืนคืนวันที่สองเอ่อก็ออกมาตอนตีสี่นะคะแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนก็มีออกมาบ้างะค่ะแล้วก็พอคื อ, ค, อคือพยายามนึกถึงพระอาจารย์นะคะแล้วก็คําสอนแล้วก็พยายามที่จะ เออมีสติเออ่มีสติก็คือเดินเดินจงกรมให้เยอะแล้วก็นั่งสมาธิสลับไปสลับมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอเอ่อก็ ก, ก็ในใจก็คิดอย่างหนึ่งว่าถ้าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วตอนเอ่อตรงตรงที่เรารู้สึกว่าเรากลัวตรงไหนเราก็ไปยืนตรงนั้นนะคะนานๆแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอพอเราเข้าห้องพอตอนทําสมาธิหรืออะไร พอมันจะมีเสียงอะไรกุกกัะธรรมดาเนี่ยมันจะแปลกเข้าไปในจิตในในใจของเราอ่ะค่ะแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ไม่เป็นแล้วค่ะพระอาจารยใในะ์ใช่ใช่เแล้วนะใช่ใค่ะใจเฉยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช่ค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็รอบหน้าตั้งใจว่าจะไปเจดวันนะคะพระอาจารย์จะพยายามพระอาจารย์มีอะไรชี้แนะหนุก ต่อไหมคะเพิ farmers, endeavor, ่มเติมไหมคะก็พยายามไปฝึกสติสมาธิให้มากๆแล้วก็เอาใช้ปัญญาแก้ความทุกข์แก้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะพิจารณาเป็นตายรักไปค่ะก็ทําไปทําไปเรื่อยๆขั้นตอนก็ฝึกสติให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปแล้วเวลาว่าอาจจะ อ่านหนังสือธรรมะให้เกิดปัญญาก็ได้ในถ้าเราพิจารณาตายร่างเป็นและพิจารณาร่างกายไม่เทีย่ยงร่างกายไม่สวยไม่งามร่างกายมีอาการมีอวัยวะ32อาการ32ค่ะพระอาจารย์ท่านของเราว่าวท่านของคนเดนื่อยพิจารณาต่อไปเวลาเกิดการสูญเสียเกิดกา ร, รทราา่านพลาดใจกันจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจค่ะ ไม่วาดกลัวเป็นสิ่งที่ต้องเกิดค่ะทุกคนค่ะก็คงมีตรงเนี้ยเหมือนกันนะคะ่ะว่าถ้าเกิดคนที่ใกล้ชิดกับเราถ้าวันที่เขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะผ<ม>ก็คือคือก็เป็นความกลัวค่ะเสียไปก็เสียไปอย่าอย่าเสียใจตามแล้วันใจเราต้องไม่เสียนะ ค่อว่าเรารักษาใจได้ไม่ให้มันเสียใจได้โดยการยอมรับความจริงว่าการพัดพาจากการเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ค่ ะ, คะยมะยมรู้เข้าใจเลยค่ะคำสอนของพระอาจารยนะ์น่ะถ้าน้ อ, นอมนำไปปฏิบัติจริงๆอะ่ะทุกคำสอนเลย คือจะได้จะเห็นผลได้เร็วมากเลยค่ะเลยรู้สึกว่าคําพูดคําสอนของพระอาจารย์นั้นช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะคะยมเรเป็นของพระพุทธเจ้า <c oughs> ขอยืนยันเาแล้มาจากพระพุทธเจ้าท่านไม่มีพระเจ้าเพราะไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มี <c oughs> อย่าเราต้องอย่าลืมพระบารมศาศาีมาสัดาพระรัตนจสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าของพวกเราท่านมีพระกรุณต่อสัตว์โลกอย่างมาก พยายามบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานำะแนวทางของอาาท่านมาปฏิบัติเดถับต่อไปนะพยายามตั้งเป้าออ ก, การปฏิบัติให้มีมากขึ้นมากขึ้นลดการทํางานทางโลกให้น้อยลงไปนะออ่ค่ะพระอาจารย์บรรเลงที่ไปถึงฝนตกด้วยนะคะพระอาจารย์ <laughs> ฝนตกนิดหนึ่งมีตรงอยู่สองวันสองคืนค่ะค่ะ วันแรกที่ไปก็ตกตกวันแรกเลยอค่ะแล้ววันที่สองก็ตกเยอะเยอะค่ะค่ะกาขอบคุณมากค่ะพาอาจายนพรุ่งนี้พ่อจานเช้าพรุ่งนี้มีส้าตำกับย่างค่ะดูจานเดี่ะว่ไเรื่องนะอยากอยากอย่างเดียวซ้าๆบ่อยๆต้องเปลีนเมนูว่า วันนั้นวันนั้นปลื้มใจมากเลยค่ะพระอาจารย์วันที่พอลงมาใช่ไหมคะแล้วได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์แล้วเห็นคนเข้าคิวรับอาหารนะคะปลื้มใจมากเลยรู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็ยังชิดเลยว่าถ้าถ้าถ้าวันใดแบบมีโอกาสเนี้ยสิ่งของอื่นๆที่เอาไปบริจาคได้ก็น่าจะไปร่วมตรงนั้นได้ได้เขาเขาใช้ไม้สอยเป็นหลักค่ะของกินของใช้ ค่ะเพิ่งจะมีใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราก่อนหน้านี้ไปไม่เห็นมีรู้สึกเขามารับตั้งหลายเดือนแล้วนะทุกวันอ๋อลหรอคะอ๋อตั้งแต่ทุกวันออทุกวันจะมีมีจังเลยค่ะทุกวย์ถ้าวันไหนวันวันเสาร์ที่วันหยุดคนทหารเยอะเขาก็จะมาคนเยอะค่ะแล้วแล้วส่วนที่ยมใส่บ่ายก็มีเพื่อนเพืนเขาก็ร่วมมาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์มีมีคนเขาร่วมมาไม่ไม่ได้ชวนใครเลยนะคะเขาร่วมกันเอง ดีอย่าไปเรียอะไรนะให้มาด้วยด้วยความความยินดีด้วยความศรทธาของตัวเขาดีกว่ะโยมเข้าใจอย่างกระจ่างเลยค่ะที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่าไปเรียลลัยเข้าใจ<ม>เข้าใจมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้าเขาอยากทํา<ม>ก็ทำเองนะ่ะค่ะถ้าเขาไม่อยากเราไปเรียอะไรแล้วเรนไปไปไปบังคับเขาค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะคะค่ะ ใช้พื้นพิเศษต่อพื้นพิเศอยู่ที่ไหนบัดไมค์ก่อนอยู่ข้างล่างจออยู่ทางด้านฝาซ้ายมือจอมีปุ่มกดต้องดูข้างน้างดูข้างน่างจอซ้ายมือตรงไมโครโฟนครื่างบนอาจจะทาให้เป็นต้องให้ลูกหลานมาอนหน่ โ <Okay, S 2> อเคครับนะพูดได้นะครับกลับน้ำพการพระอาจารย์ครับเนะผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพก็กลับน้ำพการเพื่อมาแนะนําตัวพระอาจารย์ครับ<ม>คือผมมีอาชีพเป็นแพทย์ทางด้านศัลยกรรมกระดูกครับปัจจุบันก็อายุ68เสร็จๆครับพระอาจารย์ก็ได้ติดตามอ่า อ่านจับธรรมะแล้วก็ฟังธรรมเทศนาของพู้อาจารย์ผ่านทาง facebook แล้วก็ยูทูบมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็มีความศรัทธาในตัวผู้อาจารย์เป็นอย่างสูงแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นทางที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็การเกิดแก่เจ็บตาย ต, ตามที่ผู้อาจารย์ได้ได้สอนนะครับมีศรัทธาตรงนี้แล้วก็ประกาบเพื่อแนะนําตัว ยินดีละรู้จักกับพระอาจารย์ครับยินดีต้อนรับครับพระอาจารย์แล้วก็เออยากจะขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยแนะนําเอด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเข้ามาศึกษาแล้วก็ก็ศรัทธาในคําสอนของพระอาจารย์เป็นอย่างมากเลยครับเริ่มต้นก็พยายามฝึกสติเพื่อนั่งสมาธิให้ได้ให้สงบให้ได้นานๆครับอาจารย์ แล้วควบคุมความคิดหยุดความคิดจะใช้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้เนื่องจากนี่หมายถึงช่วงที่เราไม่ได้นั่งเราทําอะไรก็ใช้พุโทโธไปกากับใจหรือจะคอยเข้าดูว่าเรากำลังทําอะไรก็ได้และเวลานั่งก็จะใช้พุโทโธต่อก็ได้เน่นดูลมหายใจที่ปลายจมูก็ได้ครับอาจารย์ก็พยายามทําตามที่ป้าอาจารย์แนะนําแล้วก็อ ฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ผ่านทาง a ฟ e b o o k แล้วก็ในยู u b e ทุกวันถ้าติดตาม zoom ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกแล้วก็ดูจัดที่ดรวีรพันธ์ท่านท่านไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ด้วยครับก็รู้สึกศรัทธานในคำสอนของพระอาจารย์เป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะทำบุญเพื่ อ, อ, อสร้างบุญให้กับ อตั้งสร้างบุญให้กับสร้างบุญฐานศีลสมาธิปัญญาทั้งที่พระอาจารย์สอนนะครับอยาไม่มีโอกาสที่จะไปถึงที่วัดพระอาจารย์เราใหะอาจจะเดินทางไม่สะดวกก็ได้อยากจะแบบโอนเงินไปทางวัดนี่พระอาจารย์จะมีบัญชีที่จะให้โอนเงินไปทําบุญไหมครับเดี๋ยวมีทีมงานคุณคุณลาจะส่งข้อมูลไปให้กันแล้วแต่ได้ครับพระอาจารย์ว่า กำลังจะอยากที่จะหาโอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดของพระอาจารย์ด้วยแต่ว่าไม่ทราบว่าช่วงนี้โควิดแยังมีล่ะปฏิบัติธรรมท่านี้ตอนนี้ก็เปิดได้เปิดให้เข้ามาอยู่ได้เข้ามาดดได้ข้ามาไม่เกินสองอาทิตย์อ๋อครับปกติแล้วถ้าเกิดจะไปปฏิบัติธรรมนี่จะต้องติดต่อผ่านทางไหนนะครับอาจารย์ที่ที่วัดจะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้เขาโทรโท ร, โทรจอบที่พักได้ คือที่วัด น, นี่ที่ปฏิบัตินี้มีอยู่สองที่ที่อยู่ในตัววัดและที่อยู่ที่บนเขาออ oh, ที่บนเขา <okay. S 2> นี่มันจะเป็นของของพระแล้วก็ของญาติโยมที่ค่อชขางทวารหนดหน่อยเพราะว่ามันกันดานน้าไฟอย่างที่คุณหมอวีระพันธ์นะครับ ค, oh, คุณหมอหมอวีรครันธ์เองแต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็จะมีบ้านมีบ้านที่เป็นกุฏิมีน้ำมีไฟสะดวกนั่นก็อยู่ที่ว่า ขั้นตอนของการปฏิบัติของเราอยู่ในระดับไหนครับค่งจะเริ่มต้นขอไก่ขอไข่ครับอาจารย์ถ้าเราพักที่วัดก่อนก็ได้ครับจะติดต่อสานักงานเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอคงจะให้หมายเลขโทรศัพท์ไปโทรจองที่พักได้ครับขอบพระคุณอาจารย์พระอาจารย์มากนะครับก็วันนี้เมนมีคําถามมาก็แนะนําตัวกับพระอาจารย์สาธุครับผมส่งเป็นลายไอเดียคุณอาไปนะอยู่ในแคตนะ คุณบอยส่งไปให้กับพิเชษนะนดูที่ชั่นแชชทเอเอรนเลยฮะเห็นทุกคนฮะดูที่ข้าาจอยที่ข้างล่งจอมีสีแดงนะมาเลสยีแดงชทกดดูได้ข้อมูลที่ว่ามีไไอเียที่ที่ติดต่อกับว่าจะติดต่ออะไรให้ให้เขียนไปใช่ไหมครับเขียนไปด้วยโทรไปแล้วแต่ น่าจะข้อมูลที่คุณบอยใช้บ้างรู้สึกจะมีหลายเรืองอตอยะครับอันนี้จะเป็น l ล n e ID ีนะครับมอของบอยแอดมินนะครับครับครับจันสิบสองูนยห้าครับอันนี้เป็น l ล n e ผมจะติดต่อไปทางไลน์ไอทีนะครับรันนี้ของคุณบอยของคุณลาครับของคุณลาคุณลาจะให้รายลเยทีนีครับขอบพระคุณครับจันโอเคสารทุกสิ วันบบนี้ที่มองตาวันนี้ที่มองแขนครับเป็นมาสการครับพระอาจารย์ครับวิธ่ที่ไหนอยู่ลําปางครับเพิ่งเข้าซูมครั้งแรกครับแต่ก็ฟังอาจะพระอาจารย์มาพอสมควรครับเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติครับ <Okay. S 2> พอดีมีคําถามอยากจะถามพระอาจารย์อยู่สามสี่คำถามครับแล้วก็ อ, อาจจาะ พึ่งปฏิบัติอาจจะใชสับไม่ค่อยถูกอาจขออภัยไม่เป็นไรพระรพอาจารย์ครับขอแรกครับไอการปล่อยวางกับการวางเฉยกับการไม่อยากนี่เป็นอันเดียวกันไหมครับคล้ายนันคือการปล่อยวางก็คือไม่สนใจอะไรจะเกิดก็อะไรจะดับก็ดับมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเช่นร่างกายเราปล่อยวางมันจะตายก็ให้มันตายมันจะอยู่ก็ยอยู่ไปนี้เรียกวปล่อยวางมไม่ไปหนักออกดับใจกับมัน ถ้าปล่อยวางได้มันก็จะไม่มีความอย า, อ, ยาอยากอยากอยู่ต่อไปอยากตายเมือ่อข้ปั่ยมันอยู่ไปมันยถ้ามันยังอยู่ได้ก็อปั่นมันอยู่ไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมั่นตายไป <üzel. S 1> แต่ยังทําหน้าที่อยู่ไม่วางเฉยยังมีเวลากินถึงเวลากินก็กินถึงเวลาอน้ำล็อบท่าถึงเวลาไปทํางานก็ไปทำงานทาตามหน้าที่ไม่ไ ม, ม่เฉยไม่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเรียกเรามาดูแล กาารของคนะ อ, อาจารย์ครับเวลาเรานั่งสมาธิฝึกสตินะครับพอเรารู้ว่าอย่างกนยครับเราจะแก้ไขยังไงแก้แก้แก้ได้ยังไงครับอาจารย์พยยามไปทําตามความอยากยังไงก็พยายามอยู่กับพุทโธต่อไปสมัยมันอยากจะไปดื่มกาแฟเพราเกาพุทโธพุทโธพุทโธ่ะดื่มกลางชินนี้เดี๋ยวทําอักมัก็หายไป ใช้ใช้วิธีเหมือนที่เวลาเราดูลมหายใจใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ใช่เหมือนกันก็คือดูว่ามันอยากก็ปล่อยให้ดูว่ามันอยากไปเราก็ท่องทําสมาธิไปใช่ไหมครับอพยายามทําสมาธิไปท่องพุทโธไปอย่าอย่าอย่าอย่าดูความอยากยิ่งดูความอยากมันยิ่งอยากอย่อย่ามันทนไม่ไหวเพราะอย่าให้มันคิดถึงความอยากอย่าให้มันคิดถึงกาแฟให้อยู่ให้มันคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธอย่มันจะเลืมความอยากลืมล่ม เรื่องกาแฟได้ครับพระอาจารย์ครับถ้าถ้าเรายังยังฝึกปล่อยวางฝึกอความไม่การละความอยากได้ไม่หมดเนี่ยเราจะฝึกเจริญปัญญาได้ไหมครับพระอาจารย์ก็เบื้งต้นก็ใช้สติให้ได้ครับนั่งน้อมนั่งน้อมความอยากด้วยสติหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ได้ว่าทุกอย่างที่เราอยากเนี่มันเป็นเหมืยาเสพติดอยากเราต้องอยากอยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ดื่กาแฟถ้วยนี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยากดื่มอีกแล้วพอไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ให้กินอย่างนี้ถ้าเริ่มได้ต่อไปมันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องกาแฟต่อไปพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พอจะแนะนําวิธีการเริ่มเริ่มฝึกจเจริญปัญญาได้ไหมครับก็ว่าก็อย่างที่สอนเราทุกอย่างสิ่งที่เราอยากได้เราคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่มันจะให้ควสุขชั่วคราว แล้วเวลามันหมดไปมันก็ขวานทําให้เรารู้สึกทุกข์เวลาที่เราไม่ได้หมดอย่เาเดื่มกาแฟแล้วก็มีความสุขใช่ไหมถ้าพอแตถ้าเก่ดกาแฟหมดะแล้วไม่มีกาแฟขายเราจะรู้สึกไงเวลาอยากกาแฟขึ้นมามันก็จะเวรเกตเหมอนคนติดุรี่ครับทุกอย่างเป็นเหมือนยาเสพติดทุกอย่างที่เราอยากนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติด อยากแล้วก็อยากจะเสกอยู่เรื่อยๆพอไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสกไม่ได้เสกมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เสกเราไม่อยากจะเสกมันก็จะไม่ทุกข์ขอบคุณคุ ป, ปัญญาขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอเคนะมีประมาณนี้ครับลองดูนะเราเราดูนะากับความอยา ก, ากต่างๆดู <c oughs> นรรมัส ก, กา ร, าราครับพสจารสรสรสคืสสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสรสมรสมรสมรสมรสมาสมรสมรสระหว่างสามร ส, สมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมรสมองมรสม่สมรสมรสมรมรส่รสม ถ้าเป็นผู้ทุศีนสามารถที่จะบรรลุอริยบุคคลได้ถึง ส, สกิทาคามีก็ก็รอว่าจะถามวันนี้แต่วันนี้มี ม, ม, มีมีเทปของพระอาจารย์ตอนบ่ายสองเจ้าค่ะเอาอย่าว่าจะทุศีนเลยแม้แต่ปาณ า, าทิบาสค่าคนต้องเก้าร้อยก้าสเก้าคนก็บรรลุกนะันท่าอาได้มันคนละเรื่องกันคนละเรือเ่องเจ้าค่ะการบรรุปรานได้ก็คือค่ากิเลสได้ก็บรรลุกันท่าละ ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอดีตอาจจะทุ่มสินมาแต่พอถึงเวลาเจอพิเรบปั๊บค้าๆมันได้มันก็มันลงได้อ๋อแต่ว่าในระหว่างที่ปฏิบัตินี่ก็คือจะไม่มีการผู้สินใช่ไหมเจ้าคาพระจ่าเขาอยู่คนเดียวไปคุยกับใครที่ไหนล่ะไม่คือยอมยมมันยมเข้าใจว่าจะต้องไม่มีการผิดสินเลยแม้แต่น้อยเจ้าคาพระจ่า ก็ ه, ขนาดที่เราปฏิบัติเราก็ไม่ได้ทําผิดศีลอะไรเนี่ยเดินโยกมกรผิดศีลตั้งไหนนั่งสมาธิมันผิดศีลตั้งไหนามาค่ะพิจารณาปัญญามันผิดศีงตร้งไหนมันไม่ผิด<ม>ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมันมันจะทําให้เราไม่ผิดศีลน่ะไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้เดี๋ยวก็ไปด่า้องไปว่าเขาเดี๋ยวก็ไปฟ้องขึ้นศาลเงี้มันก็เลยยุ่งแบบมันก็เลยไม่มีเวลาไปปฏิบัติ ถ้าเราถ้าเราไม่เราไ ม, าไม่ไม่พูดเราไม่พูดติดสินไม่ไปทําให้คนอื่นต้อง เ, เสียเดี๋ยวมันก็ไม่มีใครมาฟ้องเราหรอกไม่มีใครมาตามราวีเราเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ติดสินช่วยป้องกันเรื่องราวต่างๆให้มารุมเล้าจิตใจเราถ้าเราไปทําติดสินเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆมารุมเร้า เรื่องอาคารพยาบามจ้องเว้จ้องคำกันอะไรต่างๆหรือถ้าผิดกฎหมายก็ตาํารวจก็ตา ม, ตา ม, ตามจับติดคุกติดตารางอะไรไปเรักษางสาสีเมื่อล้างสาสีง่ายก็จะไม่มีเรื่องราวตา่างๆทําให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมของเราได้ที่จะมารู้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาฆ่ากิเลสได้หรือเปล่าต่อค่ะ แต่ยังไงอยู่กูยอมก็ยังมั่นใจว่าพรารักษารักษาะนี้ได้ด้วยค่พระอาจารย์ก็ต้องรักษาเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้รักษาอย่ไปเชื่ออ้อนเยี้ยเราก็โกหกได้แล้๋ยวโกหกก็เดี๋ยวเกิดเกิดเขาจับตราได้ก็าอาจจะแจ้งความอะไรทำผิดกฎหมายขึ้นมาก็จะไปติดคุกติด ต, ต า, างแล้วมันจะเอาเวลาไปปฏิบัติทําได้ แลรักษาศีลไปที่ก็พูดถึงในกรณีของคนบางคนที่อาจจะทุศีลที่ผ่านมาแต่พอดีใจเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามันก็ลุกได้มันก็มันรุ่นธรรมได้แต่โดยปกติก็ต้องไม่ทุศีลโดปกติกต็องรักษาศีลได้บริสุทธิ์ทั่วไปแต่ในกรณีสำหรับคนบางคนแต่างองคุลิมา ก, ก็ฆ่าคน้ง999คน แตโชคดีมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกฆ่าผิดคนอยากจะเป็นพราน่้องฆ่ากิเลสไม่ให้ไปฆ่าคนไม่ให้ไปฆ่ามนุษย์เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายหันกลับมาฆ่ากิเลสแทนพอฆ่ากิเลสได้ก็บรรลุได้บรรลุเป็นตระหลได้แล้วค่ะยัมีข้อสงสัยเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ พยาามเจริญสติแล้วค่ะพระเจ้าอันนี้มันเป็นเรื่องกรณีพิเศษไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปกรณีทั่วไปก็ต้องรักษาศีลกันให้บริสุทธิ์แล้วไปที่ศีลหน้าแล้วก็กไปที่ศีลแปดทำหวชเป็นพระศีล227อะไรทำนองนี้จ้าค่ ะ, ะ, คะโอเคนะขอขอบพรคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์มัตตาพระอาะจารย์ค่ะคุณจีราลตัตต จิราลันอยู่ที่ไหนข้างหายกบ่าเนี้ยยังไม่ได้เอดยังไม่ได้เปิดไม่อยู่ข้างหน้าซ้ายเหมือนคุณดได้แล้วครัได้กดด้นห้าแล้วอะจิราลันใช่ได้ยครับได้แล้วนครับอยู่รังติดอยู่รังฝุ่เจ้าค่ะ ก็ฝึกปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะก็ติดตามผ้าจาย์อยู่เจ้าค่ะก็เข้ามาฟังทำเจ้าค่ะแล้วก็กราบผ้าจาย์เจ้าค่ะเดี๋ยมีคําถามไหมเออก็ฝึกปฏิบัติใหม่ก็ช่วงนี้นอนตื่นตีสองตีสามเจ้าค่ะไม่ทราบยังไงแล้วก็ก็เลยมานั่งสมาธิเจ้าค่ะก็ยันมาเอ่ ได้ก็นอนนั่งสมาธิอยู่กั น, นได้ประโยชน์ไหมเจ้าคะคือนอนไม่หลับอยู่ตื่นเองตีสองตีสามเดี๋ยวนั่งสมาธิแป๊บมันก็จะหลับมันก็จะง่วงแล้วก็จลับก็เลยนั่งสมาธิไปจนง่วงแล้วก็ไปนอนนี่เป็นยังไงเจ้าคะ่ะได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ไค่ะแล้วก็ตื่นใหม่ตีห้ายมก็นั่งต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเลเจ้าค่ะดีดีนั่งได้มากมากได้มากขนาดนี้ยิ่งมากยิ่งดีแต่ก็ไม่ค่อย มีสติหรือมีสมาธิอเจ้าค่ะก็เราไม่ฝึกสติมันก็ไม่มีเราต้องบังคับจิตให้พุทโธพุทโธไปฝึกไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องฝึกพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะบางทีลืมเจ้าค่ะฝึกอยู่ใช่มันลืมต้องเขียนไว้เขียนไว้ที่มือจะได้ดูว่าพุทโธแล้วเปพุทโธหรืเปลานึกได้ก็พุทโธนี่มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเลี้ยงสัตว์เจ้าค่ะปกติก็ไม่ ไม่ไม่อยากเลี้ยงเจ้าค่ะแต่ก็มีเมตตาพอดีเพิ่งได้เป็นลูกแมวมาเจ้าค่ะจะวางยังไงดีเจ้าคะ่ะตอนนี้มันตามตามสภาพไปแล้ว ค, ะค่ะเดี๋ยวเวลาก็ให้อาหารมันอะไรไปไม่ต้องไปห่วงมันไม่ต้องไปคำนวณมั น, มนอ๋อยังเป็นลูกแมวอยู่ก็เลี้ยงไว้ในบ้านก็เป็นห่วงมันอนกันก็เลยว่าศึกมีกมพันละก็เมีตานมตตาเลี้ยงมันไปแต่เราอย่าไปผูกพันกับมันก็แล้วกันศึกมีพันละ ทางจิตไปผูก่าเจ้าค่ะเ อ, อเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นลูกแมวเใช่เจ้าค่ะเราแล้ยพอโตแล้วก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ตามสภาพของเขาแล้เจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะมันก็กราบเจ้าค่ะขอบกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุจ้ะสาธุเ จ, จ้าค่ะกุณฑลยนุชเชอร์กุณฑนุชอยู่ที่ไหนกุณฑลยนุชกราบธรรมศาสตรค่ะพระอาจารย์หนูอยู่กรุงเทพค่ะอ ค่ะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามากล่าพระอาจารย์ค่ะค่ะคนกลคนกายพิษนี่ยคนกายพิษเชิญเดี๋ยวรำต้มแหงปิดไหมครับปินะกลาวล่านาารยครับอาจารย์ครับเอ่ออาจารย์ครับมีข้อสงสัยอาจารย์เคยบอกว่า พระที่บวชเทียบกับค า, ารวะแล้วพระนี่มีโอกาสสาเร็จพระอรหันต์มากกว่านี่ อ, อถ้าเทียบสัดส่วนแล้วปักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับถ้าประมาณเก้าสิบต่อเก้าสิบต่อสิบหรือไม่อาจจะมากกว่านั้นคารวะเ น, น้นบรรลุทําน้อยมากเมื่เปรียบเทียบกับจําจนวน อ, องค์พระที่นรรลุษำ อ๋อครับครับที่พระอาจารย์เคยบอกว่าพระที่สำเร็จนี่เป็นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเป็นาระว่านี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตเปเเิเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องกรณีพิเศษไปเป็นคนที่อาจจะมีบารมีมาติดตัวมามากแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุได้เลยโดยที่ยังไม่ได้บวชแต่ส่วนใหญ่เวลา วลามาดูแลมากจะไปบวชต่อพ่าไม่รู้จะอยู่เป็นฆราวาสทำไมเอ่อผมผมจะมีโอกาสได้ได้ไปบวชทดลองขึ้นทางด่วน9วันนะครับอาจารย์ที่ที่เชียงใหม่เอ่ออยากให้อาจารย์ช่วยช่วยพิแ น, น, นิดหนึ่งครับก็คือแต่ว่าจะไปปฏิบัติให้ให้ให้เจนซี่อะไรเนี้ยเพราะว่าตอนที่เป็นฆราวาสอยู่ก็ เการงานหรืออะไรต่างๆมันจะค่อนข้างรุมเล่าค่อนข้างเยอะครับอาจารย์คือการบวชกนแล้วแต่ที่เราไปปวดว่าเขามีเขามีนโยบายยังไงเกี่ยวกับพระบุญใหม่บาทีก็าอาจจะบอกว่าต้องมาฝึกว่าพระส่วนนนั่งสมาธิรวมกันก่อนอะไรเกาอาจจะไม่เน้นให้เราไปปิดวิเวทปฏิบัติคนเดียวเลยมันก็ก็แล้วแต่สถานที่เราไป ครับแล้วแล้วการทําในสันติกนี่วัตถุประสงค์จริงๆคือให้นอนน้อยๆไงนอนน้อยจะได้ปฏิบัติมากนะนี่นอนแปดชั่วโมงหกชั่วโมงก็มไม่นอ น, นเลยเอาเวลานอนมาปฏิบัตินก็คือจะเป็นการเรื่อนความเพียรเอาเวลาไปใช่ เ, เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติแต่ก็ทําได้เป็นาพักไม่ใช่ทําได้ทุกวันทุกคืนนะร่างกายมันก็ต้องมีการาพักข่อนอยู่มัน อที่ที่ไปบวชก็มีมีเหมือนมีโปรแกรมว่าจะมีการทําเนซัชชสองวันนะครับอาจารย์ตอนี้เนซัชชีมันน่าจะสหมาะสหรับพวกที่เขาเป็นมืออาชีพพวกที่เขาเขาปฏิบัติอย่เป็นปกติส้านำโดยโหันใหม่มันทํามันก็มันก็ไม่มันไม่มีพลังที่จะทําได้มันทําก็ทําแบบเฉยๆไปอย่างนั้นเองครับแต่ก็ก็ไม่ว่าอะไรนะก็ไม่ห้ามมันอยากจะทําก็ทําไป เพราะว่าบวชบวชไม่กี่วันไปอยู่ปฏิบัติไม่กี่วันะก็เอาให้มันเต็มที่ครับมันก็มันก็มันเหมือนปีนี้มาตักน้ําทั้งขันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ตักน้ําใส่ถมทั้งขันอย่างเนี้ยเมื่อไหร่มันจะเต็มใะ่ไหมมันต้องมันต้องตัดทุกวันครับทั้งวัน้ครับแล้วการออก คุณดวงครับอาจารย์ครับจริงแล้วถ้าบิดสำหรับคนใหม่ๆนี่มันจะได้ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์จะอะไรบ้างครับอาจารย์ใช่แล้วมันสำหรับพระที่เขาบวชมานานแล้ ว, ลวเขาอ ย, อ, ยอยู่อยู่ที่วันแล้วมันมีนมภารกิจต้องยุ่งเกี่ยวกับคนมากเพเลยอยากจะไปหาที่อยู่คนเดียว พอเวลาบวชใหม่ๆก็ต้องมีอยู่วัดก่อนแับเรียนเรียนธรรมมากก่อนปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ก่อนแล้วพออยู่ไปนานๆเขาก็าอาจจะไปผูกพันกับภารกิจของทางวัดจนไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติของอนได้อย่างเต็มที่ ก, ก็ที่ว่าไปไปทุดงดอกปีบไปปีบเว้แต่ทุ่งดอกเย็นๆเขาไม่มาเดินข้างถนนนะให้เราเห็นเนะขาจะไป<อ>เดินตามตาป่า ระหว่างหมู่บ้านไปสม่หมู่บ้านหนแล้วก็อาศัยชาวบ้านช่วยแนะนําว่าที่ตรงไหนเป็นที่บอกกับการภาวนาแต่ก็ต้องไม่อยู่ไม่ไกลหมู่บ้านมากก็ต้องอาศัยหมู่บ้านไปที่เป็นทบะถ้ า, าไม่เคยทําอะไรไปไม่ได้ก็องอาศาัยพระที่เขามีประสบ ป, ประการเป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงพาไปก่อนคือคือจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่ยังไม่สําเร็จ แล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อให้ให้ไปสําเร็จให้ก้าวหน้าไปแต่ละขั้นอะไรไประมาณนี้หมอครับใช่คือต้องการจะไปทําินเทนซีนในการปฏิบัติแบบอินเทนซีนอยู่ที่ว่าอาจจะปฏิบัติได้ในกี่ชัว่วโมงต่อวันถ้าไปเปเรื่อยๆอยู่คนเดียวทุดด่ดอกคนเดียวนี่มั่นปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลอืมครับครับจะลองลองไปขึ้นทางด่วนดูครับอาจารย์ครับเผื่อจะติดลองดู แต่ไม่น่าจะอาจาอาจะถูกหวยก็ได้อาจจะบรรลุขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับขอบคุณคร <Okay, S 2> นะับขอบพระคุณครับอาจารย์คุณมอสุธาเสน่ห์จ่านนทบุรีไม่ใช่ปทุมธานีาปทุมธานียังไม่ได้เปิดใหม่ปเปิดหม่มสรรมศารตร์เพิ่นพระจอมค่ะ วันดได น, นะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่ไม่มีคําถามนะเน้นไปที่ท่านต่อไปดรนารยาเลยเชิญดรนารยาอยู่ที่ไหนยังไม่เปิดไหม่เลยอยู่ข้างล่างเปนะิดแล้วพูดได้แล้นะ้ไหนเลยเลยกรุงเทพค่ะมีคําถามอะไรหมมีค่ะอะเชิญ ตะกอนหมูจะไม่สวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมคะพอตอนนี้มาเริ่มนั่งสมาธิแล้วเวลานิ่งๆชอบมีหน้าคนที่เขาไม่ชอบเรา อ, ะอ่ะโผเข้ามาเหมือนปะทะหน้าเราแล้วเราก็สะดุ้งตกใจอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็แล้วก็ทํางานต่อไปเราก็พุดโทรต่อไปดูลงต่อไป แต่นเรื่ออาจจะเป็นเรื่องการฝังอยู่ในใจเราพอมันมีโอกาสที่จะโผลกขึ้นมามันก็ปผล่ขึ้นม า, มนนมาก็เป็นภาพอย่างที่กิดขึ้นตั้งแล้วดับไปไม่ไไ ต, ต้องไปรื้อตกรวมอ่ะแปลว่าจริงๆลึกๆในใจหนูไม่ได้อาโหสิกรรมเขาใช่ไหมคะมันถึงก็ไม่ก็อยู่ที่ใจเราเราลรกๆเราเราเร า, เราคิดยังไงกับเขาเราไม่คิดอะไรแล้วอ่ะแต่เขายังคิดก็ไม่เป็นไรก็บางทีมันยังไมีของตกค้างอยู่ในใจเรา มัน ไ, ไม่เป็นปัญหาอะไรก็คือเริ่มต้นใหม่หลุดแล้วก็ดูรอแต่า็โทรต่อไปเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะหนูเป็นซึมเศร้ามีคนบอกว่าไม่ควรนั่งสมาธิเดี๋ยวจะตะลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านนะไม่จริงหรอกควาจริงการนั่งสมาธิเป็นการแก้ อ, อาการซึมเศร้าได้พอเวลาจิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าจะหายไป กลัวว่าแบบก็ว่าจะเนื่อยลงจะแบบเนื่อยไม่ยุ่งกับใครเหมือนปีกวิเวทไม่หรอกอย่พางพระพระที่นั่งสมาธิท่านก็ไม่ไปยุ่งกับใคร <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ยุ่งกับคนนะ้องสอนคนไม่หรอกยิ่งมีสมาธิหลาจิตยิ่งมีความสงบใน ม, มีมีเหตุมีผลมีความสุขมีควา ม, มเมตตากรุณามีอะไรต่าง พวาที่พวกที่ไม่อยู่กับใครนั้นเป็นพวกที่ยังไม่ได้ผลมมากกว่าไม่อยากจะไปอยู่กับใครก็อยากจะไปนั่งสมาธิมากมากแต่พวกที่เขาพวที่เก่แล้วเขามีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาก็ไปดูแลคนหน่งต่อได้ข้อสุดท้ายที่ข้องใจมากคือหนูสมัยเด็กๆจะชอบตบยุงมากเห็นยุงไม่ได้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนหนูก็จะเดินไปตบแล้วก็เอามากองกองกันให้ได้เยอะๆพอ ถึงทุกวันเนี้ยหนูไม่กล้าตกยุงแต่บางครั้งมันจําเป็นต้องตกอย่างเงี้ยตอนนั่งสมาธิมันวิ่งวิ่งหนูก็ตกมาใช่ไหมคะอันนี้ระบาดไปค่ะก็าตายมันก็บาปถ้ า, ามันตาก็บาปแล้วก็แล้วเราแล้ ว, แ ล, ว, แ, ล ว, แ, ลวแล้วหนูก็เลยพูดว่าอ่ะจะได้ไปเกิดชาติใหม่แทนอย่างนี้ได้ไหมคะ่ะหนูเป็นให้มันบอิจาคเลือ ด, ด, ดให้มันดีกว่ะได้ผลให้มันให้มอน แล้ามึงอยากยาเอาก็เอามันแค่เจาะเลือดไปนิดเดียวแล้วมันเข้าไปแล้วอ๋อหรอให้หนูบริจาคแผนไม่ต้งบริจาคเลยทำบุญดีกว่าไปทําบาปโอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคแล้วนี่แหละเราก็พูดโทรพูดโทรไปแล้วอ้าวเอาเลยเจาะไปเลยแล้วเดียวาไแล้วยุ่งจะชอบมามากตอนที่หนูนั่งถ้ามียิงได้ทำบุญเยอะเหมือนใส่บาตรถ้ามีพามมาเยอะก็ยิ่งใส่บาตรหลายองค์ทำมาองค์เดียว ใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันก็ไปพอมันได้กินพอมันได้เรือดแล้วมันอิ่มแล้วมันก็ไปแล้วแล้วมันก็จะไปเป่งๆให้หนูเห็นแล้วหนูก็จะแบบอื้อหือก็พยายามหาวิธีป้องกันยให้มันเข้ามาธรรมดาไม่มานั่งสมาธิแล้วมาค่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นจินตนาการเป็นยิงในจินตนาการหรือเปล่าไม่มันมันกัดค่ะแล้วมันก็วิ่งวิงด้วยทำให้หนูน่าวปลอมันกัดไปป่าววิ่งไปก็แล้วกันอย่าไปสนใจ เเ okay. ข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณบหมเวละผ่านใจคุณหมอหวีอาจารย์กับธรรมสการครับผมเป็นยังไงบ้างออดีครับอาจารย์กับตรงนี้ก็อ่าได้ภาวนาอยู่ครับอาจารย์ครับมันํ า, า, น า, าไวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรนะครับอาจารย์ครับประกาศอาจารย์ครับผมลาเทอ งั้นคอยที่ท่านตอบไปนะคุณฟังว่าอะไรตามว่าอะไรจากศิราชาศิราชาค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนได้เจอพี่ข้างบ้านซึ่งเคยคุยกับพี่เขาไว้นานเราให้ชวนชวนฟังธรรมพระอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันอีกเลยพอมาเมื่อสอสามวันเนี่ยพี่เขาก็เดินมาแล้วเขาพอดีจอดรถหน้าบ้านแล้วเขาก็เดินมาเขาบอกว่า มีเรื่องจะบอกเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณหนูหนูก็ถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรคะเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ให้พี่เขาฟังทำพระาจารย์ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาพยายามหัดสวดมนหัดไปทําบุญแล้วก็ฟังธรรมค่ะแต่ว่าก็ไม่มากสุดท้ายเนี่ยเขาเพิ่งจะบอกว่าเมื่อประมาณสี่ห้าวันเขาเพิ่งพบว่าเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมเราจําเป็นต้องตัดแล้วก็เพอิญว่าโชคดีว่าเริ่มหัดฟังธรรม ก็ฟังทำจากพระอาจารย์เรื่องการปล่อยวางร่างกายค่ะก็เลยทําให้เขามีจิตใจดีขึ้นอันนี้ก็พี่เขาฝากมากบขอบคุณพระอาจารย์นะคะแต่ว่าทำทำพระอา จ, ะจะารย์ดับความทุกข์ได้ฉันดับความทุกข์ไปหนูก็ยังบอกเขาเลยว่าถ้าหนูไปเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทําแบบเขาได้หรือเปล่าก็ถือว่าเขาก็ทํากันบ้านผัดค่ะพรุ่งนี้ พรุงนี้ไปไปทำบุญกับลูกสาวค่ะแล้วก็จะไปนั่งสมาธิที่นันบนชั้นสามค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุคุณพอ่อใช่คุณพอ่อต่อคุณพออยู่ที่ไหนอยู่ที่ระยองอาจารย์ใช<ะ>่ค<ะ>นะ้ครับผมสอบถามนะครับโดยปกติอ่าปฏิบัติด้วยหายใจนัาา่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโท น, นะครับปกติเวลา ลืมสติไปแล้วกลับมาผู้อยู่กับพุโทโธใหม่ต้องพยายามเร่งปิติให้เกิดขณะที่มีพุโทโธอยู่ไหมครับปาจันเราไปเร่งปิติมันไม่ได้หรอกมันมันเกิดจากการที่เราไม่เผลอถ้ามีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยเนี๋ยปิติมันไม่จะเกิดขึ้นเลยครับผมขอให้เรามีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่าอย่าลืมอย่าเผลอพุทเข้าพทออกไป ครับผมหมดคำถามครับขอบคุณครับอาจารย์ชคนบริสต์คนบริสต์ก็อยู่ะยอเหมือนกันค่ะก่านาัสกุรค่ะอาจารย์เจ้าค่ะมีมีหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์อ่าเชะพระอาจารย์เจ้าคะเวลานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนว่าเหมือนหลับปะคะพระอาจารย์แต่ว่าแต่มันไม่ได้หลับค่ะมันรู้ลมหายใจแต่สภาวะข้างในมันึึึ้เต็มขึ้นหคลิ้ม ค่ะเพราะมันเพราะมันเป็นช่วงเที่ยงค่ะมันจะง่วงอ่าดีมากหลังจากรับประทานอาหารแล้วมันนักจะจะเป็นมีนิวรนเกิดความง่วงเกิยขึ้นมาอ่ามันตึ่นตือ่ามันไม่มันไม่ตื่เต็มที่แต่มันก็ไม่ดับเต็มที่ขึ้นเตะขึ้นหลับทำเพิ่มก็รู้กันมาเดินแทนเนาะเป็นออกมาเดินจะดีกว่าใช่ไหมอ่า <Ooh. S 1> เขาไม่เวลารละพธาหารเสร็จเขาจะไม่ค่อยนิยมนั่งสมาธิกมักจะเดินจงกรมกันมากค่ะค่ะอาจารย์แบบเพรานั้นนั่งกามันจะง่วงง่ายถ้านั่งแล้วเดี๋ยวมันจะหลับค่ะประจําตอนเที่ยงแบบนั่งไปสักพักหนึ่งใกล้จะชั่วโมงจะจับเขิมหลับประจําะคะอาจารย์ลองเดินก่อนเนี่ยเดินทักพักว่าคใครพอรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วก็ลองกลับมานั่ง หรือถาท่านมขารู้สึกว่วงเขาเขาลกขึ้นมาเดินตอบอือยาอ่าฝืนนั่งฝืนนั่งไปเดี๋ยวมันจะหลับใ่ไใช่ค่ะอาจารย์ยัคิด ว, ว่ามันเป็นสมาธิหรือเปล่าเพราะมันไม่หลับมันครึ่งๆนะคะก็เล่มีคํำถามนะคะาอาจารย์ขอบพระคุณค่ะถ้าเป็นสมาธินี่มันจะเตื่นตัวเหมือนกับที่เราคุยกยันตอนนี้มันรู้ใจรู้สึกตัวแตงร้อยมันจะเต็มมันจะตื่นอันนี้มันีตเกิน เชิญคุณมาลิตะนาลิตะกอธรรมะค่ะกลับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหมคะชัดเจนชัดเจนจริงๆวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรแค่อยากจะรายงานหลวงพ่อนิดนึงค่ะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหนูก็ปฏิบัติทั้งคือปฏิบัติปกติอ่ะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันมันจะมีอยู่ช่วงเนื้อค่ะมันช่วงจังหวะที่ ตอนเราจะเริ่มนั่งปฏิบัติอย่างสมมุติฟังไลฟ์ฟังหลวงพ่อวันอาทิตย์ในรายการของคุณหมอวีต่ออย่างเงี้ยค่ะพอจบหลวก็ปฏิบัติต่อแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยมันจะมีช่วงว่าเออเราจะสติเราอ่ะมันเหมือนจะไปคิดตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วอยู่ๆมันมันเหมือนกับมีมีแวบเข้ามาในในในใจเราแวบหนึงว่าเออคาสอนที่ ครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าให้ให้เหมือนให้ย้อนกลับมาดูที่ใจใจเราเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อหนูหนูก็ย้อนกลับมาดูใจตัวเองแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรยังยังมีอะไรที่ต้องทุกต้องกงังวลต้องโกรธต้องเกลียดหรืออะไรอย่างเงี้หรือเปล่ามันก็ช่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ที่เราจะไปกังวลอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อจากที่เราไปคิดฟุ้งอยู่ข้างนอกอะ มันเหมือนสติอ่ะมันกลับมันกลับเข้ามามันตัดหมดทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็สงบพังหลวงพ่อแล้วก็หนูก็นั่งปฏิบัติได้นานนานจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งจนแบบมันไม่มีเวทนามันไม่เจ็บไม่ปวดมันรู้สึกสบายอ่ะค่ะหลวงพ่อจนจนดึกมากแล้วมันเหมือนกําลังมันหมดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องไปสนใจว่า ให้ตรงช่วงสภาวะที่มันเกิดตรงในจิตเราที่มันว่างๆโล่งๆแบบไม่มีอะไรเงี้ยเราเราไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าเราควรจะเวลาเรามาปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเราเราควรจะเหมือนทํายังไงก็ได้ที่ให้มันสงบแล้วมันให้เข้าไปในสมาธิให้ให้ได้เร็วๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วให้อยู่นานๆให้มันนน่นๆแต่มันต้องมีความสุขด้วยนะใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันรู้ รู้สึกสบายแล้วรู้ ส, สึกไม่ทุกข์ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดหลวงพ่อเขามันนั่งนั่งได้นานมากแล้วช่วงยิ่งดึกดึกอะค่ะหลวงพ่อมันมันคือทุกคนเขาหมดภาระเขานอนกันไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ปิดไฟแล้วก็นั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจนที่สุดแล้วมันมันหมดกําลังแล้วมันก็ถอนออกมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ช่วงจังหวะที่ที่เราย้อนกลับมาดูใจเราอย่างเงี้ยมันถือว่ามันเป็นปัญญาหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอนช่วงที่เรากําลังเหมือนจะเริ่มฟุ้งๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาว่าเหมือนว่าเราเตือนตัวเองว่าเราเราไม่ควรจะไปคิดโน่นนี่นั่นแล้วมันเหมือนมันดับลงไปเลยคะ่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ว่า ง, า ง, า ง, า ง, ง, งๆโล่งๆค่ะหลวงพ่อแล้วก็นั่งได้นานปฏิบัติได้งานแล้วรู้สึกมันสบายสบายใจไม่ไม่เจ็บไม่ปวดคะ่ะหลวงพ่อ ค่อยค่อยดูใจที่ให้ดูดูว่ามันสงบหรือไม่สงบค่ะหลวงพ่อถ้ามันไม่สงบแสดงว่าใจเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้สตินึ่งขึ้นมาทำให้มันสงบค่ะแล้วแล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะหลวงพ่อสมมติที่คำสอนพุทธเจ้าสอนบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วถ้าเกิดสมมติเราผ่านไปเจ็ดวันเราไม่เราก็ผ่านไปแล้วเจ็ดเดือนเราก็ยังจะผ่านไป จนจะถึงเจ็ดปีก็ยังจะผ่านไปยังมีเจ็ดชาลอนอยู่หลวงพ่ก็แสดงว่าหมดหมดความหวังแล้วใช่ไหมก็ไม่ก็ไมาเคราะว่าตลาดจะเป็นพวกที่ต้องเจ็ดปีบวกบวกเข้าไปมันจะเจดปีกับหกเดือน7จดปีเก้าเดือนนึงเจ็ดปีบวกอสองปีก็ไม่เป็นไรปฏิบัติไปแต่เราคนไม่ใช่ว่าจะจะจะได้แบบในประศุ ในพระสวนอาจะเป็นยุคทองของผู้ปฏิบัติในึ่งเขาพะเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์คอยดูคอยสอนสมัยนี้เรามันไม่มีศรรึกษาประวัติของครูบาอาจารย์แต่ลูกๆท่านก็ไม่ได้ไม่ได้สําเร็จภายในเจ็ดปีกัน ล, ลูก อ, อย่างน้องตาห ม, มาบัวท่านหัวท่านน้งพรรษาสิบหกไปแล้วนะท่านสําเร็จค่ะแม่ยังไม่ใช่ไม่ต้องไปกังวลเจ็ดปียังคอยคอยมัน ก็ให้มันอยู่ในพวกนี้ชาตินี้ก็ค่หนูกัคนลแค่แต่ว่ามันเหมือนว่าเจ็ดวันก็ผ่านไปก็เราไม่ได้ขึ้นทางด่วนมันก็ต้องช้าหน่อยถ้าขึ้นทางด่วนมันก็อาจจะถ้าขึ้นที่พระเจ้าสอนท่านสอนพวกที่ขึ้นทางด่วนสอนพระเท่านั้นอ๋อค่ะแล้วง่อไม่ได้สอนกันแล้วว่าท่านสอนพระผู้ฟังจตุประทานสวดท่านเป็นพระเท่านั้นค่ะ เราไปยังเป็นคาราว่าอยู่เรายัางเป็นเหมือนคนขับรถ อ, อยู่ใต้ทางเดวนนะะคไม่มีการซื้อบัตรขึ้นทางเดวนเลยต้องไปช้าๆก่อแต่แต่ก็ทําทุกวันนะคะหลวงพ่อปฏิบัติ<ม>ทุกวันนั่นแหลแต่ก็ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับคนที่ว น, นทางเดวนคือถ้าถ้าจะแบบไปเลยก็คือต้องตัดทางโลกออกไปเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไปบวชเลยเหมือนต้องช้าไม่หันหลังกลับนะ หลวงพ่อมันยังเป็นตายดับหน้าเป็นตายดับหน้ามันยังทําไม่ได้นยังไปไม่ได้ก็รังเสมาถึงมันก็ถึงต้องเกินเจ็ดปีในท่นี้มันก็ค่ะหลวงพ่อแต่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ก็ดีกว่าค่ะวันนี้หนูก็มีคําถามว่าะมาณนี้ค่ะหลวงพ่อโอเคนสาธุทาไปเรื่อยๆอย่าท้อก็แล้วกันยไม่ท้อค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะ สาธุ<ม>ค่ะคุณหมอนาะทูนจากกรุงเทพครับเขาเข้ามากราบน้องสกาพระอาจารย์ครับไม่มีอะไรนะไม่มีคำถามครับมาฟังคำเด็กครับปฏิบัติต่อไปครับผมส น, นุตะวดี อ, อนุตตะวดีใช่นุดวดีได้ยินไหมก่อดไหมก่อนนะ ยังไม่ได้ตัดใหม่อ่าใช่พูดได้ค่ะนามัตการหลวงพ่อค่ะวุ่นกันกลหนะเสียงมันก็เข้ามากราบอ่เข้ามากราบหลวงพ่อเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะโอเคไมนั้นไหมคะได้ยินค่ะ่อาไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติค่ะโอเคงั้นไบที่ท่านต่อไปนะ อ่าคุณธนพลแล้ว ก, ก็ทมออันนี้กับกรมอยังยก็ยังอยู่ต่งางจังหวัดตอนนี้ผมอยู่คุณอยู่กทมอครับเพิ่งกลับมาเจ้าค่ะส่วนคุณปาเพิ่งกลับมาครับอ่าทำงานยากกันอยู่ดีไหมโอ้สุดยอดเลยอาจารย์อยู่ได้ครับอยู่ได้ <c oughs> ก็อยู่ได้ครับไม่เหงาเลอยู่วันนี้ไม่เหงานะก็คือจริงจริงนะอาจารย์เดี๋ยวแอบพูดแบบลืมก็ไปเลยค่ะ คดีจะได้ใจอยู่ในสงบได้ไหมเขาต้องคอยห่วงคอยกังวลใช่ค่ะแล้วก็ได้แค่ได้ได้ทําอะไรคนเดียวก็ก็ดีอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่นันก็ก็อยู่มันเหมือนอยู่ในป่าอ่ะค่ะไปอยู่กนนั่งเมนต์หรือเปล่นั่งเมน์อยูอ่แต่ว่ากุดมันห่างกัน <S <S <S แล้วก็ป่ <S 2> <S 2> <S าพื้นที่ก็ ห, าห่างค่ะแล้วก็เอ่อวันแรกเขาเมื่แรกไปถึงมันมืดแล้วอะค่ะ แล้วเราก็ไม่รู้จักเส้นถนนนะค่ะเเงย<ม>หน้าใหมา่กทีมินมันเดินมาแล้วเรามองไม่เห็นเลยมืดสนิดเลยพะอาจารย์<ม>แต่ว่าก็เหมือนกับว่าเราต้องต้องไม่กลัวมต้องไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกอยู่ยากค่ะพระอาจารย์แต่พอวันที่สองก็เริ่มชินนะคะค่<ม>ะแล้วก็ฝึกฝึกเรื่องกินมื้อเดียวอยู่แล้วก็เลยเรื่องกินจะไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ว่าหนาว อยู่ที่เชียงรายก็อยู่เนี่ยอยู่เชียงอยู่ที่เชเชียงรายค่ะเชียงรายค่ะมาที่น้องมินเคยไปอยู่ประกาศใช่ไหมใช่ครั้งแรกที่น้องมินไปเราก็ไปไปเหมือนกันแบบปะกันที่นู่นนะคะ่ะอ่ะบาบังเอิญแล้วครั้งที่สองก็ยังบังเ อ, อิญอีกค่ะแล้วน้องมินอตอนนี้บวชเชียเหรอได้ว่าเพริดเพลินแค่ปนผมเฉยๆ ค, ะคมม่ะทนผมนค่ะจริงๆว่ะอาจารย์คือ อ่าถ้าไปอยู่นานๆก็อยากโกนผมอะค่ะเพราะว่ามันจะแรกมันต้อยุ่งมาละนะไม่ให่ห่ือาจารย์ไม่ได้สระผมเลยค่ะค่ะน้ําก็อาบบ้างไม่อาบบ้างก็เป็นหนาวไม่อาบน้าครั้งแรกก็ที่นั่นนะคะว่ะอาจารย์ก็ที่อยากจะกลับไปไหมก็อยากเหมือนกันนะอาจารย์ ก็อยากอะค่ะมันมันพอไม่ไม่ต้องยึดอะไรแล้วอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายดีอะค่ะไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายไม่กังวลก็เรื่องว่าค่ะไม่ต้องระวังไม่ต้องหวบอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมันเบากว่าค่ะแล้วก็ แล้วก็ตอนเช้าก็ไปเดินเดินลงจากเขาอะค่ะประมาณสี่กิโลอะค่ะไปตามรับบาทออะค่ะอืมอ า, าอาศัยอาหารก้อนบาทของของพระค่ะแต่กองกินเยอะคือเราฝึกฝึกเรื่องกินมื้อเดียวอยู่แล้วเลยรู้สึกว่ามันก็เยอะอ่าถ้าเขากินมื้อเดียวกันก็ก็ <c ười> บางรูปก็หนึ่งมือบางรูปก็ก็ถ้ามีคนมาถวายเพลท่านก็ลงมารับอ่ะก็สองมืออย่างเงี้ย ม, มีพระเยอะไหมหกรูปค่ะหกรูปท้าไมรานะข้าเงียบดีนะเงียบดีค่ะแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นนักบวชอ่ ะ, ออะอลแล้วก็ถือศีลสิบอย่างเงี้ยค่ะอีกสี่รูปแล้วก็ใช้ใช้ฉี่รวมสองรูปแล้วก็มินค่ะคือทั้งทั้งหมดมีปลาพรนโดที่มีผมอะคะ่พระอาจารย์ ค่ะก็เลยก็กนเลยใช่ทางทางนู้นถามว่าไปเที่ยวหน้าจะโกนไไปโกนไปเเด็อโกนไปเลยน้องน้องมิก็ยังอยู่ต่อใช่ไหมน้องมินอยู่อยู่ยาวเลยค่ะค่ะคก็เอารถขึ้นไปอึ้นนู้นเลยใช่ค่ะใช่พระอาจารย์ใจเด็ดเลยค่ะมาอยู่ทำไหมมามามาทําำไม่เก่งเหมือนนั่งไปเลยนะอืมใช่ค่ะขึ้นทางด่วกเลย เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรหนูตามฟังทาอาจารย์ไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มาอยู่ที่อยู่ค้างใต้ทางด่วนไปก่อนนะเจอค่ะเดี๋ยวพปเจอทางขึ้นทางด่วนก็ผมก็อยู่ที่บ้านครับก็ระหว่างเขาไม่อยู่เราก็ทําตามปกติครับก็ภาวนาตามเวลาเดิมไปก็ก็อยู่ได้กกันมา คุณคุณไปมากก็ได้นะคุณไปก็ก็ก็คิดว่าคงอย่างเนี้ครับกะเดี๋ยวสลับกันไปครับครับเน้นมันจะได้ก้าวหน้านะถ้าเวลาไปเปรี้ยงไปอยู่ที่มันธุรกันดารมันจะทําบังคับให้เราต้องฝึกสติมากขึ้นได้ค่ะปฏิบัติมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่เดินกับปุ่ดและตอนเช้าประมาณตีสี่ออกมาค่ะมันคือคนอยู่น้อยแต่ว่ามันมันห่างกันมากอะค่ะ เวลาเดินก <idée> ็เหมือนสติสติสตินะคะโอ้กลัวค่ะแต่พออยู่ไปสักหลายหลายวันความกลัวก็ลดลงไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะชินแล้วชินใช่ค่ะแต่วันแรกแบบโหวันแรกแบบแบบโหอยู่ยากค่ะแต่พออยู่หลายวันแล้วชินแล้วค่ะอาจารย์โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจ้าค่ะ มักจะการจ้าค่ะีคุณนัลนาจอนนัลนาใช่ช่วยเปิดไมค์กับผมกันนะสรางสรมาการครับทพิษณุโลครับพิุโลครับครับผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปครับคู่คู่กันครับเดี๋วเดียวครับวันนี้คุณหมอเข้ามาช้าผมเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มแล้วครับอท่ครับครับ เราฟังท่านอาจารย์ั้งแต่สองชงปล่าแล้วครับไม่มีคำถามเลยนะว่าจะ ม, มีมีหน่อยใช่ท่านอาจารย์ครับช <laughs> เ, เอ่อเอ่อพระโสดาบันเนี่ยอาจารย์ครับผู้ที่เขาถึงโสดาบันแล้วเนี่ยสมาเ อ, อสมาธิเป็นออโต้ไหมครับอาจารย์เป็นอาีต้องต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปลปัญญาได้อ่าเป็นเป็นออโต้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ือ ไม่ไม่ไม่จไมอจะมีอเบกขาอยู่ตลอดเวลาเป็นอาทิตจิตอาทิศีลไปแล้วใช่ไหมครับเป็นอาทิตแต่ยังไม่มีอาทิปัญญาครับครับครับผมก็คืออาทิตจิตอาทิศีลแล้วก็สมาธิญญาสติครับสติก็คือญญ อ, อโัโตพิจารณาขันขันห้าว่าเป็นตายละ ดีกแค่นี้ครับท่านอาจารย์ครับม okay. า ส, าสาักการครับผมครับที่คุณเเลนทอนต์สเซนทอนต์อยู่อเมริกาแมรีแลนด์กรับมัสการ์วันนี้ยังไม่คถามค่ะเข้ามาฟังธรรมเขาเคุณจิ้มเมื่อกี้เข้ามาตัแต่เช้ามาหายไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวคงเข้ามาใหม่ค่ะเห็นพระอาจารย์ค่ะพอาจารย์ค่ะสาธุค่ะตอนนี้ที่นั่งบยาาหนาวมากช่วงนี้ะ อาจารนหนาวนั่งอยู่เนี่ยนั่งสันว่าจะว่าจะวิ่งไปเอาแจ็คเก็ตมาใส่เหมือนกันเหรอาจารนพอจำลงองที่มันมันมันมันต่ำกว่าซื้อนะต่ำกว่าสามสิบสองนะต่ํากว่าเมื่อวานยิ่งหนาวเมื่อวานนี่อุณสุดนี่ลบหนึ่งลบหนึ่ ง, ล บ, งลบสองแล้วก็ไปถึงลบแปดอย่างเงี้ยค่ะโยมก็นั่งอยู่ในบ้านขนัดอยู่ในบ้านยังจะวิ่งไปเอาแจ็คเก็ตมาใส่แล้วก็ฮีเตอร์มาไว้ติดตัวเลยไป <laughs> ไหนยกไปด้วย <laughs> ก็ค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องค่ะที่นกกี่เอสิบสองมีกาแล็่แประชาบชื่ออะไรเปิดไมค์ก่อนอยู่ข้างล่างซ้ายมือพูได้นะไม่ชีเจ้าค่ะไม่ชี้ไม่ชีนับประพัดเจ้าค่ะครั้งแรกเจ้าค่ะอยู่ที่ไหน ไม่ชีบวชชีอยู่ที่วัดอโศการามเจ้าค่ะวัดอโศการมมีค <ละ S 1> บถามเลยไหมไม่มีค่ะบวชจะสี่ปีแนะเจ้าค่ะส<ป>ี่ปีนะเจ้บค่ะสี่ปีแล้วเจ้าค่ะี่เคยบวชอยู่กับหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธแล้วเจ้ะค่ะอ๋อคือวัดเวรวันมาก่อนแล้วก็มาบวชที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ยไยฝึกอยู่กับหลวงปู่สวงสิริปุญโยมากอ่อนที่วัดแล้วก็ฝึกอยู่กับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านต่าเจ้าค่ะ อ่าเด็ก็ผ่านครูบาจารย์มาหลายหลายรุ่ น, นะะเหมืกันกันร้อยเลยเจ้าค่ะหลวงปู่เรียนหลวงปู่จันสมหลวงปู่ท่อนด้วยหลวงปู่จามด้วยเจ้าค่ะทําาก็ก็อตอนตอนนั้นแม่ชีก็ฝึกแล้วตอนที่อยู่กับหลวงตา ก, ก็จิตมันก็ย่อขยายตา ก, ก็ให้ฝึกไปก่อนให้ให้เป็นเรื่องลิศแล้วก็ลมจิตเป็นเข็มมาเจ้าค่ะตอนเป็นคารวัตก็ตัวหายหมด แล้วก็หลวงปู่สวงหรือปโยท่านก็เลยฝึกต่อแล้วก็ให้ไปบวชอยู่กับหลวงปูส่สักคิ์การเจ้าค่ะตัวมันหายไปหมดเลยนะเจ้าค่ะ อ, อ่จิตสงบวา่ามันก็หายไปก็ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีร่างกายเรานะเจ้าค่ะอ่าก็เป็นชั่วคราวชั่วคราวเจ้าค่ะก็หลวงปู่ศักดิท่านก็ฝึกฝึกเพิ่มฝึกเอ่ออวิชชาปัจญาสังฆารา์นะเจ้าค่ะอยู่กับท่านท่านก็ สักยะที่สี่วิชิกิชาเสรละพัตตาามาตนะเจ้าค่ะนสังโยชน่าขันห้าเจ้าค่ะท่านก็ให้ให้แม่ชีพยายามพิจารณาเกี่ยวกับภาตขันอ่าเป็นกฎตารักนะเจ้าค่ะอแล้วเป็นยังไงยังทุกข์กับร่างกายอยู่ปะก็มีมีเหมือนกันเช้าค่ะแต่ก็พยายามตัดไม่ มันเป็นเวทนาเหรอเจ้าค่ะอต้องพิ<น>จารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเดินหน้าบนไฟใชค่ะตอนนี้จิตฟุ้งๆนิดนึิงไม่ชีไปเรียนอภิธรรมจุลโทต่อนะเจ้าค่ะ เ, เรียนทำไมล่นะไม่ <laughs> ไมไมชีอยากเลย <laughs> ไม่ชีชอบเอ่อชอบเรียนนะเจ้าค่ะ <laughs> มันจะกลายเป็นความรู้เท่า ห, หัวตัวไม่รอดนะ <laughs> ไม่เคยเจอโพธิลั่นเหมือนโพธิลั่นนู้นมากพุทเจ้านู้มากแต่ไม่ปฏิบัติ เป็นลาปล่าอแวเนมาลูกอ้เนยถ้าที่พูดมาเนี่ธมเยอะไปเคยเคยไปวัดยานแต่ว่าไม่ชี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอหลวงปู่เลยเจ้าค่ะอยากไปกราบอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องไปเวลาที่ลงชันสารจะเจอตอนเช้าใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ตอนเช้าันธรรมดาเดี๋ยวนี้เช้าที่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้ ไม่มีคาถามแล้วใช่ไหมไม่มีนะอย่าไปเรียนเลยเชื่อวแทะเรียนรู้มากพอแล้วรู้หมดการทำวะ <c oughs> แต่แต่ามาฆ่ากิเลสไม่ได้ครมันยังมีไวทไ<ต>ไ้ทําไมรู้ไก็และชีก็ปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยววันที่สามสิบนี้ก็มีในสัตชิกแล้วก็ในพรรษาแม่ชีก็จะอยู่ในสัตชิกโดยส่วนใหญ่ดีเ จ, <ม>จ้าค่ะก็ศิลปแปดก็โดยตลอดอยู่แล้วเจ้าค่ะอยู่เพื่อฆ่ากิเลสฆ่นนาความโลภฆ่าความ อย่าปาความหลมต่างๆเจ้าค่ะตอนนั้นเคยไปตักบาดหลงตาป้ามหาโบที่วัดป่าบ้านตากนะเจ้าค่ะอจะหลุดกูปัญญาด้วยเจ้าค่ะนานแล้วนะสิบกว่าปียี่สบปีแล้วนะเพราะว่ากูปัญญาท่านรับสังขาปีสี่เจ็ดเจ้าค่ะสิบแปดปีเข้าไปแล้วสี่เจ็ดเจ้าค่ะนาแล้วเจ้าค่ะโอเคปฏิบัติไปกันแ้วกันนะอย่าไปดีนเลนะเอาปฏิบัติเนียเนใจดีกว่าดูใจแล้วดีกว่า ใจนี่แหละเป็นพระไตรปิฎกแท้จริงอยู่ที่ใจเนียทำทั<ช>้งปวงทำทั้งปวงออกมาจากใจใค่ะ<笑><笑>โอเคนะแล้วการสบายดีใช่ไหมเจ้าคะเนี่ก็ทําหน้าที่ทีท่ได้ค ง, งน่าจะสบายดีนะค<ส>ะาธุเจ้าคะโอเคอักตอนนี้ก่อนนะขอบขอบคุณนะเจ้าค่ะโอเคคยุทธต่อคุณยุทปาใช่คุณยุทธ นิ้วจะยินไหมเปิดใ ห, หน่อยยังไม่ได้เปิดใบนะเปิดใมันีไมครโฟอยู่้งานโอเคอาอาไอดอ้ยินแล้วว่ามาอยู่ที่ไหนการครับเวลาเราขับรถเราพิจารณามันเป็นสัญญาอารมณ์หรือเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาครับต้นต้นก็เป็นสัญญาก่อนแล้ว ที่ทำคำนี้มันผุดขึ้นมาครับรถยนต์พาตนไปถึงจุดหมายสมมติฉันในสิ่งสมาธิปัญญาย่อมพาใจตนไปถึงจุดหมายนิมิตฉันนั้นครับเอออันนี้ก็จะย่อมถือว่าเป็นสัญญาอ่อูครับเพราะมันยังไม่ได้เป็นของจริงของจริงต้องมีมสิ่งสมาธิปัญญาแล้ว ม, มีมีมิติ ต, ตามมามันจะยังเป็นของจริงแล้วเราก็พิจารณาไปว่าน้ํามัน เปรียบเสมือนสินคนขับเปรียบเสมือนปัญญารถยนต์เปรียบเสมือนสมาธิครับก็เปรียบได้แต่มันมันก็มันอยู่ที่ว่าเราเราจะทําได้หรือเปล่าครับมันเป็นสัญญาความจําใช่ไหมครับใช่มันก็เป็นความคิดปูแต่งของเราเปรียบเทียบว่าศินเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นทั้นั้น แต่ก็ต้องมีทั้งหมดเ่ยต้องมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญามาถึงจะไปมีบุติได้ไปนิพพานได้ครับอันนี้มันถือเป็นการภาวนาหรือเปล่าครับก็เป็นการผุดขึ้นของธรรมะที่เราได้ศึกษามานำเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจว่าทางที่เราจะต้องไปคือทางนี้คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาครับแ ต, แ, แต่ก็ยังยั ง, ยงอีกไกลยยังไม่ได้ปัญญาแบบทําให้ มนรรลุทําได้ต้องปฏิบัติครับแล้วผมอยากถามอีกคําว่าสมมุติกับอวิชามันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงครับคือสมมุติก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เร า, เราไปสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่สมมติว่าเ่สมมติว่านั่งกายนี้เป็นเราเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เรียกว่าสมมติความจริงน่างกายมันความจริงมันเป็นดินน้ําลมไฟ แตเราไปสมมติว่าเป็นนายกอนายขอเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไร่าง่งนะเราสมมุติคือไม่ได้เป็นความจริงที่แท้จริงสมมุติไม่ได้เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงตามที่เราปรุงแต่งขึ้นมาตั้งกันขึ้นมาเป็นตั้งให้เป็นนายพลนายพันนี่ก็สมมุติเท่านัมม้นความจริงก็คือเป็นแค่ดินน้ำลมไฟอาการ32ปวดแก่เจ็บตายนี่คือ ของจริงส่วนคำวิชาก็คือเนี่ยคำวิชามันก็ทําให้เราโนงติดกับสมมุติไปคิดว่าเป็นของจริงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราที่ว่าร่างกายนั้นเป็นคนนั่งคนนี้ไปไม่ได้เห็นความจริงถ้ามีธรรมะหรือมีปัญญาเข้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่ดินน้าำลมไปเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตานี่คือความจริงที่แท้จริง แต่ถ้าเป็นอนุวิชาก็จะเห็นว่าเป็นเราเป็นเป็นของที่จะอยู่กับเราเป็นอยู่กับเราไปนานๆเราก็คอบคุมกับทบกันได้นี่คือสมมุติเข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่ครับถ้าเห็นว่าเป็นอนาตาตัวตนก็สมมุติถ้าเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นเป็นเป็นปัญญานะ เป็นวิชาไม่ใช่เอาวิชานะมีอะไรไหมแล้วธรรมชาติกับธรรมดามันแตกต่างกันมันเหมือนกันยังไงครับเหมือนกัธรนะรมดาและธรรมชาติก็เดียวกันธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดานะ้ำฝนตกแดดออกมันก็เป็นธรรมดากุศลทุกอย่างมันเะป็นธรรมดาครับร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติแต่เราไปไปเรียกความเป็นร่างกายเป็นตัวเราของเรา เราไม่อยากให้มันเป็นธรรมดาเราอยากให้มันไม่ตายแต่มันมันตายมันเป็นธรรมดามันธรรมชาติของร่างกายต้องตายเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแล้พยายามมองทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามองเข้วใช่ไหม สาธุครับโอเคเนไปที่คุณสุภัตาต่อต อ, อยู่ Dallas, Texas. ันนี้คุณพ่อมีคาถามว่าถาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะอันนะี now, แ้แจ็คสันนาวมเลยหนวหนาหนาะเช้านี้ประมาณลบสองะ <laughs> เจ้าค่ะ <laughs> เจ้าค่ะ <laughs> ว like. ันน uh huh. ี้ก็จะหนาวค่ะเซลเซียสจ้าค่ะแล้วค่ะหนาวเยอะเลยต้องไว้ผมยาวก่อนช่วงนี้ให้ให้มันอุ่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงสปริงซัมเมอร์ค่อยค่อยถึงหนออก็ใส่หมวกก็ได้เจ้าค่ะตอนที่อทําที่หนาวท่านก็มีหมวกไว้พรมใส่เจ้าค่ะขอบร่วมฟังเจ้าค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าค่ะ มันเกิดี่ักดิหรอเกดี่ักดิอกอวรักที่ศักดิ์าสักรครับพระอาจารย์ครับมีคําถามอะไรไหมเอ่อก็จริงๆมีคําถามครับอาจารย์ก็ตอนนี้มีปฏิบัติที่บ้านแล้วก็เพิ่มการเดินจงกรมมากขึ้นครับช่วงหัวค่ําพอกลางคืนที่เรานั่งปกติก็จะรู้สึกว่าสงบเร็วขึ้นแล้วก็ นานขึ้นมีคำถามอยากขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าในขณะจุดที่เราสงบไปเรื่อยๆเนี่ยพระอาจารย์เคยสอนไว้อยู่เรื่อยๆว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องทางปัญญาผมสงสัยว่าณจุดไหนครับที่เราถึงจะทราบว่าเราควรจะเริ่ม<ร> <ไป S 2> ทำ <ๆ S 2> ทาำนานการสมาธิก่อน เราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการครแล้วอยู่ได้นานได้ใช่ดังนั้นพอเราํนานาแล้วทีนี้เราค่อยออกมาออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มพิจารณาเรื่องเรื่องที่เราไม่เข้าใจเช่นร่างกายของเรามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นตัวเรานั่งมันเป็นแพร่าดินน้ำไฟเพราะในระหว่างวันถ้าอปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนก็คือให้ภาวนา พุโทโธแล้วก็อยู่กับสติไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับใช่ตอนนี้เราไม่ต้องเราต้องการฝึกควบคุมการคิดไว้ก่อนครับแล้วต่อไปแล้วเราก็จะพอเราหยุดมันมได้ต่อไปแล้วเราสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญ า, าได้ครับคิดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่ากายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีเกิดแลวต้องมีจับเป็นธรรมดา แล้วที่เพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามว่าในเวลาที่มีเจอเหตุการณ์อย่างนั้นใช้คิดในรูปแบบนี้เพื่อต่างๆอันนี้มันเป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาด้วยไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเราใช้คำาบริ ก, รก็ใช้สติที่เวลาเราเจอทุกขเวทนา แล้เราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพื่อเงินใจไม่ให้ไปยุ่งกับทุกขเวทนานี่เราก็ใช้ใช้สติไปถ้าเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเหมือนยึดฟ้าอากาศเราไปควบคุมบั ง, บงคับก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้ทุกขเวทนาอยู่ตามนำพังครับเราก็หัดอยู่กับทุกขเวทนาไปอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ปัญญา ป่อกว่าทุกขเวทนาแต่ทางที่ดีก็คือเรายังไม่ควรที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่ขุดขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมครับควรจะอยู่ที่กับพุทโธตัดมันทิ้งแล้วดึงกลับมาอยู่ตลอดก็ได้ถ้าเมื่อเราใช้ปัญญาไม่เป็นเรใช้พุทโธใช้สติหยุดมันไปก่อนเมื่อถ้าเราเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นปัจจุบันทันท่วงแล้วเราใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาไปครับ ไปร่้งสองทางโอครับในระหว่างวันก็ทําอย่างนี้ได้แต่หรือจะอีกทางนึงก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกให้ออยู่ในสมาธิให้นานที่สุดแล้วหลังจากนั้นค่อยไปคิดเรื่องปัญญาทางทางถือสติให้มากมากกว่าควบคุมความคิดอยู่ความคิดให้ได้มากามากก่าน <ๆ S 2> ี้กว่าเพราะถ้าใช้ปัญญามันจะใช้ปากคิดแต่เดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีสติเดี๋ยวความคิดมันจะทะเลยทะลายไปทางทางกิเลส น, นะทางวิชานะ แล้วมันก็นจะทําให้ใจเราฟุง้งใจเราวุ่นวายขึ้นก็ได้<อ>ถ้ามันพิจารณาแล้วมันน่อนอนอาออกนอกนอกทางเราก็ต้องใช้สติเรากลับเข้าสมาธิก่อนสแสดงว่ากําลังของสติเราหมดไม่สามารถก็คุมกับคิดให้คิดในทางไตรลักได้อย่างไปคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนในของกูตัวกูของกูขกึ้นมา ไป ห, หัวงคนนั้นหวงคนนีห้หวเรื่องนั้น ห, นหวเรืนน่อ ง, ง, ง, งนี้ก็สแสดงมาคิ น, นอกนาวทางของปัญญากาะจากไหมครับานนี่เห อ, อแล้วนับถึงจุดหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติให้สงบไปเรื่อยๆ เ, เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราละ สังโยต์แต่ละข้อได้ครับตอนยังไม่ได้ล้เราก็จะมีปัญญาถึงจะละลายเราเห็นว่าขาน่าเป็นธรรมชาติเป็นไม่ใช่มีตัวตนเป็นเหมือนคนตกแดดออกอย่างเงี้ยเห็นร่างกายว่าเป็นือนธรรมชาติก้อนนึงมารวมกันดินแ้วลมไฟมารวมกันเหมือนเหมือนก้อนไอศกรีมอย่างเงี้ยอศกรีมเนี่ย ม, มันก็ละลายหายไป ทานการเดี๋ยวมันต้องการที่เท่าพิฐานะคนตายมันจะคิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับอ๋อ ไ, <ป S 2> ไม่<ช>หรอกมันต้องนึกต้องพิจารณาหนไ่งม่นต้องนึกพิจารณาตามต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์อะไรของวิเคราะห์ไม่เช่นฟังพระอาจารย์สอนในเรื่องนั้นๆเราก็คิดตามพระอาจารย์ไปอย่างนี้ก็แล้วเราก็ลองคิดตามแล้วเราก็อาจจะต้องขยายความให้เกิดให้เห็นภาพจนเราเข้าใจว่ามันเป็นอนัตจากทุกขังอนัตตาของเราเองอีกทีนึง ที่เขาสารนี่เป็นแต่พูดแบบกว้างๆพูดแบบแนวทางแต่เราต้องมานั่งคิดเองอีกทีวิเคราะหีกทีให้เห็นชัดเจนในในความรู้สึกนึกคิดของเราอว่าอ๋อมันไม่เห็นตัวเราเลยมันเป็นเหมือนก้อนไอติมเองร่างกายเราไอจริงเดี๋ยวมันโดนแบบดดความร้อนก็ละลายในร่างกายเรามันโดนการเวลาเผาผลาญไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นที่เท่าไงเปรียบเทียบบาที่ต้องน่าสายสิ่ง เปรียบเทียบถึงจะเห็นภาพว่ามันเป็นเป็นอนัต์ตานไม่มีตัวตวนครับอ๋อมันพอมันถึงจุดนั้นมันจะเข้าใจด้วยจิตใจความรู้สึกของเราต้องวิเคราะห์ให้จนเราเข้าใจเจะลองอ๋อขึ้นมา อ, อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจนะคราวที่ลาอธิบายนี้ยังไม่เข้าใจเราต้องไปวิเคราะห์ถึงจะก็ต้อเห็นภาพชัดเจนในใจเราว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้บางทีต้องเปรียบเทียบต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบอืม เขฟังแรกๆก็อาจจะจำเป็นสัญญาไปก่อนแล้วก็เอาเป็นแนวทางเอาไปคิดอีกทีเอาไปวิเคราะห์อีกทีให้คิดในแนวทางนี้ครับครับครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับโอเคครับเหมือนที่ท่านตอบไปคือประวิทย์ก็มาจาก Dallas Texas เหมือนกันหายไปไหนมาที่ทีแล้วสองวัตทีแล้ว อ๋อฟังอยู่ที่บ้านครับบางชอบฟังวันอาทิตย์มากด้วยครับเพราะว่าเป็นคําถามคําตอบที่คุณลวงพ่อตอบได้เร็วมากครับยังมไม่เข้าใจว่าคุณจ้าคุณพ่อเอาจิตมาจากไหนตอบได้คําถามทุกคําถามเลยครับครับพูดโม่โมไปกันได้เพราะเรื่ว่าคนฟังก็ไม่รู้อยู่ดีพูดอะไรก็ได้ไม่หรอกครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันศึกษามาอยู่นานก็เข้าใจของมันเองทุกอย่าง มันไม่ได้อยู่ในความจํารอกมันอยู่ใน ม, มันเป็นตรรกะมากกว่าเหมือนถ้าใครถามว่าสองบวกสองเท่าไหร่ก็บอกว่ามันเป็นสี่อืมผมีมีอันหนึ่งที่ผมพยายามเข้าใจคือทําใจให้เป็นพุทธโธเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าครับรู้เรารู้ใจเราเป็นเด็ก ร, ร, บบรู้ใจเราสมบัติมันจะรู้ใจเราวุ่นวายแล้วใจเราสบบมบัเนี่ยเรารู้ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราดูใจครับ มันจะเป็นปิติหรือเปล่าครับอไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันจะบางทีมันเจออะไรเห็นอะไรป้องมันตื่นเต้นตอกใจตะหลกตื่นเนี้ยมันถ้าเราดูเราจะรู้ว่าใจเราไม่ไม่นิ่งใจเราไม่สงบนะเราก็อะหาวิธีทําให้มั น, นแนงให้สงบด้วยสติเน ด, ด้วยปัญญาก็ไดะ้ย่างไดกเลพตอนนี้ช่วงโควิดนี่ในสังคมของค น, คนต่างประเทศนี่ก็มันสงบพอๆกับวัดนะครับ ก็พยายามนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยก็ยังยั ง, ยงมันไม่เข้าใจอันหนึ่งที่ว่าเวลาผมไปออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราจะมันเหมือนกับว่าเราไปทําได้ยังไองอะไรเงี้ยแบบเพื่อนร่วมเขาบอกว่าเอ้ไปทําได้อะไรยังไงเนี่ยไอไอจิตตัวเนี้ยที่มันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยมันมาจากไหนหลวงพ่อมันไม่ได้อยู่ในร่างกายหรอกมันเป็นเหมือนตัวที่ ตัวเชิดร่างกายเราร่างกายเราเป็นมันฝุแล้วจิตนี่เป็นตัวเชิดเป็นตัวสั่งให้รา่างกายเดินยืนวิ่งนั่งอะไรทำอะไรตา่างๆเนีเป็นตัวจิตเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวี่อยู่ที่จิตว่ามีจิตมีพลังก็ไม่มีพลังถ้าจิตไม่มีพลังบางมันก็ไม่อยากจะทำอะไรร่างกายก็เลยทำอะไรไม่ได้ตามจิตไป แต่ถ้าวั น, นั้นจิตมีพลังมีสันงใมันวิ่งมันก็ว่งหากให้มันทำรายไน้มันก็ทำอันนี้อยู่ที่เราการปฏิบัติของเราใช่ไหมครับใช่อยู่ที่การฝึกจิตของเราถ้าจิตเรามีความสงบมากมีสมาธิมากมันจะมีพลังมากสามารถที่จะไปสั่งให้น่าการทำรายได้มากกว่าจิตที่ไม่มีสมาธิอันนี้ก็มีผลกับการที่เราต่อสู้กับพวก โควิดอะไรพวกนี้คําว่าการปฏิบัติของเรานี่เราทําให้ตัวเราปกป้องตัวเองหรือเปล่าครับครับคือมันปกป้องใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องของโควิดคือเราเราไม่ได้เป็นร่างกายนั้นโควิดมันเข้ามาไม่ถึงเราเราเป็นใจมันเข้ามาได้แค่ที่ร่างกายนั้นเงีงถ้าเราเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กลัวโควิด ไม่มีคำถามครับขอบคุณมากครับผมโอเคสาธุไม่ได้ฉีดเข็มที่สี่หรือยังผมคิดว่าผมจะไม่ฉีดครับเพราะว่าเพราะว่าคนที่อยู่ล็อกข้างที่เล่นกีฬากับพวกผมนี่ก็ฉีดเข็มสามแล้วก็ติดกันเป็นสิบสิบคนผมก็แล้วก็ก็สีห้าวันก็หายเป็นปกติครับส่วนใหญ่คนที่จะเป็นหนักนี่คือคนที่ไม่ได้ฉีดหรือฉีดเข็มหนึ่งเท่านั้น แล้วที่13แล้วผมว่ามีภูมิต้องกันได้ดีพอสมควรครับไม่ต้องใส่หน้ากากกันแล้วใช่ไหมเด็กนี่ก็ใส่บางแห่งที่ผมไปแบบว่าถ้าไปซื้อซื้อของทอมทอมที่มีแอร์คอนดิชันเนี่ยพวกผมจะใส่แต่ถ้าผมไปกับกลุ่มที่รูผมอยู่พักอยู่อะไรเนี่ยผมจะไม่ใส่ผมก็คุยกันนอนหมอแต่ว่าเรารู้ว่าเขาฉีดยาเรียบร้อยหมดแล้วออ okay. <Yeah>. yeah. ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวครับเพราเพียงตัวว่า ขอใหฉีดเข็มสาให้เสร็จเท่านั้นเองครับผมเพาว่าไม่จําเป็นต้องเห็นสี่เพราะว่ากลุ่มป้องกันที่มีที่ผมเห็นตอนนี้กับกลุ่มในพวกที่เล่นกีฬาด้วยกันนี่เปดกันเกือบเกือบครึ่งนึงว่าแล้วก็หายไปในสี่ห้าวันเองครับเ ป, เป็นเนไข้ธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เป็นหวัดธรรมดาเหมือนกับหวัดธรรมดาครับแค่คอแห้ง d r ร dry dry ปากเรวจะไม่มีไม่มีไม่มีมีจะบุกน้ำมูกออกมาจะมันจะดาที่คอลิ้น ขนาดเองแล้วก็มีไข้นิดหน่อยแล้วก็หายไฟในสามสี่วันครับนั่าดีแสดงว่าเรา พ, นพ้นขั้นวิกฤตเข้าไปได้แล้วตอนนี้ถ้าผมผมว่าถ้าฉีดสามฉีดเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่ควรที่จะมีฉีดสี่นนะผมก็ยังไม่ใช่หมอเก่งนะครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่จําเป็นคนะรอาจจะต้องนอนหกเดือนผมยังไม่รู้ว่าต้องฉีดอาจะอาจจะมีพวกขายยาเขาคงแนะนําต่อครับโอเคขอยห้เขาค่ า, า, าปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับผม ฉันคุณนมานัตนอมานัอยู่ที่ไหนกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ดังๆมาค่ะอยู่กรุงเทพค่ะโ้าคมาอะไรมีอะไรัหยก็พอนั่งสมาธิภาวะดีๆแล้ว่ค่ะก็รู้สึกว่าภาวะค่อนข้างจะลดพวกความฟุ้งความโกรธอะไรค่อนข้างจะ อยู่ได้แต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้หมดร0อยเอร์เซ็นะคะพระอาจารย์แต่ว่ามีตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าลดไม่ได้หยุดไม่ได้เลยคือพอไปเทียบแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดเรียกว่ามานะอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือการเปรียบเทียบบางทีไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ว่าจะคิดเปรียบเทียบคนนี้กับคนนั้นหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยมันเหมือนกับนั่งสมาธิก็ยังหยุด ตัวโกรธอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่า<ต>หยุดที่นี่ก็ลองลองเปรียบเทียบด้วยปัญญาว่าทุกคนมันก็เป็นเหมือนกันหมดมีการสาราิสองเหมือนกันเราได้ศึกษาการสาราิสองของร่างกายอั้นต่อไปเวลาเปรียบเทียบกับใครเขาบว่ามันก็มีผมขนเล็บฟันหนังแน่นเกระดูกแล้วถ้าเกิดเรามีภาวะสมาธิที่ดีอะค่ะบางทีเราเหมือนจะรู้ทันว่ากําลังจะคิดอ่ะค่ะอย่างนี้เราควรจะทํำยังไงครัคระหว่างหยุดคิด ไปเลยไม่ให้ขึ้นมาหรือว่าดูไปเรื่อยๆให้รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หยุดคิดได้ยจงดีกว่าหยุดคิดดีกว่าจะไปดูหยุดคิดแล้วใจจะเบาใจสบายกว่างั้นถ้าเราหยุดพันก็หยุดไปเลยให้ไม่ให้ขึ้นมาหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็บอกว่าไม่มีใครสูงกว่าการต่ำกว่กันทุกคนเท่ากันหมดเนี่าการซานิซสองเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายมันจะหมดให้คิดในส่วนที่มันเหมือนกันีกค่ะ ก็สอนสอนไปด้วยเลยสอนไปเรื่อยๆแบบคลิกม่เราไปมองในส่วนต่างเราเลยไม่เห็นสวยที่เหมือนกันเราไปมองว่าเขาเก่งกว่าเราเขาได้กว่าเราเขารวยกว่าเราเขาจนกว่าเราอะไรจำลอง น, นี้มันก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกน้อยเนื้อตับใจหรือหรือหรื อ, ห ร, อหรืออาจจะมีความอผูกใจอะไรอย่างนี้เรื่มันก็เป็นกิเลส ชูมองในส่วนที่เหมือนกันในปพวกเราทุกคนนมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการสามสิสองแก่แก่เทียบตาเหมือนกันอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เรามีมีความรู้สึกว่าเราอยู่เรือลำเดียวกันเพราะว่ารู้สึกว่าพอพิจารณานะจากทุกเรื่องเหมือนลากของเรียกว่าอะไรลากของความระบบคิดอะคะ่ะมันจะขึ้นมาจาก ตัวนี้เยอะอวิชา อ, ะะอาวิชามานะอ ม, มาจากความหลงอันนี้มองความจริงมองสมมุติกันใช่ค่ะแม้ในโลกจะบอกว่าเป็นความจริงแต่ว่า เ, เราก็ไม่อยากให้มัน<ด>ขึ้นใช่ค่ะเรามองความจริงที่เป็นความจริงก็คือมองว่ามันเป็นธ า, นาตาุเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะรวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมืัน มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์วันนี้โอเคนะพยายามฝึกคิดในมุมใหม่คิดไปทางปัญญาน ะ, ะแล้วมันก็จะละมานะได้ค่ะขอบคุณค่ะอคุณชลิเชิญคุณชลิตพ อ, อยู่ที่ไหนเอ่ออยู่ที่บอสตันแมสซาชูเซตส์ครับบอสตันนะครับ <มา S 2> ครับเพิ่งเข้ามาในมูมครั้งแรกผมฟังพระอาจารย์ทางออนไลน์ครับ มีคําถามอะไรไหมครับก็มีอันเนครับคือเพื่อนผมเป็นคนจีนน่ะนะครับเขาจะไหว้เจ้าทุกปีเลยเพอไหว้เจ้าเสร็จเขาจะมีเอาเอาเหล้าเนี่ยถวายให้เจ้าด้วยแล้วส่วนที่เหลือเขาก็จะมาดื่มกินกันแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาไม่นับถือศาสนาพุทธแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขานับถือศ า, าสน า, าพุทธเขาจะไม่ไเป็นเจ้าแต่ถ้าเกิดเขาต้อ นับถือสาระของชี้เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าหรืออยู่บนสวรรค์ได้มันมันมันเป็นยังไงเขาเพื่อนจังมันเป็นความคิดกันไม่เป็นความจริงการที่จะเป็นเจ้าคือเป็นเทพเนี่มันต้องเกิดจากการรักษาศีลแล้วก็จะจากการทำกรราฐานตามหลัก <c oughs> คือว่าเจ้าสองสองครับไ <c oughs> ม่ใช่อยู่ดีๆไปกินเหล้าไปว่าเจ้าแล้ ว, ลวก็กินเหล้าของกินเหล้ากับเจ้าแล้วจะไปเป็นเจ้าเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นเล่นลิเกเขาอยาก เขาบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าในศาสนาขององคจื้อเนี่ยดื่มเหล้าแล้วได้ขึ้นสวรรค์ลุกองเขาบอกนั่นนัต่างเขาเชื่อไปก็ต่างกันแทางศาสนาพุทธก็บอกมันก็มันจะไปอบายไปเป็นเปลมากกว่าครับอืมครับครับเดี๋ยวเขาหลังก็ได้อธิบายเขาฟังได้ครับเขาก็คุณอาจารย์ว่าไปเป็นทางเลี้ยงกเปลก็คือ เป็นโดเมนที่โหผิโหยเพราะไม่ได้ทำบุญนั่นเองมีแต่ไปกินของไปกินของที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่เอยไปแบกปันไปทําบุญก็เลยผิวหอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอวัฒการคุนทีนั่นทิดาคุนทีนั่นทิดาถ้าอานผิดมาขอใช้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ มีอะไรไหมอยู่ที่ไหนออยู่ที่มีนบุรีค่ะหนูเคยไปกราฟพระอาวุโสครั้งหนึง่งแล้วก็ครั้งนี้เข้ามาซูมครั้งแรกอมีคำถามหรือเปล่ามีค่ะคือหนูอ่ะคือหนูเป็นคนฟุ้งซ่านมากๆแบบคิดแบบคิดสามารถคิดปรุงแต่งได้หลายๆเรื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วคือความคิดฟุ้งซ่านของหนูเนะี้ยมันมาจากอุ ป, ปนิสัยของหนูเองหรือว่าจิตหนูที่มันไม่นิ่งเหรอคะ ก็นิสัยด้วยแ่ะต้องเปลี่ยนความคิดให้มนาคิดทางทางบทสวดบทแทนแทนที่จะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้กามันคิดอิติปิโสภักวารหังสัมมาไปอืแล้วมันจะทําให้จิตเรามีสติแล้วมันจะสงบลงได้มันจะหยุดคิดได้ต่อไป อ, อ๋อคือหนูเคยเคยอิติปิโสช่วงหนึ่งแบบวันละห้าร้อยจบแบบตั้งออตั้งเปา แบบตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าวันละห้าร้อจบแล้วบางทีอะ่ะมันมันทําให้หนูตัดตัดจากโลกแบบที่หนูอยู่โลกแบบทั้งโลกอยู่เนี่ยแบบคือบางทีก็กแต่มันก็ต้องแบบมีสังค ม, มก็ต้องทํางานนะอะไรหนูก็เลยคิดว่ากแบ่งเวลาแบบ่งเวลาเวลาที่ต้องอยู่กับสังคมก็อยู่กับสังคมไปเวลาที่ไม่ต้องอยู่กับสังคมแล้วก็ส่วนหมัแต่ส่วนนิติภัณฑ์เนื้อไปอ ไม่ไ ด, ดรับมนใชให้สวดทั้งวันทั้งคืนสวดเพื่อรล้า ง, ง, งความฟุง้งซ่านทํามันเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็สวดล้างน้ำมนไปอืมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะกลับมาแ ต, แต่ว่านั่งสมาธินี่ยังไม่ต้องใช่ไหมก็ให้มันให้มันหายฟุ้งซ่านก่อนเพื่อนั่งสมาธิได้อืคือทําสมมติมันหายฟุ้งแล้วก็นั่งดูลองหายใจต่อได้ หนูไม่ค่อยเข้าใจการนั่งดูลมหายใจก็ให้อยู่คาที่ให้กจิตมันนิ่งแต่ที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าดูลมแล้วจิตมันจะนิ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นจะหยุดคิดร้อยเปอร์เซ็นต์คือเหมือนหลับตาแล้วก็ดูว่าลมเข้าอย่างไรดูที่ปลายจมูกดูที่ปลายจมูกดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกเท่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรดูเฉยๆมันดูหนังเยมันดูที่จอทีนี้แล้วก็ดูไปเฉย S <S <S ไม่นําไปคิดเรื่องราวเลยนะคับได้ค่ะเราทำ<ม>ํำอยู่องสวยอ e ิติปิโสไป <S <S <ค>พอหายุ้แล้วก็นั่งหลับตาดูหลมต่อแล้วม็ย่านั่งสมาธิได้ถ้าหนูเคยสวยอิติปิโสมาห้าร้อยเจ็ดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรช่วงนั้นช่วงนั้นแบบตั้งสัจจะไว้ว่าจะจะจ ะ, จ, ะจะจะจะต้องทําให้ได้ก็เลยช่วงนี้ก็ต้อ ง, งตั้ ง, งใหม่ช่วงนี้ก็ต้องตั้งแต่เอาเฉพาะเวลาที่มันฟุกมาแล้วค่ะ น, นูกำลังคิดว่าถ้าหนูตั้งสัจจะแบบใหม่รอบเนี้ยมันจะเหมือนแบบการหักดิบตัวเองไหมถ้าหนูเป็นคนแบบชอบคิดอะไรอย่างเงก็ลองดูเสร็จมันเดือดก็ไม่เสียหายทางไหนหาเดือดนั้เรื่องที่ดีทำไปเลยทำได้ทำไปเล ย, ไ ด, ไ, เลยได้ค่ะอาจารย์การสวด น, นี่ไม่มีไม่มีผลเสียหายต่อร่างกายและจิตใจสำบรับนะสวดไปเลยลองทำํำดูตั้งแต่วัดนี้เลยก็ได้ก่อนนอนเนี่ยสักงร้อยจบไปกนะ คิดว่าไม่ยากคิดว่าทำได้โอเคลองเลยนะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปเวลาเกิดมีากาวพุ่งท่าเราสวดไปไม่กี่จบมันก็หยุดแล้วก็าหาฟุ้งอนะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณลูกที่ว่าต่อลุกที่ว่าตายไปไหนมาหรือเปล่ปาแต่เมื่อวานจะาพาอาจารย์แอบฟังข้างนอกซะควันนี้ลูกไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะ อย่าันคนที่พูดที่พองต่อคนพูดที่พองใช่ธีไหนระยองนะครับครับพระอาจารย์ครับอ่าที่ระยองนะครัครับผมพระอาจารย์มีคําถามไหมอ่าคือผมทํางานแล้วผมคิดอักบุญกับเพื่อนแล้วทีนี้ผมเกิดทุกข์พอแต่ทุกเวทนาทุกทุกทางใจแล้วทีนี้ผมนึก หรือผมคิดว่าไม่ไม่ใช่ตัวเรามันก็จางไปหายไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมันก็ดับไปอีกอยู่อย่างนี้นครับพ่ออาจารย์ก็ควบคุมมันด้วยพุทโธพยายามอย่าปล่อยให้มันพอมันคิดปั๊บแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างเงี้ยครับทุกครา้งที่มันคิดไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธอันไปเงยครับผมเราไปก็จะไม่คิดเลยครับพอพอแต่มันทุบ ป, ปั๊บผมผมบางทีผมก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธมันก็หยุดไปนิดนึงแต่มันก็ขึ้นมาอีก ต้มันขึ้นมาเราต้อพุทธยครับแล้วก็ก็หายไปทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จไม่พอมันจะขึ้นมาปุ๊บล้วพุทธโถปั๊มเลยมันก็หยุดเลยครับใช่ครับต้องขยัพุทธโถหน่อยต้อับผมเงินนที่จะไหลต้องคอยเหยียบเบงพอมันจะไหลก็เหยียบเบงพอปล่อยแบพอมันหยุดแล้วเราปล่อยแบพอมันจะไหลอีกแล้วก็เหยียบบงไปโอ้ครับยปล่า มันต้องขยันหน่อยอยากขี้เกียจเนต่อแต่พอมันหยุดแล้วมันมันไม่คิดแล้วเราก็ไม่น่าพูดทอดนะครับอาจาครับโอเคนะครับที่ขออนุญาตครับพระอาจารย์ที่ผมคิดว่าอ่าเวทนาตรงไอ้ตัวทุกเนี่ยผมคิดผมคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็จังๆไปนี่มันมันคืออะไรพระอาจารย์คือสัมปทาหรือวิปัสนาครับถ้าเรารูปคือมันก็เป็น ถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นปัญญาครับมันมันจางออกไปเลยครับอาจารย์ว่าเราปล่อยเราคลายเราเราคลายความอยากให้มันใช่ครับอาจารย์แบบจางหายไปเลยเบาเป็นแด็บก็มาอีกคิดอีกแล้วบางทีก็พูดโทไว้พูดโทรมาแล้วก็บอกไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนเหมือนเหมือนฝนตกแดดออกคิดว่ามันหมือนมันดินฟ้ากัดครับผมแล้วก็หายไปเลยอ่าแค่นั้นแหะสบักงั้นนี่ว่าการเห็นด้วยปัญญานะเราไม่ใช่ตัวเรา ขอบคุณครับผู้อำนวยการขอบคุณมากไม่ไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเราไม่ต้องการมันไม่หายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกังวลอยากก็อยัดให้มันหายก็แล้วกันจะอยู<ข>่ไปก็ไปมันอยู่ไปอาจารย์ครับผมเคยครั้งนึงว่าผมอยากให้มันหายแต่มันมันผลมันบังคับไม่ได้เลยครับทําอะไรก็มผมก็เลยเอาเป็นอะไรเป็นกันมันไม่ใช่ตัวเรามันมันมันหายไปหายพอถือว่าไม่ใช่ตัวเราปุ๊บเนี่ยมันหายไปเลยผมก็แปลก อย่ามันบังคับมมมไม่แน่เลยครับอาจารย์ค่ะดีครัอย่าไปบังคับมันก็ล้อกันนะครับผมอาจารย์ครับอยู่ระมาณโขอตัวออาคุณจีบต่อจีบจาก U.S.A. นอร์เวย์แล้วเหมือนกันค่ะนมัสกาครพระอาจารย์ได้ยินมคะยนชัดเจนโอเคค่ะโยมไม่แน่จะโยมสังหัใส่ฟังข้างเดียวค่ะวันนี้โยมก็จะ คือช่วงหลังนิยมรู้สึกว่าพอยมเริ่มปล่อยวางยมจะสงบมากขึ้นแล้วก็วันก่อนนั่งสมาธิรู้สึกว่ามันนั่งได้ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์มาตื่นมาวันน่งขึ้นความจำํำยมดีดีมากเลยแบบจําตัวเลขปุ๊บป๊ไม่ผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยยมรู้สึกว่าออสมาธิมันช่วยได้ใช่ไหมคะย์ใช่สติก็มีสติทําให้ใจเราค่ ะ, ะก็เลยว่าเออจะกินได้อย่างถูกต้องใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยคือตอนนี้คือโยมจะ พยายามดูลมหายใจพอดูลมหายใจเหมือนกับเราท่องพุโทโธบ่อยๆตลอดเวลาคําว่าพุโทโธก็จะผุดผุดขึ้นมาควบคู่กับลมหายใจโยมก็เลยไม่แน่ใจนะาจะแยกยังไงหรือจะรวมกันไปเลยหรือจะหรือว่านั่งมองมันเฉยๆหรื อ, อยังชอบ น, นั่งสมาธิแค่ดูลม่เดียวดูลมใช่ไหมคะพุโทโธก็ตัดตัด ต, ด ต, ดตดออกไป ใ่เอา เ, เอาอย่างเดียวถ้าดูลมได้อย่างเดียวว่าดูลมอย่างเดียวว่าพอไม่ต้องาป เหมือนกับเราคุ้นชินกับการที่เอาพุทเข้าลมออกลมออกโทัอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าบางทีมันจะแน่นๆที่หน้าอกยมก็เลยพอลองแค่ดูลมหายใจวัดครั้งที่แล้วอะค่ะ mm hmm. ยมรู้สึกว่ามันเบาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ <Okay. S 1> พระอาจารย์ยมจะพยายามให้มากขึ้นค่ะ okay. mm hmm. ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์อ่ออีกคำถามหงได้ไหมคะพระอาจารย์คะเวลานรกกับสวรรค์ของแต่ละศาสนาเนี่ยเขาจะเป็นรวมอยู่ที่เดียวกันไหยคะ อยู่ในใจเรานี่ไงนรกอยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจอยู่ที่บุญหรือบาปพอเระะทาทํำบาปใจก็เป็นนรกขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาพอเราทําะะทบุญใจก็สุขขึ้นม า, าก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาค่ะแต่ทีนี้ลูกลูกโยมก็ถามว่าแม่เร า, าศาสนาพฤฤฤิทเข้าไปสวรรค์ที่เดียวกันกับเราไหมกับาศาสนาพุทธไหมมีแบบเหมือนกับาศาสนาพุทธแล้วก็จะมีท่าเวสวรรค์พญายมอะไรอย่างนี้ใช่ไหยคะ พยมก็เลยเอมอนก็เกมอยก็มีชื่อของเขาเองเป็นสมมุติทั้งนั้นมันก็คือสิ่งสมมุติที่ที่แต่ละศาสนาสมมุติขึ้นมาแต่ในรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจไปตามบุญตามบาปใช่ที่อยู่ที่สวรรค์ก็เรียกว่าเทวดาตั้งชื่อต่างๆไปค่ะออนิยมเข้าใจละคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กับนมัสการขอบคุณสาธุนะคะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะมุทนาสาธุค่ะกมณฑนร่องอาายมทนาอยู่ที่ไหนเปิดไมก่อนจ้เปิดไม้ก่อนกับน้ำมัสการค่ okay. อะออาจารย์พอดีมีคาถามนี้อยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพโอเคค่ะ ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือพยายามจเจริญสติอยู่ค่ะอยู่เรื่อยๆจะใช้แกบระหว่างชีวิตประจํำวนันเช่นลงลิฟต์หรือไม่ก็เดินไปกินข้าวกินข้าวอาบน้ําแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามพอพอเรารู้สึกว่าเราหลุดไปเราก็พยายามกลับมาหลุดไปเราก็เราก็พยายามกลับมาอีกนะคะทีนี้เราก็มีทําในรูปแบบด้วยก็คือสวดมนต์สมาธิปกติแต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆนะ มีอยู่รอบหนึ่งเพิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนมาค่ะตอนที่เราอยู่กับเพื่อนเราก็พยายามเออระลึกสติตลอดเวลานะคะเท่าที่เท่าที่จะทําได้โดยให้ให้มันเหมาะสมกับกับสถานการณ์อะไรตอนนั้นนะคะก็พยายามปรับใจให้มันให้มันบาลานซ์กับสถานการณ์ตอนนั้นนะคะทีนี้พอกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็นอนปกติอะคะ่ะเวลาถ้าเรานั่งแล้วไม่รวมเนี่ยค่ะมันจะหมุน ก, ก่อนแล้วก็รวมแต่ แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะนานๆเกิดทีอะค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนเรานอนลงไปปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเราหลับอยู่แต่ว่าตรงกลางตัวค่ะมันหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาแบบแรงมากเราก็เลยมีใจดนนึงแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยนึกถึงหลงตาบัวทีนี้มันก็ไม่หายค่ะเราก็เลยนึกใหม่พอมันก็มันก็หมุนมันไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มันรู้ตัวมันหลับไปเองอ่ะอันนี้มันมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอได้อยู่ตลอดก็ะล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราแสดงว่าสติลราหมดกำลังเราก็หลับไปอืมมันมันการต่อสู้ระหว่างสติกับทีเรนของเราอ๋อแม้ว่าเราจะหลับอยู่ใช่ไหมคะถ้าหลับก็แสดงว่าสตินล้นก็หมดไปอ๋อเพราะว่าเพราะว่าที่เรารู้สึกว่ามันหมุนนะคะ ณตอนนั้นนะ่ะคือเราหลัเรานอนไปแล้วหลับไปแล้วหลับไปแล้ ว, ลล ว, ลวค่ะ<ร>แต่ว่าเป็นการฝันไปการฝันไปอ๋อเรารู้สึกตัวว่ามันเหมือนมันหมดนะคอะอก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปตามเดิมของมันเวลานอนหลับฝันจะมันจะันดีฝันหน้ามันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เราทะข้อสำคัญเวลาตื่นเราต้องมีสติคอยควบคุมใจไว้ วาตอนเราตื่นนี่เราสามารถขูมใจได้แต่เวลาเราหลับเนี่เราไปนค่มมันไม่ได้ใช่อพยายามฝึกติเรื่อยๆอย่าให้มันฟุ้งอย่าให้มันวุ่นวายให้มันสงบให้มันเย็นก็คือบางอย่างมันรู้อยู่แต่ว่าท<ม>ุกอารมณ์ที่เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เข้าไปบังคับมันแต่ว่าเราใช้ความรูต้ตัวตื่นเข้ามาแล้วเราก็บางทีก็ดูมันไปเรื่อยๆเวลาที่มันโกรธเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้ว เราก็พยายามกว้างกับมาโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปแทรกแงแต่เราเฉยๆอ่ะค่ะก็เราอย่าไปเราอยาไปทำอะไรตามมันก็แล้วกันเวลาจบก็อย่าไปดูแลอย่าไปทำอะไรก็แล้วให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ามันไม่ดีนะเราอย่าไปทําตามมันให้มันหยุดดีกว่าหยุดดีก็อาจจะไปหาเหตุว่าแต่อะไรทําให้โกรธโกรธก็คือไม่ได้ดังใจอ่ะ ต่อไปก็อยากปอยากก็แล้วกันเพราะไม่อยากมันก็จะไม่โกงค่ะอ า, าจารย์งั้นแสดงว่าที่ทําทําอยู่ตอนนี้ก็คือทําเก็บเก็บไว้ไปก่อนสะสมไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกแล้วใช่มพี่เท่งถูกแล้วแต่ต้องเพิ่มใช้ปัญญาบรราเรานดูดูดูอาลองเล่ดูว่ามันไม่เที่ยงมันมันดับเนือหาสาเหตุเหตุที่มันเกิดนี่นเกิดจากอะไรถ้ารู้สาเหตุแล้วก็ไปรลงาบเห่งสาเหตุนั้นเสีย เก็คือเกิดจากความนักชังตัวหลงเนี่ยทำให้เกิดในอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอ๋อก็คือเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราจะถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรพอเราแค่ถามตัวเองมันก็มันก็เหมือนนับเลยแล้ว ร, รู้ว่าเป็นนะ อ, อะไรยังขนาดนั้นาหมายคือการดูกลมื่อใ้ใจมันสงบนะรับจากทุกสิ่งทุกย อย่าไม่อยดูแล้วปล่อยมันวุ่นวายเกิดเกิดเกิดเกิดดำดำไปทั้งวันทั้งคืนนั่นยังไม่ใช่ดูลมที่ถูกให้ดูดูใจที่ถูกดูใจเมื่อใจมันสงบมันว่างมันเย็นมันสบายอาจานเลยค่ะก็ก็คือถ้ามันไม่ว่าง ไ, ไม่เย็นเราก็ใช้พุโทโธพุทโธหยุดมันก็ได้ อย่ดูเฉยๆดูแล้วต้องทําให้มันสมบูเพราเวลามันดูเฉยๆอะค่ะมันก็เหมือนพอสติเหมือนดูเฉยๆพอเรารู้ว่าสติเราเริ่มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์โกรธมันไม่สามารถละไปได้เลยนะขนาดนั้นนะเพราะมันมีสติแล้วเราก็เลยดูอยู่เฉยๆโดยที่เหมือนพอเราไปสั่งตัวเองว่าอย่าโกรธนะมันก็ทําไม่ได้ก็เลยปล่อยมันแต่ว่ารู้รู้ว่าเออโกรธแล้วก็เอา เอาสติมาดูค่ะแล้ยังไงมันก็ทนอยู่กับมันไปทนให้มันโกรธไปมันมันก็จะมันก็จะเป็นอยู่พักนึงแต่ว่าพอบางทีเนี่ยพอสติมันรู้มาจับเลยอ่ะค่ะกลายเป็นว่ามันมันมันคลายลงไปเรื่ขึ้นอะหยุดด้วยสตินี่มะอย่าปล่อยมันเพราะรู้ว่ามันโกรธ้วมันเหมือนไฟเขาใจเราอย่าปล่อยให้มันเผาเผาดื้มันนี่ก่า ค่ะก็คือก็คือรู้ต uh, so awesome. like, ัวแต่ว่าด้วยสติเนี่ยดึงกลับมาเนียค่ะดึงกลับมาไม่ไม่ได้ดึงแรงแบบตีวประมาณประมาณนั้นนะก็คือถ้ามีสติมันก็รับควากดได้ก็คือยังต้องเข้มข้นกว่านี้ด้วยใช่ไหมต้องพยายามให้ใจมันสงบไม่ว่าในอารมณ์อะไเกิดขึ้นมาปั๊บก็คนรจนคนรควรจะระงับมันให้ได้ ด้วยสติแล้วด้วยปัญญาอย่างไดอย่างหนึ่ง<ะ>นะอย่าปล่อยให้มันโกรธไปทั้งวันดูมันว่ารู้ว่ามันโกรธทุกวันมันโกรธ ไ, ไปทั้งวันเหนื่อยมกมากทุกไปมากมากรู้ว่าโกรธแล้ว่ามันเหมือนไฟแล้วเราธรรมะมาดับมันดับด้ยวยความเมตตาก็ได้ถ้าเราโกรธใครก็ให้ให้อภัยเข้าไปแล้วระงับความโกได้ ค่จะจารยลองทำดูนะามีอะไรมาเล่าให้ทำต่อได้คุณเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะคุณเข้ามาครั้งแรกอยากอยู่ที่กรทมอะไรใช่ค่ะอยู่ที่กรทมอโอเคมีอะไรก็ลองมาเล่าสูา่กันทำต่อนะได้โอเคไปที่บุณอภิสิทธิ์ต่อบุณอภิสิทธิ์จะอยู่ที่ไหนกลับน้อมส ก, การพระอาจารย์ครั อ่ามีที่ไหสกลนครครับพอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้มีครับพระอาจารย์วันนี้มีเข้ามาถามอาจารย์เรื่องไอตัวอ่าสมาธิภาวนาที่เราทําลงไปในขณะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเนี่ยอ่อเห็นจิตมันจิตมันยังไม่แนบคําบริกรรมพุโทโธจิตมันยังไม่แนบลงกับคําบริกรรมพุโทโธมันเป็นจิตที่ยังอยู่ข้างนอกอยู่ทีนี้พอเรามันอยู่ระหว่างการ สะสมกําลังของจิตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นการสะสมพลังอยู่มันอยู่ระหว่างการดึงดึงระหว่างความคิดให้มาแนบกับคําบริกรรมพุทโธกับมันจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะอยู่ระหว่างการดึงตรงนี้อยู่ตรงนี้แสดงว่ากําลังจิตของเรามันเริ่มมันยังมีสติเรากําลังมันยังไม่มากพอที่จะดึงให้มันเข้ามาอยู่กับจิตได้มันยังอยากจะหนีไปที่ตรงนั้นแม่งดี ใช่ครับมันมันยังอยากยังอยากไปเสีอารมณ์ข้างนอกอยู่ก็น่าพยายามฝึกสติบ่อยๆถ้าตัวนี้มานเลียพยายามสึกทั้งวันเลยตรงนี้พระอาจารย์ลงไว้ในเฟซนี่เห็นเห็นพระอาจารย์พูดแล้วผมเ อ, อรู้สึกถึงความเมตตาของพระอาจารย์มากเลยตรงเนี้แต่ก็มีคนไปคอมเมนต์ไว้อยู่หน่อยนึงแต่มันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เลยว่าเออครูบาอาจารย์นี่มีความเมตตาต่อลูกศิษย์เนี่ยมาก ก็เป็นตามนดีติในโลกก็มีสรรเสริญนินทาอย่าเป็นอยเป็นตื่นเต้นตอบใจดีใจเสียใจกับการสรรเสริญนินทาปล่อยไว้เหมือนถือว่าเป็นหมือนฝนตกแต่ออกไปก็แล้วกันครับลบรบควรพิจารณาแค่นี้ครับวันนี้ครับโอเคสาธุนะคุณจอยจอยยังอยู่พัทยาอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะอขายดีขายของดีไหม ขายขายดีแล้วก็มันมันบุญนพอตอนเช้าก็ขายข้านมปังด้วยเอเลยไม่ได้เป็นไสบ่าวเลยไมน เ, เป็นไรอะ่ะตอนที้หากินตอนหากินตอนใจก็คิดว่าใจก็คิดว่าก็อยากทําทบุญด้วย ห, หาหาเงินก็ได้ให้กินแต่ทําบุญมันได้ติดตัวไปก็เอาสักวันในอาทิตละวันก็ได้ค่ะก็จะพยายามว่าเดี๋ยวอาทิตย์จะไปให้ได้ค่ะทำบุญดีค่ะมีไม่มีอะไรใช่ไหม ก็มีแต่ก็พยายามเอาสติแก้ไขเอาปัญญาแก้ไขอ่ะเออถูกต้องวิธีแก้ไขปัญหาต้องแก้ที่ใจเราอย่าไปแก้ที่ผลิตใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนโกรธก็ตัวเราเขาไม่เห็นโกรธแต่ทําไมเราต้องโกรธอยู่คนเดียวก็พยายามมาปัญญาคิดค่ะบ้าเองเขาไม่ได้บ้าเราใช่ใช่หนูคิดอย่างงั้นเลยหนูคิดว่าแล้วทําไมเราต้องเป็นแล้วทําไมเขาไม่เห็นเป็นแล้วเราเป็นทําไมอะไรเราอยากเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใช่ค่ะมันเป็นเป็นนเพราะตัวเราแท้ๆก็เลยพยายามไม่ค่ะใช้ปัญญาสู้กันบฏิบัติถูกทางแก้ที่ตัวอย่าไปแก้ที่คนอื่นนะค่ะสาธุค่ะโอคุณพัฒธลพรบัวสุกจากสเปนอิตาสเปนกับเบลไปง่ายๆกลับจากงเรียนพอดีเหลยกำลังเดินทาง กาวำมาสาการสักค่ะหลวงพอ่อยังอยู่ที่โรงเรียนโจ้าค่ะเป็นยังไง ป, น, ป น, นี่ปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยไฮสคูลเนี่ครับกำลังเข้ามหาลัยครับได้ได้ไไออฟเฟอร์จากมหาลัยมาบ้างจากที่ไหนบ้างจากที่ลอนดอนครับนดอนเนอะ c h o o l of คูลอเม่ไดันอเมรกาโอ้ไม่ได้ไป ไ, ไ ด, ได้ได้ไปเอ่อเบิร์ดแบ็กเป็น University of London อดเหมือนกัน อ, อยู่ในเครือ ดังใจเรียนนคนที่มีโอกาสนี้น้อยาหายากนะมีโอกาสนีน้ล้อย่าอย่าทให้มันหุดเไปนะทาเีให้เกิดประโยชน์ให้เดให้สาเร็จต่อตูสตูครับครับก็ยังดูออฟเฟอร์อีกครับมีหลายสองม ห, หลัยที่ยื่นเข้ามาสำหรับไปที่โคลมเบียมาให้ไปช่อิเรีเยเหรอไม่ครับเพราะไม่ได้เด็กวกไซเอนส์เราไม่ชอบไซเนเียวลงบิสเนสครับบิสเนสก็ต้อง ลองเรียนสกู๊ปแอนโทนอมิกส์เนี่ยสมัครไป ห, หรอือเปล่ติดรอดูเกจเรายัางไม่รู้รอดูเกจกันม่อะไรมีอะไรไหมแม่แข้าหลวงพอ่อข้ามีเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าขาอ่าพิจารณาอาหารเจ้าค่ะก็ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคขาอย่างเมื่อวานวันพระแล้วก็ ตอนนี้ลูกจะมีวันพักสองวั น, นวันพักกับวันพุธก็คือวันพักแล้วก็ก็อาหารแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ก็คือโอเคทําได้แล้วก็พิจารณาอย่างเมื่อเช้าเนี้เจ้าค่ะคือมันแบบปิติเรารู้สึกแบบคือพรเมื่อวานที่ที่ครั้งที่แล้วที่คุยกับพักที่คุยกับหลวงพ่อแล้วบอกว่าเที่ยงก็เที่ยงเราลูกก็หยุดก็ไม่ทานใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วพอ แล้วก็ปฏิบัตกิก็่คืนก็ปฏิบัติแล้วพอตอนเช้ามาก็รู้สึกแบบเอเหมือนเราจะหิวเราหลวงพ่อประคันดื่มน้ำส้มได้ตื่นเช้ามาเอ้ยตีห้ามันยังไม่สว่างเลยลจะดื่มทำไมเนี่ยก็มันมันมั น, ม, นมันเหมือนปัญญามันขึ้นมาบอกว่าอยู you ่จะกินทำไมเนี่ยมันยังไม่สว่างเลยนะมันไม่เห็นตายเลยแล้วทำไมหลวงพ่อฉันมื้อเดียวอะ่ะ ยังอยู่ได้จงเจง้าค่ะแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็น้ําตาไหลเจ้าค่ะรู้ถึงว่าทําไมหลวงพ่อท่านไม่เห็นจะตายเนี่ยมั น, ม, นมันไม่ทานแค่มื้อมันจะตายไหมก็ก็ไม่ทานเจ้าข่ะจนมาทานตอนตอนสายตอนตอนตอนน่าจะแปดโมงแล้วมาทานน้าส้มแล้วก็แล้วก็ก็ปฏิบัติยาวมาจนถึงสิบเอ็ดโมงเจง้าค่ะสิบเอ็ดโมงเอ็ดโมงแล้วก็ เดี๋ยวเกินเที่ยงแล้วจะทานไม่ได้ก็เลยก็เลยสิบเอ็ดโงคึ่งแล้วก็รีบรบรีบทานเจ้าค่ะหลวพ่อก็ก็รู้สึกว่าผ่านมาแล้วอย่างหนึ่งนี่มีเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ลูกก็จะจัดเมนูที่บ้านที่เป็นแบบว่าที่ลูกไม่ทานเพื <c oughs> <c oughs> อ่อเพื่อที่เพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่ไม่ทานอะไม่ไม่ทานด้วยความโลภ เพราะว่าลูกก็คือก็พอปกติที่บ้านคือดินเนอร์มันเหมือนเป็นเวลาของครอบครัว ก, ก็จะไม่ให้แบบบัวไม่ช้ำน้ําให้ขุ่นนะจ๊ะค่ะก็แล้วตอนนี้เราก็ขอเขาว่าวันพานามีสองวันนะแล้วพอเมื่อวานลูกก็พยายามจัดเมนูที่ลูกไม่ทานเนี้ยอย่างละเมื่อวานก็จัดแหลมไปอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะได้แบบสบายใจว่าเออเนี่ยจะดเไม่ทานอันนี้เป็นอุบายที่เผื่เพื่อนๆ เ, เ, เอาไปใช้นชะจ๊ะค่ะ ก็ค่ะก็ก็ก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็พิจารณาเจ้าข่าววันนี้ก็พิจารณาว่าอาหารเนี่ยที่เราทานเนี่ยพอทานไปแล้วมันก็กลายไปเป็นดินไปเป็นธาตุหลวงพ่อเจ้าค่ะมันขึ้นมามันขึ้นมาพอพอหยิบพอหยิบพอหยิบแล้วแบบมันพิจารณาเจ้าค่ะเพราะว่าพอจะชงพอจะชงพอจะจงชาเช่นไม่ใช่ค่ะเจ้าไม่ อ่าตอนตอนบ่ายโมงะเจ้าค่ะรู้สึกลืมตัวเอ๊ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาตอนบ่ายสองอนะก็ไปชงชาแล้วก็พอจะจับนมจะลิ้นเอ๊ะนมมันไม่ใช่ปานะก็เลยก็เลยหยุดแล้วก็ไม่ดื่มอะไรไม่ดื่มมันแล้วก็ไปดื่มน้ําขิงแทนแล้วก็หลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าไม่ทราบว่าโกโก้โกโ ก, โก้ลูกดื่มได้ใช่ไหมเจ้าค่ะโกโก้ถ้าไม่มีอย่างผสมถ้าอย่างอมันเโดนี่ไม่ได้อโวคาโนมันมีไข่มี มอะไรผสมด้วยต้องโกโก้เพียวๆได้ไม่ไม่ไม่ผสมนมก็คือใส่น้าร้อนมาใส่น้ำร้อนแล้วใส่น้ําตาลได้โกโ้กับน้ำตาลได้แ้วไม่มีนมไม่ให้ไม่ให้ใส่นมเข้าไปแ้วค่ะแล้วก็เมื่อเมื่อวานก็พอตอนเย็นก็เอาอ๋อโกโก้ไม่ใช่ไม่เย็นอ่ะชาสักสี่โมงเย็นก็แบบน้ำร้อนนกินได้ตลอดเวลา เวลาไหนก็ได้แต่กินให้มันน้อยๆดีกว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวง พ, พ่อกินเพื่อดับความกระหายความโหยของร่างกายถ้ามันไม่โหยก็อย่าไปกินมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพอ่อลูกก็พอหยิบมาแล้วมันก็แบบพอไปหยิบมาจะดื่มทําไมเนี่ยหลวงพออ่อบอกให้ดื่มน้ําเปล่าก<ๆ>็ก็ไม่กินดื่มน้ําเปล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะดื่มน้ำเตล่าลด้ก็ดีเจ้าค่ะ ชงข่าวแล้วพอพอรู้สึกโหยโยแบบรู้สึกแบบเออมึนมหวัวนิดนึงก็เ อ, อ๊ะโกโก้หน่อยค่ะเจ้าค่ะก็รู้สึกคือมันรู้สึกลายกายมใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมันก็มันรู้สึกจิตกับกายมันไใ้นี่มันมันมันทะเลาะ ก, กันแล้วมันมาเช้าที่ห้ารู้สึกแบบร้องไห้ตัดตัวเองแล้วยืนเดิ น, เ ด, นเดินจงกรมมาชะก็คือปกติ ลูกจะทําได้หรือไปไหนแบบเพื่อนๆก็จะบอกเว่าจะต้องเรียกแบบว่าไปทานข้าวไม่ว่าจะปฏิบัติที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทานนะคะจะทานแบบมื้อเดียวมื้อเช้าอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยทาไมเราไม่ทานเราก็จะไปไม่เป็นไรไปทานเลยลูกจะไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็พอเอ๊ะแล้วเราก็ลูกก็มาพิจารณาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทําไมถึงทําไมเราเราเราเหมือนทําไม่ได้เราไม่ผ่านตัวอื่นแบบ ที่มันยากแล้วมันจัดผ่านหมดแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างผ่านหมดแล้วทําไมกลายกับมาติดเรื่องอาหารเกิดเพราอะไรลูกก็มาพิจารณาโอเคเพราะว่าลูกต้องคือยังมีครอบครัวใช่ไหมเจ้าค่ะก็มาพิจารณาว่าอ๋อเพราะว่าเราต้องต้องดูแลแล้วเราต้องอยู่กับเขานอกจากเราไปปีกวิเวกเราทําได้แล้วก็ก็พิจารณาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้บางทีเรานยังทําไม่ได้ก็อย่าไปวุ่นวาย่นั้นก็ อย่รับสภาพไปก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ก็ก็ได้สองวันเจ้าค่ะตอนนี้ก็คือก็คือได้สองวันก็ถือว่าก็ถือว่าผ่านแล้วก็รู้สึกแบบก็บอกเขาเสียงดังว่าเจ้าค่ะแล้ววันนี้ติดกันสองวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ลูกก็ก็ก็ก็รู้สึกตัวเองดีแล้วก็ผ่านพอไปจับแล้วก็พิจารณาพอจะยิบอะไรแล้วก็ ก็พิจารณาเอ้ยแตมันไม่ใช่นะเราหลวงพ่อบอกให้ดื่มน้ําเปล่าเจ้าค่ะการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอประคุณเจ้าค่ะถ้าเรายังทําไม่ได้ก็แสดงว่าจิตเรายังไม่เข้มแข็งพอตัณฑยังมีกําลังน้อยลอแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็ทําได้ต่อไปก็กินหนึเดียวได้วันหนึ่ ง, ง, ง ก, กินครั้งเดียวก็พอนอกจากนั้นก็เอาเป็นอาหารเป็นน้ำดื่มน้าเปล่าไปเรื่อย เจ้าค่ะหลวงพ่อกับขอบคุณเจ้าค่ะก็สองวันเนี่ยก็คืออย่างวันพักของลูกก็คือที่วันพักของประเทศไทยแล้วก็วันไผ่วันก็คือวันพุธเนี่ยค่ะที่ลูกจะบอกสามีว่าบุดาเดนะไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมทานอาหารเขาก็เข้าใจแล้วก็ลูกก็ทําได้เพราะว่าตอนเช้าลูกก็เหมือนเหมือนเหมือนทานมื้อเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าลูกจะปฏิบัติยาวคือของเวลาเมือไทยแปดโมงที่หลวงพ่อไหลสด บ่ายสองใช่ไหมคะบ้านลูกบัดตอกแปดโมงเช้าเพราะว่ารีโอเขาก็ทาแล้วว่าไปโรงเรียนแล้วสามีเาก็นั่งทานออฟฟิศที่บ้านออฟฟิศข้างล่างก็คือลูกก็อยู่ห้องปฏิบัติตั้งแต่ปีห้าของลูกก็คือลูกก็จะปัตยาวจนถึงปร ะ, ประมาณสิบเอ็ดมงสบเอ็โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพอวันนั้นที่เลยเวลาที่ปอกของพ่อเมื่ออาทิตย์ไปแล้วอ่ะอุย ลูกมาดูนาฬิกาอุ้ยแมงแล้วลูกทานอาหารแล้วที่ลงพอบอกไม่ได้ได้แค่เที่ยงเราก็เลยพอเมื่อวานเอเมงครึแล้วก็เลยตีตัวเองขึ้นมารีบรทานก็เหมือนทานมื้อเดียวเจ้ค่ะวันนี้ก็เหมือนกันจ้ค่ะวันนี้ก็ปฏิบัติยาวถึงเอมงึเหมือนกันตัวรีรีบทไปเรื่อยๆนะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคคุณธนัญชัต่อธนัญชั ครับ น, นมั ส, ส ก, การครับหลวงพอ่ออยู่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมาเข้ามาครั้งแรกครับพอดีอก็ผ่าน f a c e b ุ๊ k มาดูบ้างแล้ววันนี้ก็เล่นเ c e b o o k ปุ๊บของเห็นเด้งขึ้นมาของไลฟ์สดของหลวงพ่อนะครับก็เลยเลยแบบอยากจะมาร่วมฟังดูแล้วก็เล่าพื้นฐานให้หลวงพ่อฟังนิดนึงนะครับก็ไปสั้นๆ<บ>กันแล้วกันเพเวลาจะหมดนะ ได้ครับครับก็สรุปก็คือเคยไปฝึกแนวแบบธรรมกายหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับไอ้มโนกิตินะฮะแล้วก็มีพุทธโธตั้งแต่เด็กๆคนนี้เนี่ยผมเองก็พูดง่ายว่าไอในแนวทางทั้งหมดเนี่ยก็ฝึกได้หมดแล้วตอนหลังเนี่ยก็พบไปไปเจอหลวงพ่อประโมทปะโมดโชว์นะครับก็อย่ามาสอนในเรื่องของคือไปฟังท่านปุ๊บแล้วก็ พอเข้าใจเรื่องจิตกับกายแยกจากกันแล้วจะมีคำพูดของตามหาบัวที่ว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยกับอัตมาว่าเป็นนักปฏิบัติไ อ, อตรงเนี้ยครับคือตอนนี้ผมพยายามจะฝึกในเชิงการแยกธาตุแยกขันก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำด้วยครับว่าแนวทางเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นเบสิกให้ผมไปศึกษาต่อครับหรือผมพยายามจะ ละอย่างอื่นหมดอะไรเงี้ยเพื่อจะอามาแนวทางนี้ครับหลวงพ่อนะครับก็ต้องแยกด้วยสมาธิก่อนดนังต้นกา ร, รถ้าเราแยกด้วยความคิดมันเป็นความเป็นสัญญามันไม่เป็นความจริงเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการแยกใจออกจากร่างกายด้วยการฝึกนั่งสมาธิครับพอใจสงบแล้วใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันครับแล้วขั้นต่อไปพอเราได้สมาธิแล้ว พอใจกลับเข้ามารวมกับสมาธิแล้วมารวมกับหร่างกายแล้วก็สอนใจว่าน่างกายไม่เช่นตัวเราน่างกายเป็นอาการ32ทำมาจากยิ่งน้าำลมไฟที่ต้องการแก่เจ็บตายนี้เป็นการแยกทางแยกขันธ์กับสาใจเป็นทูรู้ก<ๆ>็เพ่งแต่รู้ไปวราวันหนึ่งจะต้องแยกทางกันไปเหตอนที่เราอยู่ในสมาธิแยกก็แยกใจเราไม่เดือดร้อนใจเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเราไม่ต้องทุกข์ไป สับความเป็นความตายของร่างกายครับทำสองขัน้นน้นั่งสมาธิให้แยกออกจากกานก่นอนแล้วพอออกจากสมาธิมาพอมันรวมกันก็คอยเตือนใจสอนใจว่าเราก็ร่างกายเป็นคนละคนครับสาธุครับก็ถ้าโอเคในในการที่เรานั่งสมาธิถึงแม้จะได้ขั้นต่างๆอย่างที่หลวงพออ่อได้เมตตาพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ย พอจะเข้าใจครับคันนี้ถ้าสมมติในห่วงเราเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ทำงานหรือกระทั่งเดินอยู่เนี้ยในในแนวคิดผมผมเองก็มันก็สามารถที่จะมีสมาธิได้เหมือนกันนะครับหลวงพ่อหมายถึงว่าอ๋อันนั้นไม่ใช่สมาธิอะเรียกสติเป็นสตินะครับสมาธินี่จิตมันต้องแยกออกจางร่างกายถึงจะเป็นสมาธิอ๋อครับครับ ค น, นี้อีกอันหนึ่งนะครับจะถามหลวงพ่อว่าอย่างสมมติที่มีหลวงพ่อบางท่านท่านพูดว่าจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยไอประเด็นตรงเนี้ยสมมุติว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ปุ๊บจิตแว บ, บไปทางนู้นแว บ, บไปทางนี้เรารู้ทันเราก็จะดึงกลับมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นเป็นการฝึกสติเป็นฝึก ส, สติก<ห>็คุคมจิตไม่ให้ลอยไปลอยมาให้อยู่ับที่ไห้นิ่พอเรานั่งสมาธิมันจะได้สงบ มันจะได้แยกออกจากร่างกายได้ขอรับครับอีกอีกอันหนึ่งนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาอนคาว่าขับจังกัดความอา่ะคําว่าอลรมมนูปณิชานกับลัคนูปณิชานก็คื อ, อนนที่ผมเข้าใจเราไม่เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษามาทรงนี้อ๋อครับท่านเราเราถาม g กูก็หนูก็ได้ห น, นูก็อาจจะมีคําตอบได้ครับอี ก, อ, กอีกคําถามหนึ่งนะครับ คือผมเองเนี่ได้บิดเสียชีวิตไปด้วยการทำบอลลูนหัวใจนะครับหลวงพ่อนะครับ mm hmm. ก็คือในช่วงสักสามปีที่แล้วเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ได้ไปสวนหัวใจขณะขณะที่สวนหัวใจนะครับปรากฏว่าไปนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อวิทยังกับหลวงพ่อฤสีริงดำว่าจิตคนเราก่อนตายสำคัญที่สุดในขณะนั้นเนี่ย จิตก็รวมตัวกันที่ท้องนะครับหลวงพ่อเสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกตัดหมดเลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมมุติหมดนะฮะหลวงพ่อเสร็จแล้วร่างกายไม่ต้องการอะไรไปถึงว่าเราไม่อยู่บริษัทก็อยู่ได้เราไม่อยู่ครอบครัวก็อยู่ได้คล้ายๆสมาธิมารวมตัวกันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะเห็นครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปฝึกมาอย่างเช่นหลวงพ่อเกษมเก๋มโกะพอดีผมเป็นคนลำปางนะครับ ในนิมิตอะไรเงี้ยเห็นหลวงพ่อสวดวัดปากนา้ำเห็นหลวงปู่มั่นพุจานโตพมลังสีหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยจิตรวมตัวกันที่ท้องเย็นสบายแล้วเขาก็ภาวนาเขาเองว่านิพพานังบรลมังสุขขังไปเรื่อยๆครับผมก็ว่าถ้าไปก็ไปอย่างนี้แหละเสียชีวิตแบบนี้แหละก็เย็นสบายจนกระทั่งคุณหมอมาแทงข้อมือเพื่อจะสวนหัวใจ บอกเจ็บหน่อยนะคะก็เลยรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ตรงนี้จะจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าสมมติถ้าตายไปจริงๆอะครับผมเอินเสียชีวิตในะช่วงนั้นเนี่ยในขณะที่จิตเรารวมตัวกันแล้วบริกรรมว่านิพพานังบรมังสุขรังไปเรื่อยๆจนเราหมดลมหายใจหรือเบาตัวไปเลยเนี้ยแนวทางนั้นเราก็พอจะไปสู่สุคติได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อได้จิตก็จะสงบไปครับสาดุก ก็เลยอระจะไปไอาจจะไปไม่ถึงนิพานนะเพราะมันไม่ใช่ไปด้วยการท่องจํำนครับมันต้องละละสังโยชน์ถึงจะไปได้ครับได้ครับสาธุครับก็อัญญจิตก็สงบเป็นสมาธิใกล้จะไปสู่ระดับฌานได้ระดับรูปฌานรูปประพรมได้ครับสาธุครับโอเคครับงั้นก็ลบกวนหลวงพ่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าท่านถ้าท่านจะถามอะไรไปมีโอกาสเข้ามาใหม่ เวลาใกล้ใกลจะหมดถึงมาเล่นตามาเล่นเช่าการนมัสการครับหลวงพ่อก็ครับเออวันวันผมก็ฟังธรรมะเรื่องการพิจารณาแยกธาตุตแล้วมันนึกทําปับ๊บจิตใจมันจะรู้สึกคลายความยึดมั่นถือมั่นแต่มันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเมื่อยึดมั่นร่างกายใหม่คือมันต้องพิจนารณาแบบทุกครั้งที่เกิดความยึดมั่นหรือเกิดความโลภใน ตั้งใจอย่างนี้ถูกก็ไม่พอพิจารณาจนมไม่เลวทุกครั้งมองเห็นร่างกายก็เว่าเป็นธาตุสี่เม็ดแล้วมไฟพอมันเห็นว่าเป็นตัวเรา<ม>ของเราก็ต้องเปลีป็นธาตุสี่นี้นะครับลมไฟทันทีแล้วอารมณ์ต้องพิจารณาไหมครับเช่นอารมณ์พอใจไม่พอใจโกรธเสียใจอะไรพวกนี้ครับก็ไม่รู้จะพิจารณาแต่ทําอะไรก็ให้รู้ว่า สิ่งนนต่างๆนี่มันมันเป็นเป็นตายรับจะดีกว่าไ ป, ไปพอใจนั่นไม่ไมพอใจมัมนก็ก็โทษไปออกเบาๆการพอใจก็จะนําไปสุ่ความอยาความไม่พอใจก็จะนําไปสุ่ความไม่อยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้มนะันเป็นนา้าลงไฟออเป็นธาตุก็อีกอย่างนะครับ ครับมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆแต่ต้องอาศัยสมาธิที่เราฝึกมาไม่งั้นก็พิจารณาไปก็ไม่มีผลถูกต้องไหมครับหลวงพ่อถูกต้องถ้าพิจารณาไปแล้วใจมันไม่คล้อยตามมันก็ไม่เกิดผลมันต้องมีสมาธิมันถึงจะคล้อยตามได้อ๋อครับอันนึงขอถามหน่อยครับผมเขาผมเวลาฟังธรร ม, มะก็รู้ว่านี่คือธรร ม, มะแต่ผมอยากทราบว่าหัวใจของธรร ม, มะคืออะไรครับเพราะผมฟังอะไรไปมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรร ม, มะหมดเลยครับในคําสอนของหลวงพ่ออย่างนี้ ธรรมะก็คือคำสั่งของพระเจ้าครับอ๋อครับอืมเห็นบางคนเขาไม่ชอบในการทำสมาธิแล้วเขาชอบจเจริญปัญญานั่นเป็นความเห็นที่ผิดหรือเปล่าครับหลวงพ่อถ้ายังไม่มีสมาธิไปจเจริญปัญญาก็ไม่เป็นสระโยชน์อะไอ๋อครับผมก็พยายามทำแต่ามาไม่สามารถทำตามที่ปัญญาพิจารณาได้หรือปล่อยวาง ต้องมีสมาธิส่งักรวาลางได้ห๋อครับอย่างวันวันก่อนผมได้ไปกราบพระจันาร์คมมาพระอาจาร์คมมาแถวมาที่กรุงเทพมาแถวบ้านผมเลยได้ไปกราบผมรู้สึกว่าตัวเองก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้กราบเนื้อนาะบุญดีๆก็แบบผมก็จะก็รู้ว่าตัวเองถ้าเราปฏิบัติได้เราก็สามารถที่จะมีความสุขได้มันไม่เกินเอื้อมก็ขอบพระคุณหลวงพ่อแค่นี้ครับวันนี้โอเคสาร์ okay. มนาเดียเชิญมนาเดียอยู่ที่ไหนแบบไม่ก่อนครับกลับมามาตการครับผมอกรุงเทพอยู่กรุงเทพครับมีอะไรไหมคําถามอะไรไหมครับมีคําถามอยู่หนึ่งคำถามครับคือคือผมมีความสงสัยเรื่องเรื่องว่าคำว่ากิจสติผู้รู้ เหมือนหรือต่างกันยังไงครับคำว่าจิตก็คือผู้รู้ผู้คิดตัวจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้คิดสติเด็กคือผู้ผู้ที่มาควบคุมความคิดเองสังเกตว่าจิตกับผู้รู้คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับใช่สิ่งเดียวกันแล้วก็อาศัยสติถ้าไม่มีสติผู้ผู้คิดมันก็จะคิดได้วยเปิดไปเปิดน้ําที่ไม่มีอะไรมาคอยกัน้นเหมือน แต่ถ้าเรามีสติก็เหมือนกับน้ําที่มีเขื่อนมากันมันก็สามารถกักน้ําได้ครับมีมีข้อสงสัยเพียงแค่นี้ครับที่เราต้องฝึกสติเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกสติใจเราจะไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งใจเราจะไม่มีความสุขจิตใจเราก็จะไปหาหาสิ่งที่เป็นทุกข์มาใส่ใจเราแทน แต่ถ้าเร า, ามีทำใจให้นิ่งได้เราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ใจเราครับมีมีข้อสงมีข้อคำถามแค่นี้ครับพยายามฝึกสตินะอโอบ ค, คนเพียงวิดาใช่คนเพียงวิดาเวอร์จิเนียนะตอนนี้คิดว่าน่าจะประมาณกลางปีคะ่ะน่าจะประมาณิถุนาค <ขอ S 1> ่ะกลางปีไม่เดื่นนะ ค่ะตอนนี้ก็พยายามเล่นปฏิบัติแย่าที่นะคะจะกลับมาถาวรเลยเนื่องจากกลับมาที่บ้านเยอะๆคุณจะกลับถาวรแล้วค่ะคื อ, อสามีจะหมดวันละประจําการที่นี่ปลายปีค่ะหนูก็จะกลับไปก่อนนะคะก็กลับไปทํางานค่ะคือสถานทูตไทยนะค่ะหนูก็จะต้องกลับไปทํางานที่ที่กระทรวงเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ลามาค่ะดีกลับมาอยู่บ้านแล้วมันจะดีกว่านนะ มีว่าอะไรใช่ใช่ค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังทุกทุกท่านแล้วก็ฟังธรรมะจากาจารค่ะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะโอเคนะค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะตอนนี้หนาวมากเลยล่าวใช่ไหม่อนนี้หนาวมากเลยค่ะประมาณวันนี้ลบเจ็โซเซียล ไปที่คุณปุ้ยต่อปุ้ยพรสีจากลักซันบรัสดีกลับนมัสักการ์ค่ะพาจางเหนาไหมที่นาวก็หนาวเกันใช่ไหมโอวันที่หนาวมากเลยหมอกลงหนาตึบเลยหมอหนาวมากเลยครับ่ อ, อตอนนี้ก็อยู่ประมาณเออติดลบหรือว่าศูนย์เออแล้วหนาวมากหมอกลงทุกวันเลยขับรถลําบากมากค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ทํางานแต่อยากจะบฟังเข้ามาฟังว่าอาจารย์มาเติมพลังค่ะจะมาทําอะไรคําฉันทําำท่วงาำอยู่เลยกำลังทำกำลังทําอะไรตอนนี้ค่ะทำถึงทุ่มหนึ่งค่ะทุกวันจันถึงศุกร์ทำถึงทุ่มหนึ่งค่ะ ท, ท, ทําท่วงจำยังไงเมื่อกี้เห็นนั่งเฉาะอะไรอยู่อ๋อไม่ได้ทำท่วงจำเน่ยมะม่วงพอดีเอามาแจกเพื่อนโรงงานทีนี้มัน มันเขียวคนฝรั่งเขาไม่กินมะม่วงเีียวเราก็เลยบอกว่า <c oughs> โอเคงั้นเขียวฉันสับจับจั บ, บเดี๋ยวฉันไปทําเอฉันเอาไปใส่ใส่เอ <c oughs> เอเส้นเจียวของฉันเฮ้อ <c oughs> ที่นี่มีแต่คนฝรัง่งนั้นจะมีเราก็ตอนนี้ก็สบายสบายเพราะว่าคนมันติดโควิดมันเยอะก็เลยไม่ค่อยมีงานมากเพะมีพักผ่อนจดมนไปเวลาว่างค่ะก็เข้ามารายงานตัวกับพระอาจารย์เพราะว่าทุกวันโยงก็ บอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีก็จะฝุดเข้มก็ตื่นขนะึ้นแต่เชสองพยายามตื่นให้ได้แล้วก็ถุกตัวเองนแล้วก็นั่งสมาธิให้มันยาวๆขึ้นไปเออปีที่แล้วเรานั่งยังไม่ถึงชั่วโมงปีนี้ก็นั่งมากกว่าใกล้ๆสองชั่วโมงเสร็จ แ, แล้วก็พยายามรู้ตัวตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์สอนว่าพุทโธพุทโธไปไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรโอเคทำต่อไปนะค่ะทําทต่อไปเพราะว่าดีมากคะ่ะ ได้เห็นผลด้วยค่ะขอพรหน่อยสิพระอาจารย์จะตื่นจีนแล้วอ่ะสุขให้เจริให้ร่ำให้รวยปลังปะป่าวเยอะๆสอาดเยอะๆสาดด้วยขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาดด้วขอพบคุณนะคะขอบคุณครัคุณนม่ไม่ได้ถามเราใช่ไหมคุณม่ ข้ามไปแล้วไม่ได้คุยกาคิดนะการคิดตอนสุดท้ายแล้วน้องกลับพระอาจารย์ครับามีอะไรไหมอยู่ที่ใต้วันไหมอยู่ใต้วันครับครับก็ฟังพระอาจารย์อยู่ครับตอนนี้เพิ่งเข้ามาครับมันมีคําถามอยู่ครับหรือว่าอยู่ เราเดินไปไหนก็มีแต่พุทโธครับก็ดีครัพุทโธไปหยุดความคินครับบางทีก็ทํางานไปก็ก็นิ่งไปเลยครับทํางานโดยก็นิ่งไปเลยไม่มีการสึกไม่มีมเรื่องเวลาให้มาปวดหัวครับมีอะไรหีือป่าแค่นี้เหรอครับก็อยัดเข้ามากราบอาจารย์ครับ เป็นดีเป็นขอไปที่ที่ facebook ต่อเลยนะเป็นรูปในคาถามมีคําถามวันนี้มีคําถามจากทาง facebook และ youtube ทั้งหมดสิบสี่คำถามเจค่ะหาว่ามาเลยได้มาเลยคําถามแรกจากคุณวาสนาน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมคิดว่าผมยังทําสมาธิได้ไม่ดีแต่ผมอยากไปปลีกวิเวกในที่น่ากลัวผมกลัวผีครับ ผมควรจะไปไหมครับกับสาทุกครับก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะถ้าเราคิดว่าเราพร้อมก็ไปถ้าไม่พร้อมไมอยากมึงไปอันนี้าตอบไม่ไดไ้ไม่รู้ว่าตัวเรามีกําลังมากน้อยอะไรเราต้องรู้จักรู้จักกําลังของเราคําถามต่อไปจากคุณเทพธิดาค่ะมีทั้งหมดสองคำถามคําถามแรก กลับเรียนขอคำแนะนำครับคุณแม่ของผมเพิ่งวายชนกระทันหันวันนี้เป็นวันที่แปดที่จากไปทำบุญกุศลอย่างไรดีที่สุดครับก็ทำบุญไน้ทานนี่แหละดีที่สุดคาถามที่สองผมไปอยู่วัดปฏิบัติ ธ, ธรรมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับก็เราเป็นคนรับไม่ได้ต้องมาขอข อ, อนุญาตจากจเจ้าอาวาส แ้วท่านเจ้าวาดอนุญาตให้อยู่ได้แต่ที่วัด น, นี้เขาให้คาราะมาอยู่ได้ช่วงทางเป็นติดต่อกับทางสำนักงานของของวัดได้ก็จะไม่ที่จัดให้อยู่โดยไม่ต้องผาเจ้าวาดก็ได้แล่ถ้าจะอยู่ยาวเนี่ยจะต้องผาเจ้าวาดคำถามต่อไปจากคุณกล้องถ้าเราต้องโกหก เพราะเป็นคำสั่งให้ทำจะบากไหมครับบาคำัางต่อไปจากคุณจันติชัยรบกวนถามพระอาจารย์ว่าอายุขของคนเราถูกกำหนดมาแล้วใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่หลายสาเหตุด้วยกันอยู่ที่การดาเนินชีวิตของเร า, าเราดาเนินแบบประมาณหรือไม่ประมาณ ถ้าไม่ประมาท ก, ก็โอกาสจะยืนอยู่อายุยืนยาวนาะนก็มากกว่าคนที่ประมาทคนประมาท ก, ก็คือคนกินเหล้าแล้วขับรถเร็วอย่างเงี้ยโอกาสที่จะชนกันพลิกคว่ำมันมีมากกว่าคนที่ไม่ประมาทมันมีหลายสาเหตุด้วยกันไม่ใช่ถูกกําหนดมาตายตัวกรรมในดที่เราทําก็มี ม, ม, ม, มีมีก็เป็นสาเหตุอย่างที่อยากจะทําให้เราตายเร็วตายชา้าได้เหมือนกันมนมันมีหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่มีอะไรตายตัวคำถามต่อไปจากคุณอรณนิชากลาบนรัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะกลาบเรียนผามหนูเคยมีคนเอาเปรียบแบบชัดเจนว่าเอาเปรียบให้เสียทรัพย์แต่หนูไม่โกรธไม่เกลียดบุคคล น, นั้นเลยค่ะเพราะหนูได้ฟังธรรมของพระอาจารย์สุชาติเลยรู้สึกปล่อยวางและคิดว่าช่างเขาเถอะไม่เป็นไรอย่าไปยึดติด หนูเลยรู้สึกสบายใจหนูทำถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องการปฏิบัตินี้มันทำให้ใจเราสบายไม่ถูกกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามต่อไปจากคุณชัยเวลานั่งสมาธิทำไมเวลาอารมณ์จะนิ่งต้องพังาะจะหงายหลังครับก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ฉนัดเราแล้วนะมันก็เป็นเรื่องของจิตเวลาเป็นสงบนิ่งมัมาามนมักจะมีอาการไรแปลกๆ เกิดขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณสันติชัยรบกวนถามพระอาจารย์องค์คุรีมานตัดกิเลสบรรลุธรรมแล้วต้องตกนรกไหมครับเพราะค่าคน999คนครับอไม่ตกหรอกเพราะว่าไปนิพพานนะถ้านิพลานแล้วก็พ้นพลนจากอบายพลัอนจากทุกสิ่งทุกอย่างในตายเพราะไม่กลับมาเกิดในตายเพราะอีกต่อไป คำถามต่อไปจากคุณหม่วยนมัส ก, การเจ้าค่ะผู้อาวาุโสเราด่าตีและโมโหเด็กนักเรียนเราจะบาปไหมคะคือถ้าเราทําด้วยอารมณ์มันก็ผิดแต่ถ้าเราทําเพื่อสัมสอนให้เด็กเข้าได้สํำนึกผิดแล้วได้ทําในสิ่งที่ถูกก็ไม่ผิดมันอยู่ที่ว่ากา ร, การดุด่าว่ากล่าวตักเตือนของเราเป็นไปด้วยความโกรธหรือเป็นไปด้วยเหตุผล ถ้าทำไปเพื่อสสอนให้บอกเพราะว่าเขาทำสินทนี้มันผิดเขาไม่ควรจะกระทำอย่างนี้แล้วเขาแก้ไขตามาทำตามที่เราสอนได้ก็ไม่ผิดไม่เสียหาย อ, อย่าทำด้วยอารมณ์ให้ทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความเมตตาคำถามต่อไปจากคุณเพอร์ซิสเทนขอสอบถามพระอาจารย์นะคะตอนนี้หนูนั่งสมาธิแล้วทั้งที่หนูหลับตาอยู่ แต่กลับเห็นสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าค่ะแล้วอย่างนี้หนูต้องทําอย่างไรต่อในเมื่อหนูหลับตาเพื่อให้จิตไม่วอกแวกออกนอกแต่ตอนนี้มันเห็นสิ่งของข้างหน้าจิตหนูยังอ่อนอยู่ค่ะมัน <c oughs> ไม่สามารถโฟกัสที่คําบริกรรมได้โดยไม่วอกแวกค่ะหนูทําอย่างไรต่อหรือต้องพยายามข่มไม่ให้ภาพนั้นโผล่ขึ้นมาคะ มันไม่ต้องไปกดมันหรอให้หนูสวดมนต์ไปแทนก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆจบไปนะว่าจิตของหนูยังไปนึกถึงภาพเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรก็ให้สวดอิติปิโสไปใชนกว่าจิตมันจะว่างแล้วค่อยคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามขอแบ่งเป็นสงคำถามเจ้าค่ะปรับเลนผ่านพระอาจารย์อาชีพแพทย์ดีที่ได้ช่วยคนไข้ แต่ลูกเวลาทํางานเครียดมากทําอย่างไรไม่ให้เครียดเจ้าคะก็ทำํำด้วยใจที่ปล่อยวางหรือทำตามหน้าที่ของเราทําตามหลักห ล, หลวิชาการส่วนผลจะอกอกมายังไงก็อยาไปยึดติดจำเป็นบางทีก็ควรจะรักษาคนไข้ก็างทก็อาจะห า, า, ายบางทีก็ า, จ, จ, ะ า, า, กา จ, จะไม่หายบางคนบางทีคนไข้ก็อา จ, จะตาย ถ้าถ้าตัดได้เราทําด้วยความสุดจริญด้วยการด้วยความด้วยวิชาชีพตามหลักวิชาชีพแล้วก็ทําด้วยความพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ต้องยอมรับกับผลซึ่งเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่จะสามารถรักษาคนไทยทุกคนได้หายได้เราก็จะไม่เลียน คำถามที่สองคือถ้าเทียบกับลาไปบวชนั่งสมาธิการบวชได้บุญมากกว่าใช่ไหมคะไม่หรอกการบวชนี่เป็นเพงแต่เป็นการไปขึ้นทางบวชก็จะได้มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆแต่ถ้าบวชแล้วไม่ไปนั่งสมาธิก็สู้คนที่ไม่บวชแล้วนั่งสมาธิจะมีกว่าแต่มันอยู่ที่การได้ไปทำสมาธิหรือไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อยู่ที่การบวชแล้วไม่บวช คำถามต่อไปจากคุณบอยปราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกระผมเพิ่งเริ่มหัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปได้สักหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีเวทนาปวดขาขาชาก็ต่อสู้กับเวทนาแล้วก็เริ่มพุทโธไปเร็วรัวๆเกิดอาการขนลุกที่ขาแล้วอาการปวดขาและชาก็หายไปและขาเบาสบายโล่งได้ประมาณห้าวินาที แล้วกลับมาปวดใหม่แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วก็<ต>สู้กับเวทนาใหม่ต้องต่อสู้กับเวทนาอย่างนี้ตลอดไปใช่หรือเปล่าครับก็สู้เวทำกับจิตเราจะไม่ไม่ไปยุ่งกับมันอยู่กับมันได้ก็ไม่ต้องต่อสู้หรอพุโทโธไปจกอจิตจะสงบเราส่วนเวทนาจะหายไม่หายถ้าจิตเราไม่ไปวุ่นวายกับมันก็เราก็หยุดพุดโทโธได้แล้วก็อยู่กับมันได้การการผ ปฏิบัตินีไ่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อกาจัดความเจ็บแต่เป็นการฝึกจิตให้จิตสงบแน่เพื่อให้อยู่กับความเจ็บให้ได้เท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณวันนีกําลังโมโหแต่ลดความโกรธลงไม่ได้ขอคําแนะนําเจ้าค่ะก็ท่องพุโทโธไปเวลาเกิดความโกรธกั้นมากท่องพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงก่นด้วยเสิ่งที่ทําให้เรา เดี๋ยวถ้าพลาดนึ่แล้วก็จะเลิกแล้วความกดก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณฤทธิรงอยากแยกจิตกับกายต้องทําอย่างไรครับต้องถึงนั่งสมาธินะสติพุตโธพุตโธนั่งสมาธิแบบตาทําพุตโธพุตโธไปแล้วจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากกายโดยอัตโนมัติคำถามสุดท้ายจากคุณทิติพรกล่าวนมสรสการพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้หนูไม่แน่ใจและสับสนว่าจะอยู่กับทางโลกหรือทางธรรมดีค่ะตัดสินใจไม่ได้ค่ะขอคำแนะนำเจ้าค่ะก็อยู่ทางโลกไปก่อนแล้วพยายามปฏิบัติธรรมให้มากมขึ้นไปเมื่อเรามีธรรมแล้วเราจะรู้เวงว่าเราจะไปทางทำธรรมได้หรือมเพราะนั้นเราก็จะได้ไปไม่ต้องกลับถ้าเราไปแบบตอนที่เรายังไม่พร้อมไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาอย่าง่ี่งั้นอยู่ทางโลกี่ไปก่อนแล้วพยายามปฏิบัติธรรมให้มาก ไปกาเราจะมีความมั่นใจว่าเราไม่ต้องการเดินทางโลกแล้วเราค่อยไปจะดี ก, กว่าอยากตัดสินใจด้วยความด้วยอารมณ์ตามความอยากหรือไม่อยากว่าอารมณ์มันเปลี่ยนได้เราไปบวชได้าไม่กี่วันนะอยากจะกลับมาล้วก็ไนดะ้เราทำตามต้องทําตามตามหลักการหลักการที่ถูกต้องก็คจิตเราต้องพร้อมจิตเราต้องเบื่โลกและพร้อมที่จะพร้อมที่จะปฏิบัติรรมมีภาพสุตติการปฏิบัติธรรม ถ้าอย่างนี้จะไปจะไปแล้วจะได้ไม่กลับมาเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแกนะ็บเวลาหมกเวลาวันนี้เกือบสามชั่วโมงด้วยกันเลยประมาณสองนาทีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิพจารณาไปปฏิบัติเริ่มความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ